มันในคนบาเชเข้ามาก่อนเลยนะบาเลชเชิญ ก, การาันม่ใชการเขาหลงพ่ออยากสอบถามเรื่องการฝึกมีเมตตาต่อตัวเองนี่คือยังไงหรอครับก็รักตัวเองเลยแปลว่าคุณไปรักตัวเองนะ อ, อืมรักตัวเองคือ ประโยชน์ของตัวเองให้เราถึงจิตตัวเองกุศลที่เป็นกุศลรักษาศีลทําบุญทําทานอย่างนี้ใช่ไหมครับหลวงพ่อไมได้เดี๋ไปป้อนไปชี้เขาไม่ได้บางคนไปป้อนไปชี้เขาก็รับกโศกเองใช่ไหมครับเขาก็อยากจะหาความสุขให้กับตัวเขเองเขาก็เลยเพี่งแต่ว่าให้มันทําให้มันถูกวิธีนะ จะไปทำในวิธีที่ทำให้ผู้เก่เาเสียหายเดือดร้อนหือรักตัวเองแบบพระพุทธเจ้าคือปฏิบัติตามที่พระเจ้าสอนให้เราทำรากการกระทำบาป ท, ทั้งปวงสร้างบุญสร้างบุ้สนทั้งหลายถึงพร้อมชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์อันนี้ล่ะเป็นการรักตัวเองที่<ม>ดีที่สุดที่ถูกต้องที่สุดใจครับกดไจครับ<จ> มันมีอันนึงผมคุยกับกายานามิทของผมผมบอกว่าผมศรัทธาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เขาแล้วผมก็แบบพรณนาคุณของพ่อแม่ที่ทําให้พบเจอพ่อแม่ครูบาอาจารย์อะไรอย่างนี้ครับ <c oughs> เขาก็บอกว่าคุณลืมขอบคุณอย่างหนึง่งคุณลืมขอบคุณตัวเองที่เห็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วคุณศรัทธาเพราะาคนบางคนต่อให้เห็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เขาก็ไม่มีความศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันนี้การถือว่าขอบคุณตัวเองอันนี้เป็นสิ่งที่ถูกไหมครับหลวงพ่อมันก็เป็นเรื่อง เป็นเรื่องจิ๊บจอยจะขอบคุณหรือไม่ขอบคุณมันมันมันเป็นเป็นการพูดเล่นกันไปมากกว่าอ๋อครับใช่ไหมครับมันก็เแต่ว่าขอบคุณมันไม่ต้องขอบคุณหรอกเรื่ตัดตัวประโยชน์ที่เราควรจะตักตัวนี่แบบมันนั่งขอบคุณใครขอบคุณตัวเองบ้างเปล่าก็ก็งงๆงงอยู่นั้นใช่ไห ถ้าคนไหนเขาทำประโยชน์ให้กับเราแล้วขอบคุณเขามนก็เป็นมารยาทที่ดีใช่แสดง ค, ความกตัญญูนี่เล่ น, เ ล, นเล่นลิ้นกันมากกว่าขอบคุณตัวเองเมตตาตัวเองเล่นลิ้นนะครับครับใช่ไหมก็เข้าใจางั้นครับโอเคครับวันนี้กราบขอหลวงพ่ อ, อเจ้าที่วัดเป็นไงบ้างมีพระติดโควิดไหมครับอ่ยังไม่ได้สำรวจทำไม่รู้ โอเคครับและหลวงพ่อรักษาสุขภาพเลยครับโอเคสาธุสาธุคุณเอกทองทองชอบนะกลับน้องสการพระอาจารย์ครับอันนี้เป็นยังไงมีอะไรไหมเออกลับขอโอกาสเอ่อพระอาจารย์เอ่อพอดีอาการอยากสอบถามพระอาจารย์ว่าอาการที่มันพุ่งลงไปเนี่ยพระอาจารย์มันมันมันเป็นลักษณะยังไงครับ วูบแรงหรือว่าค่อยๆค่อยๆวูบลงไปอย่างเงี้ยครตอนที่จิตมันเปลี่ยนสภาพไงมันเป็นเหมือนรถเปลี่ยนเกียร์มันขับเรื่อไปแล้วเอเปลี่ยนเกียร์จากเกียร์ต่ํามาเกียร์สูงขึ้นรถมันก็เบาขึ้นนเสียงเครื่องมันก็เบาขึ้นจิตเวลามันสงบมันก็เหมือนกับรถจิตเปลี่ยนเกียร์มันก็มันก็เบาลงกวูบลงไปเพา่ก็ไม่มีอะไร ให้ให้สักด์แต่ว่ารู้ไปเท่นั<อ>้ครับถ้ามัน<ผ>มสมงบปฏิวัตดีถ้ามันไม่สงบปฏก็ถือว่าไม่ดีมู่แบบลับมู่แบบไม่รู้เรื่องบางทีคอบพักนี้มู่แบบนี้ก็ไม่ดไมีไม่ไม่ไม่แบบนั้นนะครับพระอาจารย์คือ hmm. ว่ามันมันพู่ก็คือมันมู่ลงไปบางทีทั้ทงมันรู่ครั้งแรกสองแรกทั้งทั้งสองครั้งแรกอตกใจครับพระอาจารย์มันมู่แรงครับวุบลงไปผมก็ตั้งสติดูว่าเอ๊ะผมอะหลับไปหรือเปล่า แต่ดูแล้วไอ้ผมก็รู้ไอ้ผมไม่ได้หลับนี่ผมอ๋อเป็นอาการที่พูบลงไปอย่างเงี้ยครับทั้งสองข้างรั้งแรกอะฮะเดี๋ยมันจะค่อนข้างบุบบุบแรงอยู่นะฮะก็กลับมามีสติให้ดึงสติกลับมาอยู่พับพุทรธและอยู่กับลงไปต่อครับ บ, บ, บางบางวันก็ตองวันก็ประมาณว่าตอนเช้าฮะดูแล้วแบบว่าจิตมันไม่เข้าจิตมันมันก็ออกไปผมก็มาเอ่อท่องพุทธคุณอย่างเงี้ย จิตดีส่งไปไปเออมันก็วูบลงไปเองเหมือนกันนะครับอาจารย์วูบไปอนี่มันลงลงเหมือนกันนี่บอกว่าเออก็ดีเหมือนกันมันก็มันก็สบายดีเย็นสบายดีเหมือนกันนะครับใช่เวลาจิตมันจะสงบเนี่ยมันมีหลายลักษณะเหมือนกันบางทีมันก็อาจจะเป็นลักษณะมีผีอั่มก็เป็ครับตึอผีมันยกทุ่มทั้งตัวเหมือนตัวเราอยู่ดีๆก็ถูกลอยถูกคนยกขึ้นแล้วก็ทุ่มลงไป กับเด่นนี้คล้ายโลูกเฉยๆไปแบบไปเต้นเต้นตกใจบ่อยๆครับมีครับบางบางวันบางวันครับอาจารย์มันมันอาการของพิเตะนะฮะมันเหมือนจะลอยนะฮะเหมือนที่แบบจะขึ้นเลยครัอาจามันจะเหมือนจะยกจากพื้นนะฮะเหมือนจะดันดันอย่างเงี้ยผมก็ตั้งสติรู้ไว้ครับให้ลูกเฉยๆไปพุทโธพุทโธไปครับผมมันจะเป็นยังไงก็ช่างมันไปไม่เป็นไร มันเป็นการแสดงอาการของจิตจิตมันเล่นกลเล่นทำอะไรให้เราดูไปนั่นครับข้าพระอค์ข้าพระองคาราบอก็คืออย่างสติรู้อยู่สัจตรวมรู้นั่นเองข้าพงครับงคส่วนใหญ่มันพอมันสนะอาการเสร็จแล้วมันจะนิ่งยเย็นจะสบายครับครับใช่ครับใช่ครับหายใจมันจะโล่งมันจะโปร่งเบาโล่งอย่างเงี้ยครับ เออไปแล้วเราก็ภาวนาต่อไปดรลมได้ก็ดูไปพุทโธได้ก็พุทโธไปครับมันก็จะมันรู้สึกรู้สึกอีกทีก็ก็ตอนที่เอเวทนามาเวทนามาที่ขาขาก็อาจารย์เลิกเจ็บก็ก็รู้ก็เห็นมันเกิดขึ้นว่ามันเจ็บเกิดขึ้นตั้งอยู่มันก็ดับไปมันก็ดับไปเองครับอาจารย์อืเพราะว่าใช้สูตรสามโยหกธาตุการน์ฮะที่ยอมยอม มันเจ็บเออยอมมันเจ็บเออมันจะเจ็บสุดท้ายก็ช่างมันยอมเงี้ยมันมันคลายพ่ออาจารย์มันคลายมันมันเบามันไม่เจ็บเลยครับพออาจารย์แต่ว่าถ้าถ้าวัไหนสติดีมันได้อยู่ครับแต่ถ้ามันสติไม่ค่อยไม่ไม่ดีเนี่ยเอาไว้อยู่เหมือนกันนะครับอย่าไปรยากเวลานั่งอย่าประยาดให้มันเกิดเพราะมันเหมือนกับฝนฝ่าฝนเดินฟ้าอากาศปอยากให้มัน ตกตามที่เราต้องการไม่ได้มันมันจะตกมันก็ตกมันไม่ตกมันก็ไม่ตกเราไม่ต้องไปอ่ะเรามีหน้าที่อยู่กับลมอยู่กับพุดโธรไปก็ทําไปครับผมครับผมโอเคนะครับกขอบคุณพระอาจารย์ครับวันนี้ไม่มีอะไรอะไรทำงานพระอาจารย์มากกว่านี้แล้วครับกบขอบคุณครับผมไปที่ท่านต่อไปคุณแนนจากคุดรนใช่ไหมคุณดแนนกลับมามาตรการค่ะจากอุดรค่ะ มีอะไรไหมวันนี้วันนี้ไม่มีอะไรคะ่ะโอเคเห็นใจที่อาจารย์พรหมพิรายต่ออาจารย์พรหมพิรายเป็นไงคุณแม่เข้านอนอยังแม่เข้านอนแล้วค่ะตั้งแต่ตั้งแต่ตอนบ่ายแล้วค่ะอค่ะคุณยอนเหนื่อยนวันนี้เหนื่อยค่ะค่ะขอบคุณพระอาจารย์มากค่ะเมตตาค่ะ<ำ>คะระับสวัสดีพระอาจารย์ครับเหมือนทำให้คุณแม่อายุยืนยาววิให้ตอบปีต่อปีค่ะ เอนี่จะตีปปเอาทำสิเติดกินแน่นเลยจอไป้เน็กาาก140 140 140ินแน่นแลทำจุดร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบไม่รู้เราจะอยู่ถึงหน้านหรือเปล่าไม่รู้นคนเลี้ยงก็คงต้องอยู่ไว้ถึงนะคะค่ะขอบคุณค่ะไม่มีคําถามค่ะวันนี้ค่ะ ค, คุณค่ะคุณปรบรดาเชิญคุณประดประดาจากสาธิากเชิญเลยนั่งราชการจ้าไม่มีคําถามจ้ะ ไม่ถามเรื่องการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเลยค่ะพระอาจารย์พอดีมันนึกขึ้นมาก็เลยสงสัยว่ามันอะไรค่ะตอนนั้นแต่พระอาจารย์ได้ตอบแล้วกา ร, รปฏิบททัติธรรมเราปฏิบัติธรรมขั้นไหนอะปฏิบัติศีลเราก็ต้องปฏิบัติให้มันสมกับหน้าที่ของศีลใช่ไหมก็ต้องรักษาศีล สิ่งก็ต้องรักษาให้สมบูรณ์ถ้าเราอยู่กับสติเราก็ต้องรักษาสติให้ต่อเนื่องเพฝึกสติถ้าทำสมาธิก็ต้องทำให้มันเน่งให้มันสงบให้มันเป็นอัปปนาสมาธิถ้าปัญญาก็ต้องบัญญัตพิจารณาตายรักเห็นอะไรก็เป็นตายรักเป็นหมดย่ง้เป็นปัญญาไปคิดถึงว่าจะหาเงินที่ไหนมาสร้างบวุวรสร้างเจดีหรืออะไรอย่างนี้ อันนี้ก็ถึงแม้จะเป็นปัญญาแต่มันไม่ได้เป็นปัญญาที่สมควรกับทำที่เราปฏิบัติเราการละชำระกิเลสด้วยปัญญาละกิเลสด้วยปัญญาก็ต้องพิจารณาว่าทุกอย่างที่เราอยากได้มันเป็นไตายแลกอยากได้เอาเงินไปทําบุญก็เป็นไตายแลกแล้วค่ะพอจะเข้าใจแล้วนะแล้วค่ะเหมือนกับถ้าเราตอนนี้ที่เรา ปฏิบัติอะไรบ้างแล้วก็พยายามทําให้ให้มันสมบูรตรงให้มันทำหน้าที่อย่าไปออกทางนอกทางระวังระวังอยู่บ้านกับอยู่ที่ปฏิบัติธรรมนี่การผลเป็นยังไงมาต่างกันไหมเวลาจะทำใจกันมากค่ะอาจารย์เพราะว่าที่บ้านบางทีมีอะไรมาอะไรอย่างเงี้ยแบบมันยังมีเสียงมีอะไรมาคอยกระทบอยู่เลยใช่ไหม ใช่ค่ะแล้วก็มันก็ต้องก็คืออยู่ในห้องคนเดียวก็จริงแต่ทั้งบ้านก็คืออยู่สองคนก็เลยมันก็มันก็เอมบเวงบางเวงบางทีมันกำลังลงดีดีแล้วเอาเปิดประตูเปิ๊กมันก็ได้ยินแต่มันก็ยังไม่ได้กระเด็นออกมาแต่มันก็มันก็แทนที่มันจะแบบอยู่ต่อไปได้แล้วมันก็เปลี่ยนไม่เหมือนอยู่ไม่เหมือนอยู่คนเดียวนะถ้าอยู่คนเดียวไม่ต้องกลัวเลยอยู่คนเดียวในป่านี่ แล้วพระพุทธเจ้าบอกผู้ผู้ปฏิบัติธรรมต้องแสวงหาที่สงบสงัดวิเวกกายวิเวกแล้วจิตก็จะวิเวกแต่ท่านที่บ้านก็ประคองประคองไปได้แบบแต่ละวันแต่ละวันหรือว่าทุกสัปดาห์หรือว่าอะไรก็เหมือนเหมือนขับรถบนทางด่วนครับใต้ทางโด่วนนะฮะใช่ค่ะความเร็วไม่ค่อยได้พระอาจารย์ถ้าเกินทางด่วแล้วนี่เหยียบ เต็มเลยเต็มสปีดเลยรถวิ่งได้เท่าไหร่ก็ไม่มีอ่าเต็มเลยกลับมาปวดขาเก็ไปอีกสินะถ้าไปได้ก็ไปอีกค่ะพระอาจารย์มีโอกาสลงไปอีกค่ะโอเคขอบพระคุณพระอาจารย์นะคะอย่าอย่าหยุดอย่าถอยนะค่ะพระอาจารย์ใกล้ละใกล้จะถึงจุดหมายปลายทางแล้วสาธุค่ะจะตั้งใจปฏิบัติเจ้าค่ะโอเค คุณบริตจ่อเลยจากระยองคุณคุณบริสกลับมานวส ก, การเจ้าค่ะพระอาจารย์ไม่มีคําถามเจ้าค่ะโอเคอเป็ไปชื่คุณนันพัฒน์เลยคุณนันพัฒนจากกรทมเจ้าค่ะพระอาจารย์ค่ะวันนี้ลูกไม่มีคําถามเจ้าค่ะมีเข้ามากราบขอบพระคุณพระอาจารย์แล้วก็กราบขอเขา้ามาพระอาจารย์เจ้าค่ะอ๋อไม่มีอะไรหรอกถามได้นะเดี๋ยว บางทีที่ไม่ตอบเพราะว่ามันคิดว่าอาจจะไม่จําเป็นต้องตอบนะแต่แต่กล่าวขอพระคุณนพระอาจารย์ด้วยความจริงใจจะข้ า, าพระอาจารย์พอพระอาจารย์บอกว่าให้ไปลองจริงใจกับตัวเองแล้วใช้ปัญญามันมันได้ผลจริงๆเจ้าข้าพระอาจารย์มันมีคําตอบในตัวเองแล้วมันรู้รู้ว่าตัวเองยังไงแล้วมันมันจะมีการพัฒนาการปฏิบัติไปได้เจาา้าข้าอีกอย่างหนึ่ครั้จะต้องมาถามอาจารย์ ว่มีอะไรนิดหน่อยก็ถามไม่กล้าตัดสินใจเองเงี้ยได้จ้ะค่ะแต่พอพระอาจารย์แนะนําว่าให้ลองไปใช้ปัญญาด้วยตัวเองแล้วแล้วแล้วจริงใจกับตัวเองคํานี้ดีมากเลยจ้ะค่ะขอบคุณพระอาจารย์ด้วยคํานี้คือพอจริงใจกับตัวเองเนี่ยมันรู้เลยว่าอันนี้ใช่หรือไม่ใช่อย่างเงี้ยจ้ะค่ะอย่าอย่าอย่าหลอกตัวเองค่ะใช่ค่ะอย่าให้กิเลสหลอกเราไม่ได้ค่ะมันที่กิเลสนันหอกเพรามันเก่งนะมันมันเก่งค่ะแต่ล่อมเราใช่จ้ะคะ ก็ก็อาศัยคําเนี้ยค่ะว่าให้จริงใจกับตัวเองก็ลงเข้าไปลึกๆในใจเลยเจ้าค่ะอาจารย์เรต้องมีเป้าหมายของค่ขะของการปฏิบัติของเราแล้วอย่าให้อะไรมันมาหลอกให้เราออกเป็นนอกเป้าหมายนี่จเจ้าข่าอาจารย์เจ้าค่ะวไม่มีะ ไ, นะไม่มีเจ้าค่าวอาจารย์เดี๋ยวปฏิบัติไปเรืออร่อยๆเจ้าข่าอาจารย์ไปที่อุบลราชธาจากเดลัสเท็กซัสวันนี้เข้ามาในอุบลราชธาเข้ามาต้นเลย เดี๋ยวจะไปหาหมอครับผมตอนนี้8โมงเช้าเน่ย8โมง15ครับเดี๋ยว8โมง8มง15ครับเดี๋ยว9โมงจะต้องไปหาหมอก็เลยเข้ามาฟังเข้ามาฟังตลอดลวะครับแล้ขอบคุณพระ อ, อาจารย์ที่ช่วยสอนภรรยายก็ปฏิบัติธรรมได้ดีขึ้นมากขึ้นในใจด้ในใจที่สองคนปฏิบัติธรรมร่วมกันอยู่ร่วมกันนี้ถ้าคนนึงปฏิบัติคนไม่ปฏิบัติก็ลาบากนะ ก็เขาก็ออกไปเดินจงกรมข้างนอกบ้านผมก็เดินจงกรมในบ้านตอนเช้าตื่น ม, มาตีห้า ก, ก็เดินจงกร ม, มนั่งสมาธิก็มีขอ้อถามขอ้อนก่อนที่จะไปหาหมอครับ<ง>ก็คือขณะที่ผมนั่งเนี่ยหลังจากที่เหมือนกับลมหายใจหมดแล้วเนี่ยมันเหมือนตัวเองเน่ยเห็นร่างตัวเองพอมาเหมือนกับเรานั่งเห็นนั่งสมาธิแต่เราก็เช็คดูว่าเอ๊ะเราก็ยัง รู้ว่ามันหนักอยู่มือมันก็ยังหนักอยู่เนะียมันมันเป็นจิตของเราคิดไปเองใช่ไหมครับพ่อได้ทุกอย่างมันจิตมันก็เลยขึ้นมาทั้งนั้นอนะ่ะเวลมีสติรู้ทันมันเรื่องของ <Ừ. S 2> อาการของจิตที่มันจะแสดงอะไรแปลกๆต่างๆไม่ต้องไปถือว่ามันเป็นเรื่องการเรื่องการมีดวงตายเห็นธรรมพวกนี้ไม่ใช่เป็นดวงตายไม่ใช่เห็นธรรมต้องเห็นว่าทุกเกิดขึ้นแล้วดับด้วยปัญญา อืออันนี้อันนี้ก็มองอยู่อย่างเดียวครับบอกเออยังเรายังร่างอยู่ยังเราร่มองเป็นตายักไปให้หมดอืมครับก็ก็ได้มาขนาดนี้หลายหลายหลายครั้งแล้วก็ดูว่าเรายังเนื้อเรายังเมื่อยอยู่เรายังเมื่อยอยู่เอ้เราก็ยังต้องทําต่อไปเรื่อยๆทำไม่เรื่อยๆแหละมันจะกลามมันจะฝาบกิเลนได้หมดนะครับถ้ายังมีโรคกวนหองอยู่ก็แสดงว่างานยังไม่จบ ยังไม่สาบบอยตอนนี้ก็ได้ฟังข่าวจาก p พ i z เซอร์ว่าเขาก็เริ่มที่จะผลิตแ็นที่สามที่สามารถจะคุมเดลต้าอะไรได้อยู่น ะ, ะได้ข่าวเหมือนกันอันนี้ CDC ส์กำลังเขาติดตาม ข, ข้อมูลอยู่ครับผมเขาเขาเห็นเ็าพูดไว้แต่ว่าว่าจะสามารถคนโทุมเดลต้าได้แ็นที่สามก็คง คงในอนาคตก็คงจะเป็นจริงนะครับท่านแตตอนนั้นมันก็สายไปแล้วมันกลายเป็นแลมด้ากลายเป็นเป็นตัวอื่นไปแล้วมันเหมือนกับวิ่งจับตะคุกเราอ่ะนะอ่อจับตัวนี้ได้เหมันมันใหม่โผล่ขึ้นมาเล่นงานอะไรละมันไม่ทันกันนักทีงแต่ยังดีที่ว่ามันมันยังต้านได้บ้างถึงไม่ถึงกับตายไม่ถึงกับโคตแต่จะอันนี้ก็ ตอนนี้ปริษัทเมกาจ้างคนฉีดยางแล้วครับท่านเอให้ข่าวให้ร้อยเหรียญให้ร้อยเหรียญแล้วนะครับคนขับรถได้เจสิบเหรียญเนี่ยไอ้คนขับพาไปได้เจ็ดสิบเรื่องจ้างแล้วมันมียาแต่ไม่มีใครฉีดนะผมแลออแล้วมันเข้าว่าเริ่มขึ้นขึ้นเยอะแล้วขึ้นสองร้อยเปอร์เซ็นต์ประมาณคนฉีดครับผมครับผมบางบางรัานี่เยอะเลยคนกลัวกันคนไม่มั่นใจแต่เดี๋ยวนี้ เอาไปสัมภาษณ์คนที่เปลี่ยนใจเราทําไมฉีดเขาบอกเห็นคนเลยเขาฉีดยุ่ยย่เห็นเป็นอะไรเนี่ยะกมาเลยก็การฉีดขึ้นมาครับกขอบคุณพระอาจารย์ครับก็เดี๋ยวผมจะกลับมาฟังใหม่ต่อเรื่องที่ผมก็ฟังอยู่ครับขอบคุณคาณพระอาจารย์กันดูดูในเฟซบุ๊กติดตามได้เนี่ยไปนั่งรถไปขับรถไปเรื่องอะไรไปหรือไม่สะดวกท้าขับรถไม่สะดวกครับผมเดี๋ยวก็กลับมาได้ก็นั่งฟังจนจบทุกทีเลยครับ โอเคสาธุตับจาบมนการพระอาจารย์คุณทวิศาจากสวิสเซอร์แลนด์เชิญการนมันส ก, การพระอาจารย์ค่ะว่ายังไงมีอะไรไหมไม่มีคำถามค่ะพระอาจารย์ยังปฏิบัติอยู่เข้มข้นเหมือนเดิมนะอืมไม่ได้เข้มข้นเลยค่ะพระอาจารย์ก<ม>แ็แต่แต แต่ปฏิบยยัติเดียวแต่ยังยังไม่ได้ไตระดับเลยกับพระอาจาราย์้องลงเยอะลงเข้มค้บ้างมันเนี้มันก็อยู่กับที่นะมันพาเราอดข้าวทั้งวันดูนะอดทั้งวันเลยไม่ใช่เฉพาะอดเที่ยงวันหลังเที่ยง ม, ม่กินมันเดินไป น, น, น้ําบานะเดิเด่เแต่น้ํำขึ้นน้ําตาลอะไรครอยู่ได้สบายไม่ตายหรอกรับประกานได้ที่เลืจะตายถ้ามากกว่า ก็จะตอนนี้ยมมีแบบว่าว่าคือเคท้ายว่าตัวเองเอ่าเหมือนกับว่ายังมีความโลภอยู่ค่ะพระอาจารย์คือคือจะสละหาสถานที่หนึ่งสักสถาน ท, ที่ที่แบบว่าไม่ได้ถึงบ้านกับพระอาจารย์แต่ทีนี้ในความคิดหนึ่งเอ๊ะมันมีความคิดเกิดขึ้นคับพระอาจารย์ว่าเอ๊ะทําไมเราต้องไปเสียทรัพย์เหมือนกับไปไปเช่าอาพาร์ตเมนต์ซักอาทิตย์หนึ่งนะครับพระอาจารย์ก็เลยคิดว่า ก็เลยง็เลคือมันมีใจหนึ่งที่ที่เหมือนแบบเสียดายเสียดายซับนะคะพระอาจารย์ก็เลยเอ๊ะทาไมเรายังมีความตนหนีอยู่ก็เลยพยายามทําใจไม่ใช่ทําใจคือพยายามจะเอาชนะตรงนี้ให้ได้ค่ะพระอาจารย์อยากไปหาสถานที่ค่ะพระอาจารย์เพราะว่าที่บ้านมันมันก็ยังมันเหมือน <laughs> มันเหมือนยังไม่ไม่สงบก่อค่ะพระอาจารย์อยากอยู่คนเดียวค่ะดี ก็ถือว่าเป็นการลงทุนทางธรรมะไม่ต้องไม่ต so. ้องเสียหายก็เลยค่ะก็บอาจะหาเอ๊หาเหตุหาทําอะไรให้เราแบบว่าต้องต้องตัดสินใจให้ให้ไม่เคยไม่ให้เกิดความความเสียดายตรงนี้ค่ะพระอาจารย์ทํายังไงดีครับพระอาจารย์ถ้าไม่ใช้ตอนนี้ตายไปก็ไปไม่ได้คิดอย่างนี้ถ้าเอาถ้าใช้เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติธรรมนี้ก็ถือว่าคุ้มค่า ไปไว้เก็ไว้เฉยๆก็ไม่ได้ใช้อะไร่ได้ไปเข้าไปไม่ได้นอกจากว่าถ้านเราไม่เงินไม่พอใช้กับสิ่งที่จําเป็นแล้วก็ต้องตัดในการที่ไม่จําเป็นออกไปก่อนแต่ถ้าเรามีเงินเหลือพอที่จะไปใช้ในการปฏิบัติทำได้เกาไปอก็ไ ป, ไปไวัดก็ต้องจ่ายเงินไม่ใช่ไปอยู่วัดก็ต้องจ่ายค่าน้เข้าออไปก็เหมือนกันนะแต่มั น, ม น, เมนเหมือนกับคนละเหตุผล ก็านเดียวกันแหละนั่นหมายอ่านเดียวกันแหละมันก็ไปลว่าล้วก็ทําบุญจ่ายค่าน้ําค่าไฟค่าเบื่อน้าซ่อมแซมอะไรค่าใช้จ่ายเราไปอยู่ที่ไหนก็ต้องมีค่าใช้จ่ายถ้าเราคิดว่าถึงเราจะไปเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่เมฆเมฆก็หมายถึงว่าสถานที่คาบิกวิเว้เราได้ถึงว่าก็จ่ายค่าน้าค่าไฟจ่ายค่าความสะดวกค่ะพระอาจาย นอกจากว่าถ้าเราคิดว่าอยู่ที่บ้านของเราก็พอๆกันก็ไม่ต้องไปก็ได้มันคงยังไม่ได้เพราะมันต้องมีคือเหมือนเราจะแบบผ่าคือมันก็ยังแบบทํามีความสิ่งลบกวนใจคือเรายังตัดความหลงุดหงิดใจไม่ได้ค่ะอาจารย์ถ้าอยู่คนเดียวมันน่าจะได้มากกว่าถ้าไม่ได้เห็นอะไรไม่ได้ยินอะไรมันก็อาจจะไม่มีอะไรเข้ามาให้เราคุงแต่ง ก่าพระอาจารย์ก็เลยแยมจะไปไหนน้องดูสิไม่ต้องไปเสียใจหรอกก่าพระอาจารย์ยมจะยมจะจะทําตามครับพระอาจารย์ยมจะคิดคิดแบบนี้ใหม่แล้วก็คือต้องบางทีเราต้องทําเลยไม่เอาไาไย์ที่ก็าบอเมตตาตนหนึ่งให้เมตตาตนหอึ่งเนี้ยเมตตาแบบนี้นับคนเข้าใจครับค่ะ ในการซื้อของขวัญให้ตนเองคือ ท, ที่ที่ปฏิบัติธรรมนี่จ <laughs> อ้อทุก <laughs> ใชุไใ <laughs> <laughs> ช่เลยครับอาจารย์ซื้อของขวัญให้เัวเองซื้อของขวัญให้ตัวเอง <laughs> อจ่ายน <laughs> ะอาจารย์โอเคมีท่านนี้ <c oughs> ้ยค่ะมีท <c oughs> ่านี้ค่บอาจารย์ขอบคุณค่ะอย่างที่บอกนะลองทําให้มันเข้มขึ้นนะถ้ามันไม่ค่อนเข้มข้นมันก็อยู่เท่าเดิมนะถ้าอยากให้มันคืบหน้าก็ต้อง เดินเดินหลายๆลยชั่วโมงนั่งนาน น, านึกอดอาหารอะไรงน mm ้น hmm. ี่มันจะได้ mm hmm. มีอะไรมากระตุ้นสติปัญญาให้สู้กับกิเลสที่มันจะออกมาแล้วมาตรการแบบนี้มันเป็นการกระตุ้นให้กิเลสออกมาสแสดงตัว mm hmm. เราก็าจะองใช้สติใช้ปัญญาสู้กับมันทุกว่ามีปัญญาเกิด มาบามีขันบารมีบอกเกิดเนี่ย้ามีม า, มากระตุน้นมีความทุกข์มากระตุน้นเราก็จะได้อสร้างเอาบารมีงัดบารมีอ ง, งันสติงัดปัญญางันอะไรขึ้นมาสู้ออกมาถ้ามันสบายสบายมันก็ไม่มีอะไรที่เราที่ต้องงัดสติงัดปัญญาปฏิบัติมันก็ อยู่สบายๆมีแต่กิเลสมาร่ากับอาจารย์กิเลมันจะลุกโดนกิเลมลุกถ้าเราถ้าเราปฏิบัติเช่นก้นหนึ่งมันนั้นลุกลุกใสก่กิเลกกิเลต้องถอยขอะอาจารย์สาวทุกข์กับแดงเลยครับอาจารย์ยิงย่งยิ่พวกเราทุกคนก็ปฏิบัติอยู่ที่สุขที่สบายแต่ไม่ต้องไปแทนพระกูบาอาจารย์ท่านต้องไปอยู่ที่ทุกข์ยากลาบากในปานใ่าในเขา ไม่มีอะไรนอนกับดินกินกับทรายมันไปอยู่แบบนั้นนะมันอย่งนีเป็นการไปสร้างบา ร, รมีสร้างธรรมกันเราอยู่ที่สบายๆมันไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องแก้ไขไม่มีทุกข์มาให้เราต้องวุ่นวายใจแต่พอเราไปอยู่ในที่ที่มันสัง่งเกิดความวุ่นวายใจนี้เราก็ต้องใช้สติใช้ปัญญาอะไรบามาแล้ว นี่เราจะอยู่ไม่ได้ลองดูวลองอดทั้งวันดูก็ได้มื้อดียวันเดียวไม่ตายหรอกยี่บสี่ชั่วโมงครับบาอาจารย์ค่ะโยมจะรับปฏิบัติครับพระอาจารย์พระอาจารย์แนะนํามาถึงสอนเป็นครูบาอาจารย์โยมปฏิบัติตามครับบาอาจารย์ไอ้มากที่สุดบนมถนดียวเนี่ยเขาทําทีห้าวันหนึ่าอดห้าวันได้ครับอาจารย์ โยมก็แค่ถึงเพียงค่ะอาจารย์อันนี้อันนี้ไม่บางคํันงเพแต่ข้อเสนอนคะพรอาจารย์อย่าอย่าไปคิดว่าไม่บอกแล้วไม่ทำแล้วช้าว่าดื้อไม่ใช่ีอันนี้ไม่เกี่ยวเป็นเรื่องของการเสนอแนะแนวทางนั่นเราอยากจะลองเอาออปชันนี้หออปชันนี้คือเราต้องทำอะบ้างไม่ลองไม่รู้นะยองใหนถึงจะรู้ มันดีดี ก, กว่ะเมื่อก่อนาตอนที่เราปฏิบัติใหม่ๆเราก็ไม่เคยอดอาหารพอเห็นพระองค์ืลยเขาอดก็เลยต้องลองว่ะก็ ต, ติดใจแล้วก็ิเลถอยกลาวแล้วก็สติปัญญานี่มาเลยจิตใจนิ่งควบคุมจิตใจได้ง่ายกว่ากาตอนที่อยู่สบายสบาย พออยู่กับความทุกอย่ากบากนี่ ส, สติปัญญามันมีพลังมากขึ้นมันก็เลยทำให้ควบคุมกิเลสตัณหาควบคุมจิตใจได้ได้มากขึ้นนะลองทำดูนะถ้ามีโอกาสค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์แข็ที่ท่านต่อไปคุณยินดีอันนี้จาก U.S.A.South Carolina สวัสดีค่ะท่านอาจารย์อืแล้วก็เดวิดเข้ามากราบท่านอาจารย์ค่ะเนีอยู่ที่ไหนเอฝากมากราบตอนที่ทํางานอยู่ใช่ไหมค่ะค่ะเขาก็ก่อนที่จะไปเขาบอกนะคะว่าวันนี้วันพุธฝากกราบค่ะมาเลี้ค่ะแล้วท่านแล้วเขาก็บอกว่าบอลซงเต้ค่ะท่านอาจารย์ อ, อะไร วันส่องเทสุขภาพดีค่ะท่านอาจารย์ ข, ขอให้ท่านย์สุขภาพดูดีแข็งแรงแข็งแรงค่ะท่านอาจารย์หนึ่งวนเมื่อเชานี้เขาบอกน้องชายเตรียมรอดูนะวันนี้เดี๋ยวพี่เขาจะเข้ามาแล้วขอบพระคุณ<น>เป็นอย่างสูงเลยค่ะท่านอาจารย์เขาบอกเขาก็ดูแต่ก็ไม่ได้เข้ามาข้างในห้องเขาอยู่ดูอยู่ข้างนอกค่ะท่านอาจารย์ขอบพระคุณมากค่ะท่านอาจารย์ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยค่ะที่เมตตาน้องค่ะท่านอาจารย์ค่ะเค ค่ะตอนนี้นะค่ะขอบคุณค่ะคุณมาลีเป็นยังไงใส่หน้ากากอยู่คนเดียวไม่ใช่เลยได้อยู่หลายคนสองคนค่ะหลวงพ่อหนูยังต้องใส่อยู่ค่ะหลวงพ่ อ, อหลวงพ่อวันนี้หนูคำถามเองว่าก็ปัอดอยู่แต่ว่าช่วงไม่ไม่ครบค่ะพอบัดไปแล้วไอ้ร่างกายหนูมันไม่ำอำนวยปฏิบัติกาลังจะดีมันก็มี ไอเจียนอะไรเงี้ยค่ะบางคืนก็ก็ไออะไรเงี้ยค่ะแล้วพอเสร็จพอเหมือนแบบพอบรรเทาหนูก็กลับมาทําอีกแต่ว่ามันก็ได้ไม่ค่อยดีค่ะหลวงพ่อไม่เป็นไรก็ทำเท่าที่เราทําได้ไปค่ะแล้วแล้วมันก็เห็นกิเลส ข, ของตัวเองหลวงพ่อคือมันกินอาหารไม่ค่อยได้มันมันนึกถึงแต่อาหารที่แบบโอ้ยอยากโน่อนอยากนี่แต่แต่พอเอาเข้าจริงมันก็กินอะไรไม่ไม่ได้เงี้ยค่ะเห็น ความอยาของตัวเองตรงที่เราป่วยนะคะหลวงพ่อจะใช้อสุภาพใช้ปฏิบูลณ์ช่วยกันนึกถึงสภาพของอาหารหลังจากที่มันเข้าไปในปากแล้วเป็นยังไงค่ะหลวงพ่อคยออกมาถ้าใครมันออกมาดูไม่ น, น่ากินเลยก็ก็เห็นตอนที่ไปอาเจียนมันทําให้กลับมากินไม่ไม่ไม่ได้อนะไรอย่างนี้หลวงพ่ออดีแล้วก็อย่าไปเห็นมันจนกระทั่งกินไม่ลงตลอดมันก็ไม่ได้นะ ก็สั่งก็ค<ะ>ือแบบเหมือนแบเฉพาะตามเวลาเกิดความอยากเช่นั้งถ้าเวลาไม่ไมอยากก็ไม่ต้องไปนึกถึงอาเจียนเนื้อมันกินไม่ได้เลยค่ะหลวงพอ่อหนูก็ก็เลยช่วงนี้ก็เลยเหมือนปกครองปกครองให้ให้ให้มันดีก่อนนะคะหลวงพอ่อใช่ตอนนี้ท่านดูแลร่างกายไปก่อนใช่แล้วก็เพียงใอย่าไปวุ่นวายกับมันก็พอใช่แล้วก็อย่าไปทุบเดือด ร, ร้อนกับร่างกายค่ะมันจะหายไม่หายก็ช่างมัน ก็มีหน้าที่ดูแลก็ดูแลไปกินยาก็กินไปอะไรับภาวนาได้ก็ภาวนาไปภาวนาไม่ได้ก็จะเลิญสติไปค่ะหลวงพ่อพอดีอย่างบางคืนกําลังจะดีดีเงี้ยมันมันไม่เอานวยให้ให้หนูอหลวงพ่อมันก็เหมือนมันมาขวางขวางแต่ก็พยายามฝืนฝืนไปแต่บางทีมันตามได้ที่เราพยายามทํานู่าใช่ได้ค่ะหลวงพ่อ แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เห็นหมอเขาบอกว่าเขาจะให้หนูกลับบ้านนะคะเลวกพอดูก่อนครึ่งวันเขาบอกว่าน่าจะกลับได้ะค่ะแสดงว่าอาการดีขึ้นแล้วนะค่ะอาการไข้ลดลงไหมใช่ค่ะมันไม่มีไข้อะไรเงี้ยค่ะเขาบอกว่าน่าจะกลับได้ ค, ะค่ะค่ะหลวงพ่อการฉีดยามันก็ช่วยได้ช่วยให้ไม่เป็นอะไรมาก ค่ะคิดว่าน่าจะมีส่วนด้วยค่ะอาจถ้าไม่ได้ฉีดอาจจะลงไปที่ปอดก็ได้อะไรอย่างตอนนี้อาจจะต้องใช้เครื่องหายใจอะไรหน่อยค่ะหลวงพ่ อ, อตอนนี้หนูก็รู้สึกว่าเหมือนค่อยดีขึ้นมาบ้างค่ะหลวงพ่อแล้มาอยู่ได้กี่วันแล้วอ่ะที่ทพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะครบสิบสี่วันนะคะสิบสีแล้วก็ออกยาโอเคแล้วกลวับบ้านได้นะ ค่ะหลพ่อกลับบ้านได้ก็อยู่ตามาปกติได้อะไรเงี้ยไม่ต้องไปแยกตัวไม่ต้องไปขับตัวอะไเงี้ก็เห็นเหมือนเหมือนหมอแจ้งว่าให้ให้ให้ดูตัวเองไปด้วยค่ะอีกสิบสี่วันยังไม่ให้ยังไม่ได้ให้ไปทํางานนะคะหลวงพคือเขาเขาก็บอกว่าต้องต้องดูไปด้วยค่ะและอีกอย่างหนึ่งเหมือนก็ยังกลัวว่ากลัวคนอื่นอะ่ะเขายังมองว่าหายไม่สนิทอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอือ ต้องต้องดูไปก่อนช่วงหนึ่งนะคะแต่ว่าหนูก็ไม่ได้มีอาการที่มันรุนแรงหรืออะไรเงี้ยค่ะโอเคมาทำตามเมาะสั่งเมอไหรวา่ามาทำตามค่ะค่ะวันนี้หนูก็ไม่ไม่มีคําถามเพียงแต่ว่ามีเห็นกิเลส ข, ของตัวเองอะความอยากมันมันเกิดขึ้นมาช่วงที่เรากินอะไรไม่ได้เนี้นค่ะของความอยากปฏิบัติมันก็เป็นกิเลสได้เหมือนกันนะถ้ามันปฏิบัติไม่ได้ ต้องลดความอยากงปฏิบัติเท่าที่เราจะปฏิบัติได้งถ้าอยากปฏิบัตินี่มันก็ถือว่าเป็นกิเลสหรอคะหรงไม่ถ้าอยากปฏิบัติแล้วปฏิบัติไม่ได้เป็นกิเลส แ, แต่ถ้าแต่ <S <S ถ้าปฏิบัติได้แล้วอยากปฏิบัตินี้ไม่เป็นกิเลสเพราะมันได้มันไม่ทุกเนี่ยแต่พออยากปฏิบัติแล้วหรือปฏิบัติแล้วอยากได้ผลเนี่าที่เล่าให้ฟังว่าพอจะได้ผลก็เกิดอัจฉริยะอะไรขึ้นมาอีก ค่ก็ต้องก็ต้องยอมรับไปอย่าไปอย่าไปอยากได้ถึงว่ามันยังไม่ได้ก็ไม่ไม่เป็นไรอย่าไปทุ่มกำลันค่ะหนูก็เลยคือมันแย่เวลามันเป็นขึ้นมามันก็แย่มันก็คือมันไม่ไหวหนูก็เลยต้องต้องหยุดไปก่อนนะคะหลวงพ่ออแล้วพอค่อยดีขึ้นก็เอาไหมอย่างเงี้ยค่ะได้ได้ก็พักก่อนเหมนพักร่างกายร่างกายมันไม่พอมค่ะหลวงพ่อ โอเคนะค่ะขอบพระคุณของพ่อคะอ่ะคุณน้องจากบอวินเป็นยังไงมีอะไรไหมนกกา้ามัสกรค่ะพระอาจารย์ไม่มีคำถามค่ะงาที่นี้ไม่ได้มาใส่บาทใช่ไหมปไปยังไงไม่มาแไปไปวันพุธวันพ่ อ, อแล้วอะคะอ่ะค่ะ <laughs> แล้วพอดีวันเสาร์ไปทํางานชดเชยก็เลยยืมแค่วันอาทิตย์ก็เลยไม่ได้ไปค่ะอาจารย์แต่ว่าที่นีไปค่ะหาวันเสาร์ค่ะค่ะไปกับชามใช้ไหมค่ะก็ปฏิบัติเอ่อเป็นมือสมัครเล่นอยู่ค่ะอาจารย์ไม่ยังดีต้องเป็นเป็นเมือสมัครเล่นไปก่อนแล้วเดี๋ยวให้ปรับดูเป็นมืออาชีพต่อไปค่ะซ้อมเตรียมตัวไว้ค่ะ คุณมนุษนันนะคุณมนุษนันแชญปลดไมก่อนอยู่ที่ไหนหนูอยู่ปทุมค่ ะ, ะมีคำถามไหมไม่มีค่ะขึ้นท้อมาดูนะขึ้นข้างล่างเหรอค่ะโอเคงั้ก็ดูต่อไปแล้ ว, ลวกันนะถ้าอยากะจะถามอะไรค่อยถามทีหลังก็ได้ค่ะสากเพิ่ค่ะ เป็นวิริยะวิริยะวิริยะค่ันมาสการ์ค่ะพระอาจารย์อยู่ที่ไหนออสเตรเลียค่ะออสเตรเลียเมืองอะไรอ่าอยู่ซิดนีย์ค่ะล็อกดาวน์อยู่เหมือนกันใช่ไหตอนนี้ล็อกดาวน์ค่ะซิดก็เลยถือสินอ่มาแปดวันแล้วค่ะก็ทำตามอย่างที่หลวงพ่อแนะนำค่ะว่าให้เจริญสติแล้วก็อ่ นั่งสมาธิก็ให้อยู่กับพุทโธพุทโธค่ะดีมากค่ะอ่าเนยค่ะก็ทำเรื่อยๆทำจนกระทั่งมันติดเป็นนิสัยได้ยินดีต่อไปจะได้อ่าเมที่สร้างความสุขให้กับเราโดยที่ไม่ต้องไปหาความสุขจากใครค่ะก็พยายามปฏิบัติทำอ่าทุกวันพระค่ะแต่ว่าตอนนี้ล็อกดาวแบบยาวเลยก็เลยปฏิบัติอยู่ที่บ้านค่ะ ก็เรียว่าคลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเนี่ยใช่ค่ะก็ไม่ได้ออกไปไหนเลยค่ะเพราะว่าที่เขาทำในล็อกดาวน์ก็คงจะไม่ได้อยู่บ้านพอไม่ล็อกดาวน์ก็มีธุระปักปังไปนู่นมานี่นค่ะพอล็อกดาวน์ก็ที่นี่ล็อกดาวนานเลยค่ะก็กว่าจะสิ้นเดือนเลยมั้งค่ะใช่ค่ะเป็นการที่มคนไทยก็เหมือนกับล็อกดาวน์ก็เลยปฏิบัติทำเลยค่ะ มีคำถามอะ ไ, ไหมอ่ไม่มีค่ะก็เข้ามากับหลวงพ่อแล้วก็จะบอกว่าตั้งใจปฏิบัติค่ ะ, ะตามที่หลวงพ่อบอกคขาที่แล้วพยายามปฏิบัติไปเรื่อยๆนะหยุดไม่ได้นะอาจจะทํานได้มากแต่อย่าอย่าเลิกนะค่ะอคขอบคุณโอเคสาธุคนวางได้จึงเบาสุขุไทรเลยใช่ไหม เจ้าค่ะศาสต ร, ระอาจารย์เจ้าค่ะโยมสุโธไทยเจ้าค่ะมีอะไรไหมวันนี้วันนี้ไม่มีอะไรเจ้าค่ะโยมเข้ามาฟังธรรมเจ้าค okay. ่ะอาจารย์เชิญ ด, ดาชนะ ด, ดาเชิญพิชชนะดาเปไมค์ป็นไหมเปิไมคก่อนนัสกสการเจ้าค่ะค่ะผาจารย์พรุ่งนี้ไก่ พรุ่งนี้ไก่ผัดกระชายนะคะออจากสมุดปากกาค่ะพรุ่งนี้ไก่ผัดกระชายค่ะได้ขยอย่ย้ายได้แล้วหอได้อ๋อยันไกลับมาเทกาลกันอ๋อเมื่อกี้ไม่ได้อ๋อเดี๋ยวเปิดได้ละนี่ได้ละนี้ไม่มีให้ให้พี่เขาก่อนนะคะงานนี้นะเดี๋ยวกลับไปที่พี่กขาตัดมนอะไรไม่ดีนี้ ก็ดีกับพ่อไหมลูกคุณวิรัยพรนะคุณวิรัยพรอยู่ได้หรืออยู่ค่ะได้ค่ะได้ยินไหมได้ได้ยินไหมคะได้ยินแล้วได้ยินแล้วกับนรมาสการหลวงพ่อค่ะเอันนี้ลูกเคยค่ะอยู่ที่ไหนกรุงเทพค่ะพระอาจารย์เพิ่งเข้ามาครั้งแากเหรอเพิ่งเข้ามาครา้งแรกค่ะเคยไปกราบพระอาจารย์ที่วัดอะค่ะวันนั้นพาพาคุณพ่อไปอ่ะค่ะ มีค ำ, ำถามอะไรบ้างก็ฟังฟังฟังฟังคําสอนของพระอาจารย์ตลอดอ่ะคะ่ะแล้วก็<ม>ก็ตอนนี้ก็ทําทํามาตลอดแต่ตอนที่นั่งนั่งสมาธิอะค่ะพระอาจารย์ก็มันมันมีความรู้สึกพอพอพอพอพอผนุดูลมอะนะคะพอดูลมไปแล้วเหมือนกับว่าเราเราหลุดอะค่ะพระอาจารย์พอเราหลุดปุ๊บเนี่ยเหมือนกับเราไปอยู่กับที่มิตแล้วพอเราไปมิตรสักพักนึงอะคะ่ะ มันกลายเป็นเราแบบขาดอากาศหายใจเหมือนคนใกล้ตายอะค่ะพระอาจารย์มันคือแบบมันจิตมันแสดงอาการมาหลอกเราไม่ต้ําไปกลัวค่ะแล้วพอฝ้้มันขาดหายใจไปขาดแล้วในในในขณะที่เรากําลังแบบว่าตื่นระนบกับกับการตกใจที่ว่าเรากําลังจะขาดอากาศหายใจอะค่ะพระอาจารย์ดูดีๆก็มีเหมือนกันมีลำลำแสงสีขาวอะค่ะพุ่งมาฝ่ามือซ้ายฝ่ามือขวาแล้วก็ ตัวตัวโยมก็ไม่ไม่สามารถขยุกขยิกได้เลยแล้วพอเสร็จแล้วสักพักนึงก็เสียงข้างนอกมันก็ฟึบพอฟึบมาเสียงข้างนอกเขาจะดับหมดเลยค่ะพระอาจารย์แต่แต่ว่านา น, า, นาทีนั้นนโยมมีมความรู้สึกว่าโยมกลัวมากแล้วโยมก็วิ่งเตลิดอยู่ในอยู่ในสมาธิค่ะพระอาจารย์เพราะว่ากลัวว่าเราจะติดอยู่แล้วในขณะที่ที่โยมวิ่งอยู่อะค่ะโยมก็ได้เสียงได้ได้ยินเสียงพระอาจารย์บอกว่าหยุดวิ่งเราให้กลับมา พุทโธแล้วก็ดูลมแล้วพอแล้วพอยมพอโยมหยุดวิ่งแล้วแล้วโยมกลับมาพุทโธแล้วความรู้สึกทุกอย่างกลับเข้ามาค่ะพระอาจารย์แล้วก็เสียงข้างนอกก็เข้ามาแล้วโยมก็ตื่นจากสมาธิทําไมมันมีอาการเหมือนกับคนที่ใกล้ตายค่ะพระอาจารย์จิตเวลามันจะปล่อยร่างกายก็มีอาการต่างๆแล้วเนี่ยเหมือนกับมันจะตายไม่ต้องกลัวมันเป็นอาการของของจิตเวลามันจะแยกออกจากร่างกายมันก็จะเป็นอย่างนี้ ถ้าเราสามารถราาประคับประครองสติได้โดยที่ไม่ต้องพูดโทไม่ต้องดูลองก็ให้ลู้ยเฉยๆไปก็ได้ไม่ต้องไปกรัวมันดูหนังผีเรือหนังอะไรไปดูไปไม่เป็นไรครับค่ะพระอาจารย์อันนั้นเป็นการเป็นการปฏิบัติซึ่งครั้งที่สองแล้วก็เจอนิธีมก็ตกใจมากเลยอ พ, พ, พ, พยายามใช้สติแล้วมันจะไม่ตกใจ พระอาจารย์คะอย่างนี้ยอ ม, มยมรู้เลยว่าคนที่ใกล้จะตายอะค่ะพระอาจารย์อากา ร, ารมันทรมานของการขาดอากาศหายใจเป็นยังไงแล้วเวลาถ้าเราจะตายจริงๆอะค่ะพระอาจารย์เราก็ต้องตกใจกับกลัวอยู่ในการขาดอากาศหายใจแล้วนี้เราจะไม่มีเวลานึกถึงค่ะเพราะฉะนั้นว่าเราจะทําดีทําทําอะไรมาใช่ไหมคะพระอ า, าะจารย์ช่วงนั้นไม่จําเป็นต้องไปแล้วแตช น, นั้นรักษาใจให้หนีไเฉย อ, อย่างเดียวออไม่ไปเต้นเต้นตกใจ มันจะขาดใจก็ปล่อยมันขาดใจไปมันจะไม่หายใจก็ปล่อยมันไม่หายใจไป<ะ>ล้วใจก็จะเนี่ยงสงบแล้วก็จะไปสบายค<ะ>นดีชั่วที่เราทำมาไม่ต้องไปนึกถึงมันละมันอยู่ในบัญชีใจเราลว อาจารยค่ะพระอาจารย์ค่ะค่ะพระอาจารย์แล้วอย่างอย่างทุกวันเนี้โยมจะมีความรู้สึกได้ถึงการรับรู้การเต้นของของหัวใจตลอดค่ะเนี่ยเวลาโยมนั่งนั่งสมาธิโยมโยมพุทโธใช่ไหมคะพอโยมพุทโธเสร็จแล้วโยมโยมก็ดูลมแต่ในขณะเดียวกันนะคะโยมก็รับรู้ถึงจังหวะของการเต้นหัวใจอย่างนี้เราเราก็ต้องรับรู้ดูไม่ต้องไปสนใจไม่ได้องไปสนใจให้ให้อยู่กับลมไปอยู่กับพุทโธไปค่ะค่ะทุกอย่าง อย่าไปสนใจอะไรกับทุกสิ่งทุกอย่างให้สนใจอยู่กับอารมณ์ที่เราใช้ทําใจให้สงบค่ะทุกวันนี้ก็สวดมนต์ก่อนนอะนแล้วก็ฟังคําสอนพระอาจารย์ตลอดเลยค่ะ ค, ค่ะแล้วก็อีกคําถามหนึ่งนะคะสมมุติว่าถ้าเรากําลังที่จะทําไร่อะคะ่ะทําแล้วมันต้องมีการไถไถหน้าดินปรับหน้าดินอย่างเงี้ยคะ่ะพระอาจารย์แล้วก็ในการที่เราเรียกรถไถมาอืมันสัตว์ที่อยู่ตรงดินอันนั้นจะบาดไหมคะ มันก็บาปแต่ก็บางทีก็ต้องยอมรับสภาพของเราไปก่อนแล้วอย่างนี้เราทําไงพระอาจารย์มาตั้งยี่สิบกวไร่เงี้ยค่ะถ้าเราจะปรับหน้าดินมันต้องไถขุดบ่อสร้างนู่นนี้นั่นแล้วก็ดินมันเป็นดินบ่เราต้องกลัวบาปตรงเนี้ยค่ะพระอาจารย์ยอมยอมรับกรรมไปทำไงทำไงอะเหรอคะพระอาจารย์แล้วอย่านี้ทำไงเพราะทุกวันนี้โยมไม่ไม่เคยพระัตว์เลยก็ต่างบุญเยอะๆก็แล้วกัน แล้วถ้าเราต้องการทําที่ตรงนั้นนะคะพระอาจารย์ให้วันหนึ่งคือมีความคิดว่าเราอยากให้คนเหมือนกับว่าได้มาปฏิบัติได้มาได้มาผ่อนคลายได้มาศึกษาธรรมตรงนี้ไปด้วยนะคะพระอาจารย์นนก็เป็นอันนั้นก็เป็นบันมันก็มัน ก, นก็บางทีในชีวิตเนี่ยมันบางทีทําอะไรมันก็มีผลกระทบกับผู้อื่นมันอานจะทําให้เกิดเป็นการกระทําบาปขึ้นมา นั่นแหละค่ะพระอาจารย์บวชอยู่ก็อยู่ที่เราต้องชั่งน้ําหนักด้วยว่ามันคุ้มไหมล่ะคุ้มกับคุ้มกับประโยชน์ที่เราจะได้รับหรือเปล่าคุ้มกับคุ้มที่เราจะได้รับหรือเปล่าถ้าคุ้มก็ทำไปถ้าไม่คุ้มก็อย่าไปทํามันไปบวสใชคิดคือตอนที่ซื้อที่อะค่ะพระอาจารย์ยิงโยมยมก็ไม่ได้ที่ถึงตรงนี้แต่พอพอยม กำลังจะทำก็มีคนทักมาพอมีคนทักมาโยมก็เลยสิดเววาเอ๊ะอย่างนี้มันมันก็จริงอะค่ะพระอาจารย์คือความจริงถ้าเราไม่ได้ทำเองเราเราไม่ไปสั่งเขาแต่เราสั่งให้เขาปรับหน้าดินนะคะพระอาจารย์เราเราต้องหาาข้เรียกุสโลบายพูดแบบไม่สั่งได้ไหมปรึกษาเขาได้หมว่าเออมีที่นี้จะปรับที่ไม่รู้จะทำยังไงดี ถ้าก็อาสาถ้าเขาอาสาผมจะทําให้แต่ผมจะคิดเงินแค่โอเคก็อย่างนี้ไม่บาปอย่างนี้ไม่ได้สั่งก่อนพระเวลาจะสร้างกุฏิก็ยังต้องญาญโยไปขุดดินนลยอ่าใช่ญาญโยเขารู้ว่าพระขุดินไม่ได้ใช่ไหมญาญโยเขาก็อาสาสมัครเดี๋ยวผมทําให้เพราะเขาก็ทำของเขาอยู่เป็นปกติแล้วทําได้ไถนาของเขาอยู่เป็นปกติแล้วเป็นแต่พระสั่งไม่ได้โยมช่วยขุด กดดินให้หน่อยนี้บอกไม่ได้แต่บอกได้ว่ากำลังอยากจะสร้างโบติเนี้ยต้องต้องต้องปักเสาลงดินอะไรเงี้ยก็บอกอย่างนั้นเดี๋ยวผมจัดการให้ในบางทีต้นไม้มันขวางขวางที่ผ้าเอ็นตัดไม่ได้ก็บอกยอมว่าให้รู้แล้วยอมเขาก็บอกเขรู้ว่าเป็นปัญหาเขาก็อาสาสมัครทําให้เองอย่างนี้อย่างนี้ไม่บาปถ้าเราไม่ไปสั่งเขาหรือถ้าเราพูดถ้าล้วถ้าเขา ก็ไม่ทําก็ก็เรื่องของเขาไปอืแต่เราไม่ได้สั่งเขานแต่ถ้าแต่ถ้าเขาอยากจะได้บุญก็อาสาว่าเออผมทําให้ไม่เป็นไรหรอกผมทำเพราะผมทําอยู่ในประจำอยู่แล้วอ๋อค่ะพระอาจารย์ <laughs> ขอบคุณค่ะพราะตอนแรกก็ไม่ไม่เคยมีความคิดตรงนี้เลยแต่พอมีอมพอมีเพื่อนมาทักเราก็เออมันก็จริงก็เลยเป็นการที่คาใจมาตลอดเลยค่ะพระอาจารย์ อถ้าไม่อยากจะทําบาปก็คือบาปเกิดขึ้นจากการกระทําเองก็ดีเลยสั่งให้ไปเลยว่าทาให้เราไปนี่อันนี้ก็ถือว่าบาปเลยนทั้งสองอ ย, าอย่างถ้าเราหลีกเลี่ยงการสั่งได้ก็ไม่บาปค่ะพระอาจารย์กลับขอบคุณค่ะอาจพระอาจารย์อพระอาจารย์เมตตาโปรดย้าจมากเลยค่ะเห็นพระอาจารย์รับบิณฑบาต ท, ทุกวันเลยโยมเป็นห่วงสุขภาพพระอาจารย์นะคะ เพราะตอนนี้โรคระบาดแรงมากมเลยค่ะอาจารย์มันก็เป็นกิ จ, จวัตรเนี่ยไม่ไม่เป็นระบาดมันก็ไม่มีกินนะอย่าให้อย่าให้ตายเพราะควิดไม่ตายพระอรื่นเลยค่ะพระอาจารย์ดีใจมากเลยค่ะได้คุยกับพระอาจารย์ไม่ไม่น่าทากังวนหลหรอกว่ามันมาทางอากาศเราใส่หน้ากากมันก็เข้ามาไม่ได้คนใส่หน้ากขาก็ใส่ทุกคนก็เอาใส่ใส่หน้ากากกันด้วค่ะพระอาจารย์ค่ะค่ะ ถ้ามันเข้ามาก็ไม่เป็นไรเพราะมีมัลติซีนอยู่อีกชั้นหนึ่งเลยค่ะพระอาจารย์ค่ะโอกาสที่จะป่วยหนักคงจะไม่มีค่ะค่ะเนือนก็ไม่ต้องกังวลหรอกแล้วก็พิจารณารับเห็นว่ามันมันไม่ถึงเขียดที่ต้องไปหวาดกลัวนในขณะไม่กล้าไปทําอะไรเลยค่ะมันเป็นหน้าที่เป็นสามีจีกรรมเป็นกิจของสงฆ์ค่ะพระอาจารย์เหมือก ทำไปแต่วัดอื่ น, ออนก็อยู่จันหมดนั้นเลยใช่ค่ะที่กรุงเทพก็หยุดค่ะเนือตอนนี้ที่ไปเป็นสมบายธรรมดาที่สายนี่ที่เราเป็นนี่มีห้าหกวัดอันนี้เหลือแค่สองวัดค่ะพระอาจารย์ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องนานาจิตตานะค่ะพระอาจารย์ค่ะแต่เราก็ตรงแล้วแหละก็พร้อมนกันถ้ามันจะเป็นก็กต้องเป็นทำไมล่ะค่ะค่ะแต่เข้าพยายามป้องกัน ให้ดีที่สุดพยายามใส่หน้ากากค่ะพระอาจารย์ค่ตลอดเวลาเวลาถ้าถ้าอยู่กับคนอื่นนี่ต้องใส่หน้ากากตลอดเลยนะค่ะยังเว้นตอนี้อยู่คนเดียวในห้องนี้ก็ไม่ต้องใส่ค่ะค่ะพระอาจารย์ค่ะกับพระอาจารย์ค่ะโอเคสาธุสาธุสาธุในในที่ห่วงใยกันทุกท่านนะไม่ต้องกังวลนะอันนี้ค่ะพิจารณาอยู่แล้วว่ามันยังไปได้อยู่ยังพอ คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรค่ะพรอจย์อีกอีกนิดหนึ่งค่ะอย่างนี้ที่โยมนั่งสมาธิโยมก็นั่งถูกทางแล้วใช่ไหมคะก็ต้องนั่งะ<ม> แ, <ต>แต่ต้องมีสติไม่สติถ้าดูลมได้ก็ดูลมพูดโธได้ก็พูดโธอย่าให้จิตมีปฏิปฏิกริยากับอะไรต่างๆไม่ต้องใช่ไหมค่้ดูเฉยๆ เขายมรู้เลยว่าความความกลัวสุดขีดความตกใจสุดขีดเป็นยังไงมันควบคุมตัวเองไม่ไม่สามารถควบคุมได้เลยพระอาจารย์อต้องต้องคุมให้ได้ต้องคุมให้อยู่ต้องให้เฉยให้ได้ไม่ว่าอะไรจะปรากดขึ้นมานะค่ะมันจะน่ากลัวน่าหวาดเสียวไงถ้ามันเป็นมายาทั้งนั้นเป็นเป็นเหมือนดูภาพยนตร์ค่ะพระอาจารย์มันมันทำํนทำลายจิตใจของเราไม่ได้ค่ะมต้องแัแบบขอบพระคุณค่ ะ, คะ มันจะมันจะยิงเราก็าปั่นมันยิงเลยมันจะปั่นเราก็าปั่นฟันไปเลยได้รันจะยกเราขึ้นมาทุ่มลงไปเดินก็วปวันค่ะพ่อจานค่ะมันเป็นมายามันเป็นคนของของจิตนะไม่กลัวนะได้ค่ ะ, ะค่ะกลับขอบพระคุณค่ะพ่อจารนคุณะน้นดากลัมาใหมค่ค่ะคุณชนะดาเมื่อกี้พูดไม่จบต่อ แบผู้นี้อะไรผัดไก่นะ้วผ่ดไก่ผัดกระชายค่ะส่งเมนูมาก่อนเลยนะเออตอนนี้มัไม่สว่างกินไม่ได้นะค่ะอาจารย์หนูญาติถามอาจจะต่อจากพี่เขานะคะอาจจะเป็นเรื่องที่ต่อตรงนั้นในในค่ะ ทีนี้ในพอดีว่าหนูก็เลยคิดว่าถ้าสมมติว่าในกรณีถ้าวัดออเจะต้องการสร้างอะไรหรือว่าเอที่จะต้องขุดต้นไม้นั้นทิ้งเราพระทําทไม่ได้เพราะมันจะไปสมมุติว่าอาจจะไปกระทบอะไร<ม>แล้วทําให้เกิดบาปขึ้นมาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะมแล้วก็มีผู้อาสาเนี่ยมาทําให้ใช่ไหมคะพอผู้อาสามาทําให้เนี่ยแม้ว่าเอคือพระเนี่ยไม่บาปแล้วแต่ทีนี้เนี่ยในขณะที่ทํามันเกิดกุศลเพื่อวัดถูกไหมคะ มันก็จะมีอนิสงของของบุญใช่ไหมคะพระอาจารย์อนิสงนี้อาจอาอาจะช่วยอาจจะช่วยเอเขาเรียกว่าอะไรนะบรรเทางบันเทกามที่เกิดขึ้นคือมันไม่ลบล้างกันแต่ว่าค่ะอันให้วัดทีนี้ถ้าสมมุติว่าเป็นที่หนูเองเป็นที่โยมเองแล้วโยมแบบว่าอยากจะทําไล่อะไรแบบนี้เราไปขุดเอ่อเราไม่ขุดเพราะว่าหนูแต่มันต้องขุดเราไม่เราไม่ขุดเพราะเรากลัวกรรม ้เราส่งให้คนอื่นที่ที่เขามาทําแทนเราเนี้ยแล้วคนคนนั้นน่ะเขารู้เท่าไม่ถึงการอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็มันก็จะเป็นกรรมที่ไปติดตัวเขาแล้วเขาก็อาจจะไม่ได้มีโอกาสทําบุญเพื่อที่จะช่วยตรงนี้เนี่ยช่วยที่จะลดตรงนี้เนี่ยนะคะถ้าสมมติว่าถ้าเป็นทางออกของหนูเนี่ยของโยมเนี่ยนะคะโยมอาจจะแบบว่าคือยอมที่จะเลยเพราะว่า จริงๆก็วัตถุประสงค์ของเราอยู่แล้วอะค่ะพระอาจารย์ที่เราจะให้มันเกิดขึ้นตรงนี้เหมือนเราก็รับผิดชอบไปเลยกรรมตรงนี้ที่มันจะเกิดขึ้นแต่เพราะว่าเรารู้วิธีว่าเดี๋ยวเราก็ทําบุญเยอะๆแล้วไปแผ่ให้อะไรตรงนี้ก็ยังรู้สึกว่าสบายใจกว่าไหมคะพระอาจารย์ว่าที่แบบเราจะเลี้ยงแล้วคนอื่นมารับไปแล้วคนคนนั้นเขาก็ไม่รู้ตัวว่าเขาไปสร้างกรรมแล้วโอกาสที่เขาจะสร้างบุญเพื่อจะลดละตรงเนี้ อันนี้อันนี้หนูคิดของหนูเองนะคะไม่แน่ใจว่าถ้าเป็นทางเนี้ยมันจะเหมาะสมไหมอะคะ่ะมันเพราะว่าเรารู้ทั้งรู้อะไรเงี้ยค่ะคือถ้าเขาเป็นทําอย่างนี้เป็นปกติมาแล้วแล้ว เ, เข้ามาทําเพิ่มอย่างนี้ก็มันก็เป็นเป็นเรื่องปกติของเขาเน่ยยังมีชานาชาวไร่ต้องเยอะแยะที่เขาทำมันกินมันก็อยู่ทุกวั น, นใช่ไหมทาเองแล้วถ้าเกิดเรามีที่เราบอกว่าอะจะมาเช่าที่ไหมจะให้เช่า เรามาทำอย่างนี้ก็เขาก็ทําเขาก็ยินดีทําอันนี้ก็เราไม่ได้ไปสั่งเขาอะแต่ถ้าเราคิดว่าไม่อยากจะโยนบาปให้คนอื่นเขาไม่ต้องทําอะไรไมันวางไว้เฉยๆก็แล้วไปเราก็ไม่ต้องทําด้วยอ่าไปโยนบาปให้ไม่โยนบาปให้คนอื่นแล้วกลับมาโยนบาปให้ตัวเองมันก็โง่อะไรเงี้ยยิย่งโง่ใหญ่หถ้าเกิด น, นอกจากไม่จำเก็ต้อ <ละ S 2> งเ <ละ S 2> ยอะๆนอกจากไม่จำเป็นเ <ละ S 2> ยอะ นอกจากมันจะเป็นก็นั้นแหละจะทํามันยุ่งไงมันก็ยังมันก็ยังเป็นบาปมันก็ลบล้างบาปัวนี้ไม่ได้ถ้าถ้าจะไม่ทํำเลยก็ไม่ดีบว่าอย่างเงี้ยเปลี่ยนอาชีพเลยไม่ดีบกว่าถ้าถ้าลองถามออปชันมันก็มีหลายออปชันเนี่ยมันจะพูดเอาคุณอยากออปชันไหนล่ะมันก็ออปชันอย่างอาทำบาปเองหรือไม่ทํำบาปเลยเนี่ยมันก็หรือให้คนอื่นทํำบาปให้เรามันก็มีหลายออปชันตั้งแต่เราวลือกต่ สบายอย่างไหนก็เอาอย่างนั้นก็แล้วกันเนี่ยคำตามเร็นี้เราไม่ค่อยอยากจะตอบเพรเป็นคําถามที่ตัวเอจ้าของด้วยจะต้องเลือกตอบตัวเองอืมค่ะอืมก็คือไม่มีอะไรคือที่ดีที่สุดไม่ทําเลย<ช>ไม่ทําเลยออนั<ม>้นเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องเกิดกรรมอะไรได้<ช>ไปทําอะไรอื่นเนี้น<ร>ยมันจะอ้าง ว, ว่าอย่างเงี้ยวันเดี๋ยวเราไปทําบุญเดี๋ยววันนี้ครับธุ์ันเข้าใจ เดี๋วเาเดี๋ยวเราไปทำบุญหนูเข้าใจมันก็ไม่ไม่ไม่ไมเพราะว่าเพราะว่าใครใครฆกก่ามันก็ไม่ดีอ่าค่ะโอเคหนูเข้าใจในจุดเนี้ยค่ะทีนี้หนูถามเออยอมถามว่าเอ่อแล้วถ้าปกติเราทําบุญอยู่เรื่อยแต่นี้พิธีกรรมทางศาสนาวันวันวันบุญวันพระอะไรแล้วแล้วเราไม่ค่อยได้ไปร่วมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ บุญธรรมมันไหนก็ได้เท่ากันเท่ากันบุญธรรมมไหนก็ได้เท่ากันถ้าปริมาณทําเท่ากันทำร้อยบาททำมันไหนก็ได้ร้อยบาทหมือนกันมันไม่ได้ไม่หมายถึงว่าทํามันทำร้อยบาทวันธรรมดาได้ได้เก้าสิบทำมันพรได้สองร้อยมันไม่ใช่ครับมันได้เท่ากันค่ะทําทำร้อยบาทวันธรรมดาก็ได้ร้อยบาททํามันทํา้อยบาทวันพระมันก็ได้ร้อยบาทเหมือนกัน ค่ะของยมปติตรงที่ว่าแบบพอถ้ารู้สึกคนไปเยอะๆอย่างี้ยมจะไม่ค่อยอยากไปอะไรตรงนั้นนะคะพระอาจารย์ก็ไม่เป็นปัญหาก็อย่างที่บอกมันไม่ได้อยู่ที่ไม่ไม่เป็นปัญหามันอยู่ที่ปริมาณที่เราทําอ่าเออไม่ได้ไม่ได้ไปร่วมประเพณีอะไรกับเขาเลยอะไรอย่งนี้ยค่ะพระอาจารย์ก็ไม่เห็นเดนก็ไม่ได้อะไรทางไหนใช่ค่ะใช่มันมันทําได้หลายวิธีไม่ทําได้หลายแบบค่ะก็ไม่ได้ตกล่น ไม่เท่ากันก็ไปที่ <ไป S 1> อยู่ที่ปริมาณ ท, ท, ที่เราทําต่างกันตรงที่ปริมาณทําน้อยก็ได้น้อยทามากก็ได้มากค่ะทีนี้ยมถามเรื่องของอสุภานะคะคือยมไม่ได้เป็นคนพิจนะารณาอสุภะเท่าไหร่นะคะที่เออแล้วมันมีในใ น, ในที่ที่เออ มันฝันว่าตัวเองอ่ะหลุดออกมาจากล่างแล้วพคือลอยอยู่ข้างบนแล้วก็มองลงมาเห็นตัวเองอ่ะเป็นตุ่มพุพองไปหมดแล้วรู้สึกรังเกียจล่างตัวเองเลยค่ะว่าแบบเอ อ, เ อ, อล่างมันไม่น่าอยู่อีกแล้วเราไม่อยากเข้ามาอยู่ในล่างอีกแล้วในความรู้สึกตรงนั้นนะคะอาจารย์ไม่ไแน่ใจว่าตรงนี้มันเออมันใช่เชิงเดียวกับอสุภะมหรือ เ, เปล่าคะไม่ถูกหรอกที่พจารณาสุภแล้ว <ๆ S 2> ก็ต้องการพิจารณาคนที่เราไปหลงรักต่างหารเราหลงรักคนไหนเห็นเขาสวยเขาเห็นทขาหลอกก็พิจารณาให้เห็นว่าไ ม, ไม่ไม่สวยไม่หล่ออย่างที่เราคิดนถ้าเราได้ตัดตัดความรักในตัวเขาได้การพิจารณาสุภาพมันอยู่ตรงนี้ว <c oughs> ่า <c oughs> เรารักใครก็พ่อเราไปเห็นนี้เขาเขารูปร่างสวยงามหน้าตาสวยงามหล่อแล้วเราก็อยากจะได้เขามาเป็นแฟน <c oughs> ใช่ไหม เราก็ต้องดูวัตสุภาพของเขาดูประดูของเขาดูตับไตไส้พุงอะไรของเขาเนี่คือหน้าที่ของวัสุภาพเพื่อดับความความกำหนัดยินดีความอยากจะเสพกางร่วมเสพกางกับผู้อไม่ได้มาพิจารณาตัวร่างกายของเราร่างกายของคนคนที่เราไปหลงรักนั่นต่า ส่วนร่างกายของเราก็เพียงแต่พิจารณาถ้าเราหลงร่างตัวเราร่างกายเราเราขึ้มาพิจารณาถ้าเราหลงว่าโอ้ยเราเราสวยนะอ ย, อย่างนั้นอย่างนี้ว่าเดี๋ยวมันก็หนังเหี่ยวแล้วเดี๋ยวก็แก่แล้วอ่าจะได้บรรเทาความหลงในการรักตัวเองแล้วมันก็อยู่ที่กรณีว่าเราก็เราเอาจะมาใช้กับใครใช้กับร่างกายเราหรือใช้กับร่างกายของคนอื่นเราก็ต้องพิจารณาเป็นเรื่มเรื่มไป พอจะเข้าใจไหมเข้าใจค่ ะ, ะแลถ้ามันเราเวลาคนที่เขาพิจารณาค่ะคนที่เข้าใจไอ้คนที่พิจารณาอสุภะแล้วเขาเห็ น, นเห็นกระดูกเห็นไปอะไรอย่างเงี้ยคือมันมันเห็นเป็นอย่างนั้นจริงๆหรอคะพระอาจารย์อ่ามันก็เห็นตามความเป็นจริงร่างกายมันมีหรอือเปล่า เวลาเราเนึ้อถึงเงินที่เราเห็นมาเง็ดถึงเงินเนี้ยหมื่นหนึ่งเนี้ยเห็นไหมจะเห็นไม่เห็นก็รู้แล้วใช่ไหมอ๋อถ้ากายบอกจะให้เงินหมื่นมานี้ปั๊บในใจมันยิ้มขึ้นมาทันทีเลยใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันเป็นการเล็กถึงโครกระดูกตับไตท้าพุงความยินดีในในร่างกายนะั้นมันก็หายไปก็ให้ดูเนี้ยดูตรงนั้นว่ามันเนึกขึ้นมาแล้วมันสามารถหยุด ความกำนัดยินดีได้หรือเปล่าจะเห็นในรถขนาดไหนไม่สำคัญสํำคัญเนี่เห็นแล้วมันระงับกิเลสได้หรือเปล่าพอใจไหม้าใจค่ะแล้วนึกนึกภาพบางทีก็นึกนึกภาพนึกขึ้นมา อยากซื้อว่จะแทงหวยนี่ก็นึกนึกถึงตัวเลขได้เนี่ไหม <c oughs> จะเป็นตัวเลขเลือจะเป็นอะไรก็ไม่สําคัญนะเนี่ยถ้าเราจะซื้อสองตัวนี่เรานึกได้แล้วสองตัวนี่มันจะเป็นภาพไม่เป็นภาพก็ไม่สําคัญใช่ไหมคุณนึกนึกภาพหรอเวลาเวลา ค, คุณจะแทงหวยนี่จะนึกต้องนึกตัวเลขได้นึกภาพของตัวเลขในใจหรืวเป่าตัวเลขเลขหนึ่งเลขสามเลยอะนี่ขึ้นมาเปล่ไม่ต้องดูไม่ต้องเห็นภาพก็ได้ นั่นแหะมันจะเห็นภาพก็ได้ไม่เห็นภาพก็ได้ขอให้มันรู้ก็แล้วกันรู้ว่าในร่างกายของคนคนนี้ที่เราหลงรักเนี่ยมันมีโครงกระดูกมันมีตับไตไส้ภูมมันมีอาหารใหม่อาหารเก่าที่ขับถ่ายออกมาอยู่เรื่อยๆอย่างนี้อาจารย์นะเราจะเห็นได้ไหม หรือจะเห็นก็ได้ไม่เห็นก็ได้ก็ขอให้มันทำงานอารมณ์ได้ก็แล้วกันอาจารย์คุณบัญชาไปตอบพูดไฟพูดมาไม่ทันกันสัญญาณไม่ดีครัชัดชัดหรือยังนะคะอู่ดได้ครับเม่อไรต่อค่ะพอดียมจะถาม ถ้าเราปฏิบัตินะคะเท่ากับว่าจะทำให้มีสติแล้วก็รู้เห็นตามความเป็นจริงได้เองจนอันนี้หนูถามนะคะจนบางทีมันจะเข้าใจได้เองในสถานการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นเราจะรู้เหตุมันเป็นยังไงแล้วเราจะไปเราจะแก้ปัญหายัางไงในทุกเรื่องอาจจะอาจจะถ้าอาจจะมีคาถามน้อยลง น้อยลงไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะพระอาจารย์เขาก็เราจะเหมือนรู้ได้เองอะไรอย่างนี้ด้วยปัญญามันมีมากขึ้นมนก็ไม่ต้องไปถามกันอีกคิดเองได้แล้วนะสัญญามันพูดกันไม่รู้เรื่องเลยเพราอพระหยดได้ค่ะได้ค่ะเพรมันขาขดขดขาหายหายพูดกันไม่ค่อยรู้เรื่องเลยเือยไปเอาที่ท่านอื่นก่อนนะ คนกอพนันต่อเสร็จมาพูจาพุนเกลแล้วเป็คนคอพนันพูดได้เลยคนกอพนันออยู่พุนเกนลใช่ป่ะแต่มากรุงเทพได้เดือนหนึ่งแล้วค่ะพู ด, ดนหนอเข้ามาใกล้ๆเสียงค่อยๆ เ, เข้ามากรุงเทพได้เดือนหนึ่งแล้วค่ะ อ่มีคาถามอะไรไปนี่มีค่ะคืออ่ตอนนี้ที่เข้ามาก็เพราะว่าลูกสาวและครอบครัวเขาย้ายจากญี่ปุ่นมาอยู่ที่ในเมืองไทยอะค่ะแล้วก็เออเหมือน ค, คือก็อยากจะมาช่วยเหลือเขาด้วยค่ะเขามีลูกเล็กๆทีนี้ก็พอไปอยู่ที่คอนโดเขาเนี่ยเราจะสวดมนต์ดังๆก็เกรงใจเขาคือทำอะไรก็แบบหยิบโยงแบบว่าแบบว่า เหมือนกับแบบว่าวอลคอน Excel อะไรเงี้ยคะก็ต้องแบบเบาๆเอ่อคือคือเขาต้องการความช่วยเหลือแล้วเราก็เป็นห่วงลูกเป็นห่วงหลานด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยไปก็แต่ว่ามีความรู้สึกอึดอัดมากเลยตอนนี้เลยกลับเข้ามาอยู่คอนโดของตัวเองคือขอเขาเข้ามาอยู่ก็รู้สึกสบายใจขึ้นหน่อยก็คือมันแบบคล้ายกับพระอาจารย์แบบว่าโยมไม่ค่อยสบายใจคือใจหนึ่งเนี่ยอยากจะแบบ รู้ตัวว่าอยู่ในโควิดแบบนี้แล้วแบบจะตายไปพรุ่งนี้เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ใจหนึ่งก็ยังเป็นห่วงลูกหลานนะฮะมันคล้ายๆกับภาวะพบงไม่ทราบจะทำยังไงนั่งสมาธิก็นั่งไม่ค่อยได้อะคะ่ะแล้วจะทำยังไงะก็ต้องเลือกเอจะเอาอย่างไรล่ะจะรักษาตัวหรืออยากจะไปรักษาคนอื่น เหมือนก็ทิ้งเขาไม่ได้เลยค่ะหลานก็ขวบหนึ่งแล้วก็ห้าขวบคนหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วลูกสาวก็ไม่เคยแบบเติบโตในเมืองไทยค่ะผู้ภาษาไทยก็ยังไม่ค่อยได้สามีก็เป็นคนออสเตรเลียก็แบบอ่าไม่ค่อยคือฝรั่งก็คือบางทีเขาไม่ค่อยเข้าใจคือเขาไม่ได้ดูข่าวของเมืองไทยว่าเขาทํากันยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือแบบ ส่หน้ากากก็จริงแต่บางทีไม่รู้หนากากักหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราพูดก็เหมือนกับว่าเรา too much อะไรเงี้ยก็ เ, เลยเก็ยอมกลับไปตอนที่เขาไม่ได้มาอยู่บมืองไทยเนี่ยทายัางไงตอนนี้เขา ม, มาอยู่เมืองไทยตอนนี้เขามาอยู่เมืองไทยแล้วก็ต้องช่วยเขาอะอย่างลูกแบบ ถ, ถ้าคนคี่ว่าต้องช่วยคุณก็ก็เป็นเรื่องความช่วยของคุณอะร <laughs> ไรเป็นพิเศษอย่างงั้นถ้าคนคี่ว่าตอนที่มันไม่อยู่เมืองไทยทําไมเห็นมันต้องไปเห็นต้องมาช่วยมันแมันก็อยู่ของมันได้ ทำไมพอมันมาอยู่เมืองไทยแล้วมันขาดเราไม่ได้ขึ้นมาทันทีเลยคือคล้ายๆกับว่าช่วยเขาเซตตัวดาวก่อนอะไรอยงี้ก็ต้องดูว่าช่วยได้หรือเปล่าถ้าช่วยไม่ได้ไปช่วยยังไงช่วยแล้วตัวเองก็ตัวเองก็ ต, กตกกินไม่ได้นอนไม่หลับหวาดผาวาเป็นโรคประสาทอะไรอย่างนี้ไปช่วยเขาไปช่วยเขาดีไม่ดีเดี๋ยวก็เป็นเดี๋ยวก็ไปทาร่าบอกร้งกับเขาเ อ, อีกอ๋อทาร่าคงไม่ค่ะคือแบบหลบมาเลยตอนนี้คือหลบหลบมาอยู่ที่ขออกว่ามาอยู่ก แต่ว่าตอนช่วงกลางวันก็ไปไปหาเขาแต่ว่าตอนหลังนี้เขาก็จ้างคนเข้ามาอีกจ้างคนมาช่วยเลี้ยงลูกอีกไอ้เราก็ยิ่งกลัวใหญ่เลยจ้างคนมาแล้วคนก็แบบเช้าไปเย็นกลับอะไรเงี้ยฮะพระอาจารย์ก็เราเป็นห่วงหลานอ่ะแต่สงสัยก็ต้องปล่อยค่ะนั่น<ะ>สิเราไปยุ่งของเขาเองนย่างนนนะหรือถ้าเราไปช่วยเขาเราก็ต้องช่วยแบบเราเป็นแจวไปเป็นคนรับใช้ไปเขาจะสั่งให้เราทำอะไรเราก็ทาไป เราไม่มีกิจการไม่มีหน้าที่จะไปชี้บอกเขาเขาต้องทําอย่างนั้นทำอย่างนี้ไม่อย่างนั้เปเปนเราก็ไปเป็นเจ้านายของเขาอ่าก็เหมือนกับเป็นแจ๋วหน่อ ย, อยๆค่ะก็ต้องเป็นแจ๋วเลยไม่ได้หน่อยแล้วเต็มร้อยเลยให้เขาสั่งอย่างเดียวเราไม่มีความเห็นอะไรทั้งสิ้นเดียวกับการดําเนินชีวิตของเขาถ้าเขาถ้าเขาไม่ถามหรือถ้าเขาไม่บอกไว้หน้งหน้าบอกว่าถ้าแม่เห็นว่าหนูทําอะไรไม่ถูกแม่บอกหนูได้นะ ค่อยบอกก็ได้ถ้าเขาไม่ได้สั่งไม่ได้วารณาตัวก่อนนี่อยากไปเกี่ยวข้องกับชีวิตเขาจะดีกว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นเรื่องกันการที่จะเป็นการที่จะรักกันเดี๋วกายมันจะเกลียดชังกันอันนั้นก็ใช่ค่ะพอาจารย์ก็คงจะใช่ค่ะเพราะว่าเราเตือนเขาอะไรอย่างเงี้ยก็ บางทีเขาก็ฟังฮะแต่เขาก็ไม่ทําตามอ้วเราเลยเสียใจเขาก็ไม่ทําตามที่เราบอกมันก็ไม่เชิงเสียใจฮะแต่มันเป็นความที่แบบว่าเราเป็นห่วงล้านอ่ะว่าเขาเขารู้เท่าไม่ถึงการแล้วเขาก็ไม่ได้ฟังข่าวภาษาไทยแล้วข่าวภาษาอังกฤษเขาก็ไม่ฟังเขาเขาไม่ดูทีวีเอาเลยแล้วเขาไม่เข้าใจว่าโอเคการที่เราเรา ออกไปข้างนอกเข้าไปซุปเปอร์มาร์เก็ตแล้วเราควรจะกลับมาอาบน้ําสระผมเขาก็ไม่ทํารองเท้าก็บางทีก็ย่ําเข้ามาในบ้านอะไรคือเราแบบมีความรู้สึกแบบมันอัดอั้นมากๆเลยเลยก็บอกว่าโอเคขอกลับบ้านแล้วไม่อยากแล้วใช่เราไปเราไปยุ่งของเขาเองนะเราพยายามก็ทําตามที่เราต้องการเขาไม่ทําตามที่เราต้องการเราก็เลยวุ่นวาย อ, อ๋อค่ะตรงนี้เลยนะคะใช่ต้องแยกแยะว่ามันเรื่องของเขา อาจารย์ก็ถามเราเราก็บอกก็ได้ห ร, หรือเขาจะทําตามหรือมา ก, กมันต้องชีวิตของเขาอืมจริงค่ะใช่ใช่ใชบางาทีแบบเรายับยับ้งกิเลสเราไม่ได้ความอยากของเราไม่ได้เราก็เลยวุ่นวายแล้วเขายับยับ้งความอยากของเราว่ามัน<อ>เป็นไปได้หรือเปล่าถ้าเป็นไปไม่ได้ก็ก็กเรีกของเขาไปโอเคค่ะ เพิ่งบอกว่าถ้าทําตัวเป็นจ๋าแล้วมันจะสบายไม่ไปยุ่งไม่ไปสั่งเขาไงไมีแต่รับคําสั่งของเขาอย่างเดียวนะครับ เ, า, เาสั่งว่าช่วยทำกับข้าวให้หน่อยก็ทําให้เขาช่วยกวาดบ้านให้หน่อยก็กวาดให้เขาไปแต่ถยังไปสั่งเขาว่าเอาน้ำนะกลับเอาบ้านแป๊บรงนี้ล้างหน้าเปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรนี้ก็ไปสั่งเขาแล้วลูกก็ไม่ได้เป็นจ๋าแล้เป็นเจ้านายเขาแมันที่อยู่ด้วยกันไม่ได้เสือสองตัวอยู่ในถ้าเดียวกันไม่ได้ กว่เลยค่ะว่าอยู่ด้วยไม่ได้อ่ะเพราะเราอยากจะไปสั่งเขานะค <laughs> ่ะขอคําถามอีกได้ไหมคะได้ได <laughs> คือออยากจะทราบว่าเรื่องจิตเนี่ยจิตจิ ต, จตมาจากไหนแล้วจิตเป็นสิ่งสมมุติหรือเปล่าคะอันนี้ไม่ต้องไปไม่ต้องไปรู้แรอกจิตมันมันไม่มีที่มามันมีความมันอยู่นี้มาตั้งแต่ตั้งแต่อะไรนะ ข้อสำคัญก็คือว่าทำไงให้มันสบายท่านตอนนี้ตอนนี้ปัญหาของจิตก็คือมันไม่สบายเนี่ยมันชอบไปวุ่นวายกันเรื่องชาวบ้านเข้าไปหมดนี่ยก็ทำไมไม่ไปดูชาวบ้านมันเป็นจิตเหมือนกันทุกคนก็มีจิตเหมือนกันแล้วร่างกายก็เป็นแก่เกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันแค่คิดแค่นี้มันก็จบแล้ะมันยังต้องไปยุ่งกับเรื่องของชีวิตของคนอื่นเนี่ยยุ่งยังไงเขาก็แก่เจ็บตายเหมือนกันไม่ใช่ นั่นก็เหมือนการนัน่งกายของเมันก็แก่เจ็บตายไม่เนี่ยยิ่งต้อไปวุ่นวายกับใครที่วุ่นวายเนี่ยที่จิตเราวุ่นวายก็เพราะว่าไปยุ่งกับร่างกายของเราเองยุงย่งกับร่างกายของคนอื่นว่าไม่อยากให้มันแก่ไม่ให้มันอยากให้มันเจ็บไม่อยากให้มันตายนีไม่มองความจรงิ <c ười> งพระเจ้าสอนให้มองความจรงิงแล้วจิตเราจะได้ไม่วุ่นวายใจเมื่จิตใจเราอยอมรับความจริงได้จริงเลยค่ะ ตอนนั้นก็ไม่ออกเลยค่ออยะพอไม่ออกเลยมันคล้าไปหมดเลยอะค่ะมนันรู้สึกวนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพระอาจารย์พูดถูกเลยค<ม>่ะว่าเราเราไปยุ่งกับชีวิตของเขาเป็นห่วงร่างกายซึ่งมันเป็นสิ่งสมมุติค่ะร่างกายทุกคนทําดียังไงมันก็แก่เจ็บตายทําไม่ดีนั้นก็แก่เจ็บตายจากกันที่ช้าเรื่อเร็วนะ มีความเป็นห่วงที่ว่าถ้าเกิดหลานติดขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คุณยายก็คงต้องไปดูเขาอีกอยู่ดีอ่ะค่ะอะไรแเป็นกังวลนะคะก็ยังต้องไม่ยุ่งกับเขาอยู่ดีจะไม่ยุ่งก็เหมือนกับแบบเราก็รักลูกอะนะคะก็น้อยเขาเรียกก่อนไม่ได้เลยใ่อไปดีกว่าไดค่ะจะ่บอกแมาช่วยช่วยหนูหน่อยชื่อมาอันนี้ก็ไปเลยเลยเลยมาอยู่กรุงเทพเลยกรุงเทพติดใหญ่เลย ถ้าถ้าอยู่ภูกเก็ตก็คงจะแบบสบายกว่าซึ่งภูเก็ตท่นชั้บอกอยู่แล้วแม่ใช่แล้วก็แบบนี่ต้องมาอยู่ในคอนโดแล้วแถมคอนโดมีคนติดโควิดอีกด้วยอะไรเงี้ยว่าเลยแบบโอ๊ยแล้วเราก็แก่แล้วคือถ้าจะไปช่วยใครก็ช่วยได้แต่ช่วยแบบว่าทําหน้าที่ทําได้ถ้ามันสืบวิสัยมันจะเป็นอะจะเกิดก็เกิดนี้ก็อย่ า, ยางพออย่าไปเครียดอย่าไปทุกข์กับการช่วยเหลือของเรา Okay, ค่ะอีกจิ๊ดนึงค่ะพระอาจารย์เป็นใจคนอื่นเหมือนกันค่ะขอโทษทีค่ะ <S <S ขเขาไม่เป็นไรเขาเหล่งเขาสั่งงานพวกกนก็มีปัญหาคล้ายๆกันคเวลามาพูดเขาก็จะได้เขาก็จะได้รู้เรื่องราวนะคะอาจะได้เตรียมตัวเตรียมใจถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นกับเขาเขาจะทำะํำยังไงไม่เป็นไรไม่มีปัญหาอะไรถ้าเป็นเรื่องธรรมบ้านรับฝื้นกันได้เรื่องการสวดมนต์นะครอาจารย์อ ก็เได้ข่าวมาคือแบบว่าที่ฟังมาก็บอกว่าโอเคต้องสวดมนต์บทนี้บทนี้บทนี้ทีนี้ถ้าสวดยาวๆหนึ่งชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีปลายๆเนี่ยจะเริ่มง่วงแล้วค่ะสับประงกคือแบบพอจะแบบอุทิศบุญกุศลให้ก็แบบว่าเริ่มเริ่มช้าแล้วค่ะทีนี้ถ้าสมมุติว่าแบบว่าอยากตัวเองก็แบบว่ารู้ว่าจะต้องง่วงก็พยายามสวดบทสั้นๆ แล้วก็นั่งสมาธิบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะคือแบบบางวันสวดยาวบ้างสวดสั้นบ้างได้ไหมฮะพระอาจารย์ได้ไม่สวดอะไรก็ได้นั่งสมาธิเลยก็ได้ถ้านั่งได้เลยก็ไม่ต้องสวดก็ได้ถ้าถ้านั่งไม่ได้ก็ต้องสวดไปก่อนเพราะสติไม่พอแต่ถ้าเรานั่งได้เลยก็ไม่ต้องสวดเลยก็ได้แล้วเราเราเราสวดบท อ, อที่บอกว่า โคชงหรือว่าโบวเป็นจําเป็นอ่ะส่วนบนไหนก็ได้ส่วนอินทิปิโสแค่นี้ก็พออ๋อค่ะค่ะอปิ I T P ow, ต้องเท่าเท่าอายุเลยอายุตัวเองใช่ไหมฮะแล้วแต่แล้วแต่สามรอบก็ได้รอบเดียวก็ได้อยู่ที่ว่าเป้าหมายคือต้องการให้นั่งสมาธิมากกว่าง่ายง่ายถนั่งสมาธิได้แล้วก็ไม่ต้องไปยุ่งกับการส่วนเหมือนการสวดมนต์นี้เหมือนกับตอนนี้หัดน้ำหัดว่า้น้นําใหม่ๆต้อง ต้องใสให่ห่วงยางไว้ก่อนใช่ไหมว่าเราอยากไหวนไม่เป็นก็ต้องมีห่วงยางใส่หน้าหัดไหว้ไปก่อนแต่พอเราไหว้เป็นแล้วเราก็โยนห่วงยางทิ้งไปอาจารย์ว่าการสวนนี้ก็เป็นเหมือนห่วงยางที่จะคอยประครับประครองจิตไม่ให้ลอยไปคิด เ, เรื่องน้นเรื่องนี้และเพื่อที่จะมานั่งสมาธิได้ ถ้ า, านั่งสมาธิได้โดยที่จิตเราไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่กับลมหายใจอยู่กับพุโทโธได้ก็ไม่ต้องไปสวดมนต์ให้เชีเวลาแล้วถ้าสวดมนต์แบบแบบสั้นหรือแบบยาวเนี่ยแล้วก็อุทิศบุญกุศลเนี่ยค่ะมันไม่ได้หรออุทิศไม่ได้หรอแต่ในอุทิศบุญ น, นี่ก็ต้องทําทําบุญทําทานอย่างเดียว อ, อ๋อค่ะถ้าอุทิศได้พระเจ้า อ, อุทิศได้พวกเราก่อนเลยที่อุทินี้่านเลยไม่ดีกน่า บุญอะไรจะสูงเท่าของพันลี้พานเุที่ไม่ได้หรอกบุญตรงนี้บุทิ่ได้เพียงแต่บุญที่เกิดจากการทำทานทำบุญทำทานนั่นเองแือช่วงนี้ไม่ได้ออกไปใส่บาทนะคะพระอาจารย์ก็ แ, แบบก็โอนเงินได้งง น, ในใส่โอนเงินเข้าบัญชีวัดโอนเงินเข้าโรงพยาบาลนี่ก็ได้ทำบุญเหมือนกันละคือพอพอโ อ, อนปั๊บเราก็โอ้ที่ได้เลยโอเคค่ะ <c oughs> <c oughs> โอเคนะขอบคุณค่ณะคุณมริตาเชิญคุณมริตานี่สองภาษาอังกฤษก็ได้ภาษาไทยก็ได้ขอบครับก่วัศการค่ะท่านอาจารย์คือพอดีพ่อของหนูฝากคำถามมานะคะคือพ่อหนูอยากจ ะ, ะซื้อหน้ากากผ้าไปถวายพระที่วงงัดอย่างเงี้ยค่ะแต่ แต่ว่าเจ้าที่จะซื้อเนี่ยไม่มีหน้ากากที่เป็นสีส้มเหมือนกับจีวรพระมีแต่สีขาวสีเทาสีดําอย่างเงี้ยค่ะได้ทั้งนั้นอะสีไหนก็ได้หน้ากากไม่ไม่ไม่ได้เป็นข้อบังคับว่าจะต้องเป็นสีสีเหมือนกันพระท่านก็ใส่ได้ทุกสีสีเขียวก็มีสีขาวก็มีสีเหลืองก็มีอันนี้ไม่มีปัญหาอะไรมีมีสีไหนที่เหมาะสมกับพระสงฆ์มากเป็นพิเศษไหมคะพระอาจารย์สีที่มีขายทั้งนั้เหมาะสมที่สุดโอเคค่ะ อย่าไปย่งยากถ้ามันเลยอย่าไปยุ่งยากเลยดีๆชอบหาเรื่องให้มันยากขึ้นทำไมเรื่องง่ายๆไม่ชอบทําลยกลัวเดี๋ยวผิดพระวินัยหรือว่าแบบ ไ, ม, ไ ม, ม, ม่ยูกสมัยสมัยพุทธกาลไม่มีไม่มีไม่มีหน้ากากให้มาใส่โอ้ได้ค่ะนี่แล้วแต่อาจารย์บางรูปท่านจะแค่มาเป็นธาตุพระสงศ์สีเหลืองสีสีเหมือนกับจีวรอันนี้ ก, ก็เป็นเรื่องของแค่เป็นการ เป็นการคิดของนึงของของพระท่านไป น, นั่นเอยไม่ไม่ได้เป็นความคิดขับพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าท่านไม่ได้กําหนดไว้ว่าถ้ามีหน้ากาต ก, ก็เป็นศีกาดหนะอะไรท่านไม่ได้มีกแบบําหนดได้ค่ะขอบพระคุณมากค่ะพระอาจารย์เดี๋ยวไปบอกพ่อให้ค่ะโอเคสีไหนก็ได้น ะ, อะโอเคคุณสุพัฒนาจ้าจากบอเวนจ้ารำบาสการาพระอาจารย์ ได้ยินเลยคะ่ะในยินชัดดีไม่ต้องเออโยมมากราบพระอาจารย์ค่ะแล้วก็มาขอฟังธรรมแตมีความสงสัยนิดนึงตรงที่ว่าเอ่อความพอใจกับความอยากนี่คนละอันกันเนาะพระอาจารย์ใช่ไหมคะอ่าพอใจก็แสดงถ้าพอใจมันก็ไม่อยากไม่ใช่ค<น>่ะคือถ้ามันถ้ามันไม่พอมันถึงอยากแต่ที่โยมถามอย่างนี้ก็คือหมืายว่า เวลาเราเราจะไปทานข้าวหรื อ, ห ร, อหรือทําได้ทานอะไรก็ตามเนี่ยในสิ่งที่เราคิดว่าเราจะได้จะได้รสชาติที่เราพอใจเนี่ยไม่ได้คาดหวังแต่พอเราได้ได้รับประทานแล้วเรามีความรู้สึกว่าเอออันเนี้ยเป็นสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราอยากได้อะไรอย่างเงี้ยคะแต่ตอ น, นที่เราไปตอนที่เรากินถ้าเราไม่ได้ไปสั่งเองก็ไม่เป็นไรถ้ามันมาเองเหมือนเหมือน <c oughs> ท้าเนี่ยบางทียอมใส่บาตรที่ของถูกปากท้ากฉันไป อันนี้จมันไม่ได้เป็นกิเลสเพราะว่ามันไม่ได้ออกมาจากใจของของพราไม่ได้ไปสั่งให้เขาเอาอาหารแบบนี้นะอาหารแบบนั้น น, น, นะอย่างนั้นถึงจะเป็นกิเลสอันเป็นความบังเอิญที่มันมามาถึงเองอถ้ า, ถามันมางเอิญมาเองนะเราก็ยังมีมีกิเลสที่ยังซ่อนอยู่ภายในที่มันยินดีต้อนรับ น, นี่ก็ไม่เป็นไรแต่มันไม่ได้ออกม า, าสแสดงตัวขอให้คนนู้นคนที่ทําอย่างนี้ให้กับเราอ๋อจะพาจะพามันยังไม่ได้ออกมาทางกายทางวาจา ยังไม่ได้ออกมาทางกระทำก็ค่ะไม่ยังไม่ถือว่าเป็นเป็นเป็นเป็นกิเลสแต่อย่างไดเป็นกิเลสแต่แต่ก็แต่ก็มันไม่มันทําให้เกิดปัญหาขึ้นมาไม่ได้สร้างความทุกข์ให้กับให้ให้กลับใจก็ค่ะก็พอดีวันนี้มีมีคลิปของอาจารย์ที่บอกว่าทํายังไงถึงจะไม่รักไม่ชังก็ก็ได้คําตอบด้วยะคะ่ะว่าก็ให้ให้ใ ห, ให้มีความสงบมากขึ้น เจแล้ ว, ลวเวขามีสวบมากขึ้นเวขาก็มากขึ้นเองแล้วร่างชันตัวลงมันก็จะน้อยลงไปเจ้าค่ะก็เ พ, พียนเพียนเรื่องสติอยู่เจ้าค่ะอาจสติฝึกสตินั่งสมาธิให้จิตสงบไปแล้วค่อยไปทางปัญญาต่อเจ้าค่ะวันนี้นะเจ้าค่ ะ, ะชิญคุณไอโฟนต่อเลยคุณไอโฟนจะยินไหมคุณไอโฟน นั่งอยู่คกณนายพรอาจารย์อาจารย์พูดได้แลคุณนายพรอยู่ที่ไหนของโยมหรือเปล่าคะท่านอาจารย์ค่ขาคุณมอหรือค่ะท่านอาจารย์กล่าวเป็นพิการค่ะค่ะพอดีก็ไม่มีคําถามค่ะท่านอาจารย์แต่อยากจะเล่าสภาวะค่ะท่านอาจารย์ขาพอดีเดือนหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเจอปัญหาทางโลกกระทบค่ะท่านอาจารย์ขา มันจะแบบเหมือนกับรู้จู่ๆก็รู้ขึ้นมาว่าแบบมีนี่สิ่งเงาะออกมาเยอะมากค่ะท่านอาจารย์แล้วก็เหมือนกับก็เล่าให้คุณแม่ชีหนิงกับคุณแม่ชโยกฟังว่าเหมือนกับต้องเข้าไปแก้ปัญหายากมากค่ะท่านอาจารย์แต่ว่าที่อัศจรรย์ใจคือมันเหมือนจิตไม่ถูกกระทบเลยค่ะท่านอาจารย์ค่ะคือบางบางวันเนี่ยปัญหามันยากถึงขนาดแบบนอนนอนไม่ได้เลยค่ะท่านอาจารย์คือมันต้องคิดแก้ปัญหาตลอดแต่ว่ามันอัศจรรย์คือจิตมันไม่มีทุกข์เกาะค่ะท่านอาจารย์ค่ะแต่ว่า ก็เอ่อบางวันก็เจอเหมือนกับผัสสะมันระทบอะคะ่ะเหมือนกับอ่ะเดี๋ยวจะขายที่ได้แล้วนะวันนี้น่าจะแก้ปัญหาได้แล้วหนึ่งชั่วโมงเขาไม่ซื้ออีกแล้วเงี้ยถ้าอาจารย์จริงๆแล้วถ้าเกิดเป็นสมัยก่อนเนี่ยจิตมันขึ้นขึ้ น, นลงลงเนี่ยมันคงจะต้องแบบถูกลากอะคะ่ะถ้าอาจารย์นี่จิตมันแบบมันนิ่งอะคะ่ะท่าอาจารย์มันมัน มันมีอะไรที่เข้าไปได้เลยค่ะค่ะแล้วแล้วมันก็อยู่อย่างเงี้ยมาเป็นเดือนแล้วค่ะท่านอาจารย์เพราะตอนแรกโยมก็งงว่าเอ๊ยโยมไปใช้สมถะกดแล้วมันก็ไม่มีค่ะท่านอาจารย์คือคือมันไม่ต้องใช้อะไรกดค่ะท่านอาจารย์แล้วก็บางทีก็แกล้งแบบบี้เข้าไปค่ะท่านอาจารย์แกล้งแบบเหมือนก็จะใส่เข้าไปดูซิว่ามันจะคลายไหมสภาวะเนี้ยมันก็ไม่ออกค่ะท่านอาจารย์ค่ะ ตอนนี้ก็เลยมามาพิจารณาอย่างอื่นแทนคือคือตอนนี้มีความรู้สึกว่าไอ้ความที่ยึดมั่นถึงมั่นในทรัพย์สมบัติ่มันแทบจะแทบจะไม่สามารถมากระทบเราได้นะจย์ mm hmm. ทีนี้ก็โจทย์ใหม่ก็แบบเป็นลูกร้านของสมมุติพวกเนี้ยค่ะถ้าอาจารย์มันก็มีวันหนึ่งที่แบบเหมือนกับลูกแบบตะคอกเรากลับมาค่ะถ้าอาจารย์แต่มันชวขนดขณะเดียวถ้าอาจารย์มันเหมือนมันแทงตลอดเลยว่า มีหรือไม่มีของสมมุติเนี่มันก็ทุกอะค่ะท่านอาจารย์เพราะฉะนั้นก็ไม่เอาดีกว่าอย่างเงี้ยค่ะไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่มันสมมุติเป็นลูกเป็นหลานเป็นสามีเป็นภรรยาหรือหรือการที่เราจะมีราบมีทรัพสมบัติจริงๆแล้วมันมันไม่เอาเลยดีกว่าค่ะท่านอาจารย์คือมันมันชั่วขนาดจิตเดียวที่มันมันมันเก็ตถึงความรู้อันนี้ค่ะท่านอาจารย์ค่ะมันอธิบายไม่ถูกเหมือนกันนะมันก็เลยมันก็เลยดูจืดไปหมดค่ะท่านอาจารย์แต่ว่าตัวอย่างเล่าคุณแม่ชีว่าแต่แ่ว แต่ตอนนี้ยโยรู้สึกว่าจิตโยมาฮะไม่มีทุกข์ไม่มีสุขแต่ว่าจิตมีน้ําหนักค่ะท่านอาจารย์จิตมันยังมีน้ําหนักอยู่ค่ะท่านอาจารย์แล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยพอไม่มีสภาวะเนี้ยโยมกลับไม่รู้ว่าจิตมันเป็นของที่มันจริงๆแล้วมันมันมีอยู่แต่มันมีภาวะหนักหนัก แต่ตอนเนี้โยมก็เหมือนกับก็ไม่ไม่ว่ามันจะคือสภาวะอะไรโยมก็คิดว่าโยมก็ทําต่อไปคะอาจารย์ถ้าแก้ปัญหาอันนี้จบอะโยมก็บอกคุณแม่ชีว่าโยมอาจจะถึงเวลาที่ต้องปรีวิเวกจริงจังแล้วค่นอาจารย์ค่ะดีปล่อยวางทิ้งทุกอย่างไปนั่นเป็นสมมติทั้งนั้น<ฆ>อยู่กับมันก็มันก็ถึงแม้ว่ามันจะไม่ทําให้เราหนักกหนักใจมันก็ยังเป็นภาระต้องต้องม<ฆ>ันค่ะแล้วก็เหมือนกับมันก็เป็น คือมันเหมือนกับทั้งเนี้ยมันก็เป็นโจทย์ที่ทดสอบโยมว่าโยมจะยอมทิ้งจริงๆหรือเปล่าคะอาจารย์ค่ะค่ะถ้าเกิดว่ามันโจทย์เนี้ยคุณแม่ชีแนะนําว่าถ้าโจทย์เนี้ยโยมผ่านมันก็ถึงเวลาละที่โยมจะต้องปลีกออกจากครัวเรือนแล้วมาปลีกวิเวกแล้วดูว่าจิตอ่ยมันยังนิ่งอยู่อย่างนี้จริงหรือเปล่าคะอาจารย์ค่ะทุกอย่างที่เรามีอยู่มันเป็นสมมุติทั้งนั้นค่ะเหมือนไม่ช้าก็เร็วก็ต้องมีวันสิ้นสุดของพระธาตจากการเป็นธรรมดา ค่ะแล้วสภาวะนี้มันก็เกิดอัตโนมัติค่ะท่านอาจารย์คือมันไม่ได้หวังว่าจะเกิดนะคะท่าอาจารย์จู่ๆมันก็เป็นของมันเองโดยที่เราก็ไม่รู้ว่าพอเราเจอปัญหาหนักขนาดเนี้ยไม่น่าเชื่อน่าจาย์ขาดในขณะที่คุณหมอผู้ชายเขาบอกว่าเขาเขาอยากตายแต่โยมกับไม่รู้สึกอะไรเลยค่ะท่านอาจารย์อาจารมันไม่มีความอยากมันไม่มีความอยากว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้เป็นยังไงก็ว่าดไปตามเพลงไปค่ะแล้วก็เป็นแบบ เป็นปัจจุบันขณะด้วยท่านอาจารย์ค่ะยงก็ไม่ได้นั่งสมาบดแล้วยกพิจารณาด้วยค่ะท่านอาจารย์มันก็เป็นผมที่เกิดจากการปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องก็เลยเริ่มเริ่มเบาจะออกผลขึ้นมาขณะนี้ค่ะกล่าวมาสการขอบพระคุณค่ท่านอาจารย์ค่ะมันมันต้องมีทุกปัญญาถึงจะเกิดธรรมะถึงจะเกิดทุกอย่างีธรรมบอกเกิดค่ะเป็นตามที่เราสะสมไว้พอ ถึงเวลามีอะไรมนกระตุ้นมันก็เลยออกมาทํางานหน้าเที่ยงมันาเต็มค่ะแต่มันอัศจรรย์มากเลยค่ะท่านอาจารย์คือไม่น่าเชื่อเลยว่าสงาดความทุกข์ขนานี้ที่ทําให้เรานอนไม่หลับมาเป็นเดือนเนี่ยแต่จิตมันไม่ทุกเลยอ่ะมันก็แค่แบบมันก็แค่แบบตอนคืนนอนไม่หลับเพราะมันต้องแก้ปัญหาเยอะมากทำพิธีแบบก็นอนคิดถึงเช้าแต่จิตมันมันไม่ถูกกระทบเลยค่ะท่านอาจารย์มันอัศจรรย์มากอ่ามันหยดน้ามนใบบัวค่ะค่ะ มันสัมผัสกันแต่มันไม่ดูดซึมเข้าหากันครื่องราวต่างๆที่เรารับรู้เราไม่ได้ดูดเข้ามาแบบให้มันดับ อ, อกดับใจเราไปต่อไปค่ะสักแต่ว่ารู้ไปแล้วก็แก้ปัญหาไปตามเพศตามภพไปค่ะเพราะว่าก็ก็ตั้งสัจจะและ้วค่ะท่านอาจารย์ว่าถ้าปัญหานี้จบแล้วก็ทั้งโลกแบบเหมือนกับไม่มีภาระแล้วให้เรารู้สึกว่าเราผิดต่อโบกนมก็จะภาวนาให้มากคือนนะคะเหมันก็ เวลาอโยมอาจจะไม่ต้องภาวนาแล้วก็ได้แต่เมื่ออาจรย์ไม่วุ่นวาแล้วจะภาวานาหาอะไรแต่ว่ายอมยังยังบางแบางทีอย่างเมื่อเมื่อคืนโยมลองกลับมานั่งสมาธิครันอาจารย์ค่ะพอกายมันแบบทรมานมากๆโยมยังรู้สึกว่าจิตมันก็ยังแบบข้ามไม่ผ่านครับอาจารย์ <c oughs> จิตยังวุ่นวายกับกับร่างกายอยู่ คือคือม่เหมือนกับเวลานั่งสมาธิแล้วมันปวดมากมากท่อาจารย์ห่จิตมันไม่ทุกข์ค่ะท่านอาจารย์แต่มันรู้สึกว่ามันไม่ไหวนั่งต่อไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะท่านอาจารย์เนี่ย ม, มันก็ไม่ต้องไปทรมาร์ดอ๋อค่ะท่านอาจารย์ค่ะค่ะจิตแล้วไม่ไปทุกข์กับมันก็ไม่เป็นจิจจตเราไม่ไปทรมารดร่างกายอ๋อค่ะช่วงช่วงที่เราฝกขัดขแล้วต้องเจาะมัมันเพื่อจะฝึกให้จิต เฉยๆกับมันไม่ทุกขกับมันตอนตอนตอนนี้เราไม่ทุกกับมันมแล้วก็ก็คอยให้มันมาหาเราก็ได้ไม่ต้องวิ่งไปหามันค่ะเพราะว่าค่ะเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยจริงๆมันก็มาหาเราอยู่ที่ค่ะเพราะว่าก็แบบไม่ได้กังวลกลัวเรื่องโควิดเหมือนคนอือ่นแล้วอาจารย์คือแบบก็ออกไปช่วยคนออกไปเป็นอาสาสมัครช่วยฉีดวัคซีนทํานู่นทํานี่แล้วก็ทุกคนก็ดว่วนแบบไม่กลัวเรายงก็คิดว่า ไม่เป็นไรอะค่ะคนเราถ้าไม่ถึงคราวตายมันไม่ตายถูกไอาจารย์ถ้ายัางไงเป็นมามันก็คงหนีไม่พ้นมันก็ทําตามเหตุตามปัจจัยมันก็เลยรู้สึกว่าเออมันมันเป็นช่วงชีวิตที่ดีมากที่เราเห็นว่าจิตเรามันมันไม่ถูกกระทบจากหลายๆอย่างอย่างเงี้ยค่ะท่านอาจารย์ค่ะค่ะไม่ว่าจะอะไรค่ะก็ถ<า>ือว่ามันมันเป็นศาสนาที่ประเสริฐมากค่ะท่านอาจารย์คือถ้าไม่ ไม่ทําแล้วไม่พิสูจน์ได้ด้วยตัวเองจะไม่คิดเลยว่าแบบมันเป็นของอศัศจรย์จริงคะ่ะท่านอาจารย์ค่ะทันทีก็ทันทีก็ค่ะกราบขอบพระคุณค่ะท่านอาจารย์ขาค่ะแล้วจาิต<า>เราไม่ต้องกลับอะไรก็ไม่เห็นต้องปฏิบัติอะไรก็เพียงแต่ปอยรักษาให้มันไม่ถูกกับอะไรต่อไปเท่า น, นั้นค่ะแต่มันก็ยังมีบางข้อคะ่ะท่านอาจารย์ขาที่ได้คุยสอบอารมณ์กับคุณแม่ชินีว่าต้องถ่านมันไปให้ได้อย่างเรื่องตามอะไรเงี้ยมันเป็นของอะเอีค่ะอันนี้เดี๋ยวโยมก็จะ จะทำแบบน้อยค่ะค่ะค่ะขอบคุณค่ะท่านอาจารย์คค่ะยินดีที่เข้ามาพบกันมู้จัดอารทนยค่ะทานอาจารย์ค่ะแต่ลุกสิษย์สบายดีค่ะท่านอาจารย์ไม่ไม่ค่อยปุมากค่ะท่านอาจารย์คขอบคุณค่ะค่ะได้รัปัจจัยทุกเดือนที่สองมาแล้วนะ ค่ะครับขอบพระคุณครอาจารย์ค่ะที่เมตตาเป็นเนื้อนาบุญแล้วก็ของโรงเรียนยศสอสอ80ก็ยงก็ติดต่อคุณภูกุนไว้ครับอาจารย์ก็ส่งของเขาทุกเดือนค่ะค่ะแต่ว่ายงต้องบอกเลยว่าที่ได้ผลมาอย่างเงี้ยเป็นเพราะท่านอาจารย์สอนนะครับอย่างแบบเหมือนกับท่านอาจารย์ก็เริ่มจากให้ทำทานยงคิดว่าสิบกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยทานมันเปลี่ยนใจิตใจเราคราอาจารย์ พอทําทานก็ขยบมารักษาศีแล้วก็ขยบมาภาวนาคือมันเหมือนมันเป็นสเต็ปนะท่านอาจารย์ค่ะใช่แล้วเวล า, ามันมีจิตเมตตาจิตเมตาเมตารักษาศีได้ง่ายคนทำบุญนี่รักษาศีได้ง่ายค่ะและ้วท่านอาจารย์ก็สอนเสมอว่าเวลาทําทานเนี่ยมุ่งหว่านคือเพื่อแค่สละออกอย่างเดียวไม่เคยหวังว่าจะทําทานให้เกิดอะไรอะไรอะไรอย่างเงี้ย แ, แต่พอถึงเวลามันมีผลออกมานี่มันแบบอัศจรรย์มากทุกอย่างแล้ท่านอาจารย์ค่ะอ ขอบคุณค่ะท่านอาจารย์อาชาค่ะค่ะไปที่ท่านต่อไปนะคุณสายฝนเชิไคุณสายฝนสายฝนอยู่ที่ไหนกับนรรรการโยมอยู่ที่ลำพูนนะคะพระอาจารย์เป็นครั้งแรกเข้ามาใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่ครั้งแรกค่ะเคยเข้ามาแล้วเนี่ยเคยแล้วจ้ค่ะมีอะไรได้นี้มีคำถามอะไรั้ย เราจะทราบได้ยังไงว่าเราปฏิบัติถูกอย่างเช่นถ้าโยงดูร่างกายของตัวเองลูกนะคะที่เห็นภายนอกมองไปแล้วมันมันไม่ใช่เราเนาะถ้าไม่ใช่เราเราก็เราก็ต้องไม่ทุกกับมันนสิมันจะเจ็บจะตายแล้วก็เฉยเฉยถ้าไม่เฉยก็แสดงว่ามันมองมันมองมองได้พูดแต่ปากแต่ใจมันยังไม่เอาด้วย ให้ยังทุกกับมันอยู่ก็สแสดงว่ามันยัง<ด>เป็น<ด>เป็<ด>เปความคิดเป็นสัญญาไม่ใช่เป็นความจริงถ้ามันเห็นถ้าเราเห็นนั่งกายแล้วว่าไม่ใช่ของเราเราก็ต้องหมายว่าไม่เดือดร้อนได้กับมันมใช่ไห ม, มอันนี้อาจจะเป็นเช<ม>่นหลาความนึกคิดของเรว่าเราเห็นว่ามันไม่ใชมันไม่ใช่เป็นเราแต่เริ่มเริ่มมันก็ยังถือว่าเป็นเราใช่ไหเป็นของเรายังไม่อยากให้มันเป็นอะไรเจ้าค่ะ ถ้ามันไม่ได้เป็นอของเราจริงๆถเราเห็นว่ามันไม่เป็นของเราจริงๆมันจะเป็นอะไรก็เรื่ของมันเช่นตอนนี้โควิดระบาดก็ระบาดไปถ้ามันจะถูกเรื่องของมันไันม่ใช่เรื่องของเราเราคือใจเราไม่ได้เป็นร่างกายพอใ จ, าจาไหมจ้าค่ะมันก็ต้องจะพิสูจน์อะไรก็พ่สูจนรดูรที่ใจแล้วว่าเราทุกข์กับมันหรือเปล่า เรายัางทุกข์กับคนนั้นคนนี้แล้วป่ะถ้าทุกข์แสดงว่าเรายัางถือว่าเขาเป็นของเราอยู่เป็นลูกเราเป็นสามีเราเป็นเพื่อนเราในขึ้นมาใช่ไคนที่เราไม่รู้จักก็เป็นอะไรเราไม่ทุกข์เลยใช่ไหมถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราต้องมาทุกคนเลยเราเราะที่เราไม่รู้จักเวลาเวลาที่เราทํากรรมฐานไม่ว่าจะเป็นชีวิตประจําวันหรือว่าเวลาปฏิบัติ นั่งสมาธิแล้วเราระลึกรู้สึกตัวว่าเรานั่งอยู่นิ่งๆมันทำให้ความคิดมันน้อยลงไปเวระันควรจะมีอะไรไว้กำกับใจดีกว่าถ้าอยู่กับพื้นทรแล้วอยู่กับลมหายใจมันจะทำให้จ็บมันมีมีที่ยึดไม่ให้ไหลไปกับความคิด ถ้าเรานิ่งอยู่เฉยๆรู้สึกแค่ว่ารู้สึกตัวว่านั่งอยู่แบบนี้มันก็มนไม่ไดถ้ถ้ามันไม่มีความคิอะไรแล้วนั่งแล้วมันมีความสบายก็ได้ถ้าจิตมันว่างปราศจากความคิดก็ได้แล้วเวลาในชีวิตประจําวันนี่เราก็รู้สึกตัวไปเรื่อยๆก็เหมือนกันก็เหมือนให้เยให้เฉยๆเห็นอะไรก็เฉยๆไปเห็นเห็นอาไก็สัตว์แต่ว่าเห็นได้ยินอะไรก็สัตว์แต่ว่าได้ยิน อยาไปมีอารมณ์กับสิ่งที่เรารับรู้เราสัมผัสรับรู้ด้วยการที่มันจะเติบโตขึ้นหรือจเจริญขึ้นนี่คือเราจะไม่ทุกข์ ก, กับอาใส่ทั้งหดรอบตัวอะไรทั้งหมดทั้งข้างนอกทั้งข้างในของภายนอกกายร่างกายแเราของข้างในใจเราทุกอย่างเราจะไม่ทุกข์กับมัน ที่อย่างที่อาจารย์ชอบพูดบอกว่าเวลาทุกสิ่งทุกอย่างมาก็เหมือนกับลมเหมือนกับฝนเหมือนกับธรรมชาติที่เราไม่สามารถจะบังคับมันได้เป็นอนัตตาเป็นธรรมชาติเราปอยขอยให้มันพัดไปขอให้มันตกไปเวลาที่เราปฏิบัติเนี่ยเราไม่ต้องเห็นสามแง่ว่าเป็นทุกขังอ น, นิจจังหรือว่าอ น, นิจ อนัตตาแต่เราเห็นเพียงด้านเดียวพ็ไ ด, ด, ด้ด้านใดด้านหนึก็ได้เหมือนกันมันใช้ดับทุกได้กันดับความอยากได้อพออยากจะไม่แก่ก็เอาร่างกายมันไม่เที่ยงเนเราห้ามมันไม่ได้ใช่ไหม ม, มันก็หยุดความอยากได้พอหยุดได้มันก็ไม่ทุกเวลาร่างกายแก่ก็แก่ทําไงได้ เราจะเห็ น, นว่ามันเป็นทุกข์ก็ได้ทุกข์เพราะว่ามันพอมันแก่มันก็มันก็น ล, ลําบากเราก็ต้องอยู่ประมาณไปต้องดูแลมันไปเรื่องดูมันก็เป็นกองทุกข์ขึ้นมา แ, แล้วแต่เราจะบองในแนง่ไหนก็ได้ไดมองรับร่าให้เราปล่อยวางได้ก็ใช้ได้การปฏิบัติเนี่ยมันทําให้เราเอาชนะกับทุกสิ่งได้แม้ว่าจะเป็น ถูกสิ่งอย่างที่เข้ามาเราจะเอาชนะมันได้อ๋อเราไม่ได้เอาชนะมันหรอกเราเอาเราเร า, เราปรับความเข้าใจแล้วให้อยู่กับมันให้ได้ไม่ได้เอาชนะใครชนะกิเลสอย่างเดียวชนะความโลภความโกรธความหลง่ที่เราชนะอย่างอื่นเราไม่เอาชนะอย่างอื่นเราปรับความเข้าใจว่าเขาเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ื่ออยู่รับ รับเขาให้ได้ว่าเขาเป็นอย่างนี้ไม่ต้องไปชนะเขาไม่ต้องไปเปลี่ยนเขาเจ้าค่ะใจหมเจ้าค่ะขอบขอบพระคุณเจ้าค่ะโอเคสาธุมันปางอะไรเชิญศีราราชค่ะกับนวัตการเจ้าค่ะ อวันนี้โยมได้ฟังพระอาจารย์พูดถึงเรื่องของของอาวลีที่ว่าทุกบ่อมีบารมีมาเกิดทุกบ่อมี อ, อันยาบ่เกิดสามบารมีบารมีบ่เกิดสามรอบเลยจ้ะค่ะเพราะว่าตอนที่ขับรถมาก็เอาซีดีของพระอาจารย์เปิดก็ก็ได้ยินคนํานี้อาจารย์ได้พูดถึงรุ่งของการาบาเพ็ญบารมีทานของพระพุทธเจ้าสิบชาติซึ่งมันก็ค่อนข้างยากเหมือนกัน ตัวนี้โยมชอบมากเลยนะคะฟังกี่ทีกี่ทีโยมก็ยังรู้สึกว่าเป็นของใหม่โยมทุกทุกครั้งนี่ก็ฟ<ม>ังไปไเรื่อยๆฟังแล้วไปปฏิบัติให้ได้ค่ะโยมจะพยายามค่ะบางทีก็มีตั้งเจ้าค่ะแต่ว่าก็ต้องต้องพยายามเพราะก็ยังเราก็ยังเป็นผู้ปฏิบัติเริ่มต้นอยู่โ hmm. ยมมีคําถามเจ้าค่ะคือเมื่อเมื่อวันก่อนโยมได้มีคุยกับลูกสาวถึงเรื่องของ ความทุกข์ที่เกิดจากการเรียนซึ่งเขาเลือกเขาเลือกเรียนสายวิงวิชาฟิสิกส์เนี่ยเขาไม่ค่อยชอบเลยแล้วเขาก็จะรู้สึกเกิดความทุกข์บางครั้งจะเขาพยายามอย่างเช่นสอนให้นั่งสมาธิก็นั่งสมาธิแล้วรู้สึกว่าดีแต่ว่าพอคิดมาว่าเอาหนูจะต้องเรียนฟิสิกส์ละเขาก็มีความทุกข์เกิดขึ้นมาตัวนี้เนี่ยมันเกิดจากความไม่อยากต้องไม่ชอบความไม่ชอบความไม่ชเราสามารถที่จะให เด็กๆอย่างวัยรุ่นแบบเนี้ยค่ะเขาคิดแบบไหนได้บ้างหรือจ๊ะคะก็ให้เขาคิดชอบให้ได้ชอบดูด้วยเหตุผลเว่าถ้าถ้าถ้าเรียนวิชานี้ได้เราสามารถเราไปใช้ประโยชน์อะไรได้มากมายกายกรร ม, อ, มอย่าไปผลิตเครื่องบินอย่าไปผลิตอะไรมันก็ต้องรู้จักเรื่องฟิสิกส์ก่อนให้เขาเห็นคุณประโยชน์ของวิชาที่เขาเรียนเราก็เห็นคุณค่าประโยชน์แล้วที่มันเข้าเปลี่ยนใจไนดะ้ มันตอนเขาไม่รู้ว่าเรียนไปทําไมเรียนไปแล้วรู้จะไปใช้ทําอะไรี้มันก็ทําให้เขาไม่ชอบชเพราะมันยากมันต้องใช้ความคิดมากามันก็เลยยาะแต่ถ้าถ้าบอกเขาว่าเนี่ยวิชานี้มันจะทําให้เราเป็นคนที่ฉลาดคนที่เก่งอันนี้มันก็ จ, จะทําให้เขามีมีความยินดีชอบกันก็ได้ให้เขายอมรับกับกับสิ่งที่เขาต้องทำ ให้เขาเห็นว่าสิ่งที่เขาทำนี่มันมีคุณค่ามีคุณประโยชน์ครับเขาต่อไปเนี่ยแต่ถ้าเขาไม่เห็นก็ก็ช่วยไม่ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องของเขาก็อาจจะเด็กบางคนก็เปลี่ยนเป็นสาขาเลยแล้วก็มีเด็กที่บ้านอำเภอที่เราช่วยเหลือส่งค่าเรียนให้เขาเขาได้ธรรมศาสตร์แต่เขาไปเรียนทางวิชาวิทยาศาสตร์อะไรทักอย่างเราก็เรียนไม่รู้เรื่อง ตอนนี้เขามาเปลี่ยนเรียนอย่างอื่นแทนเจ๊ก็เสียเวลาไปปีหน่ก็ไม่เป็นไรก็บอกว่าเมื่อมันไม่ถูกกับเราว่าเรียนไปมันก็เรียนไปไม่รอดก็อย่าไปเรียนดีกว่าค่ะโยมก็มีแนะนําว่ายมอยากให้เรียนกศนอแล้วก็เรียนวิชาที่สามารถที่จะไปต่างประเทศที่เขาเป็นพวกสาขาต่างประเทศภาษาต่างประเทศได้จ้ะค่ะก็ให้เขาเลือกสิ่งที่เขาชอบดีกว่าอย่าไปอย่าไปบังคับให้เรียนในสิ่งที่เขาไม่ชอบ เพราะสิ่งที่เขาชอบนะก็จะมีความความยินดีที่จะเรียน <ทะ S 2> ฉันทาะไยคําคว่าฉันทะใชชอบพอ ม, มีฉันทะมีความชอบแล้วความขยันมันมาเองเนียเวลาเราทําใำที่เราชอบนี่น ไ, มไม่คีดเกีเ่ยวนะใช่ไหมไม่คิดเกี่ยวก็ได้แล้วใจก็จดจ่ออ ย, อยู่ไอ้สิ่งที่เราชอบไม่ไปคิดเรื่องอื่นเลยอย่างเด็กเล่นเกมสมัเนี้มันเล่นชอบเล่นเกมมันขยันนั่งเล่นเกมทั้งวันใ่ไหม แต่เดีวนี้พวกเล่นเกมนี่ช่วงดีนะเดี๋ยวนี้มีมีวิชาชีพที่เขาจะสามารถจ้างพวกเด็กที่เล่นเกมเก่งๆามาอาชีพอะไรรู้มเป็นเป็นเป็นคนคอยควบคุมระบบการเดิมอยู่ที่เขาคอยเพาะพวกนี่ต้องดูที่จออยู่ตลอดเวลาเหมือนเราดูเกมเลยเดี๋ยวนี้เขาที่อเมริกาก็าเริ่มเริจ้างเด็กพวกเด็กที่เล่นเกมเก่งๆเนี้ยให้มาทํางานช่วย ช่วยจัดการระบบการการบินของเครื่องบินที่จะลงสนามขึ้นสนามเนี่ยอขาเรียกแ i r c คอ t r o l l เ r อ๋อโอเควากแล้วครับวงเด็กที่เล่นเกมนี้ก็มีสมาธิอยู่กับจออยู่ตลอดเวลาค่ะหนูก็เรียนในวิชาที่หนูชอบก็แล้วกันถ้าถไม่ถูกกับสายวิเคราะห์ไปเปลี่ยนเป็นสายสายสินไปหรือถ้ายังอยากไปสายวิทย์ก็ต้อง ต้องบอกตัวเองว่าวิชานี้มันดีนะมันทําให้เราเก่ง น, นะถ้าเราเรียนฟิสิกส์ได้แสดงว่าเราจะสามารถทําอะไรได้เยอะนะเด็คนที่ไม่รู้จักฟิสิกส์ทำไม่ได้อยากมีจะทํามในเรื่องกันทําสมาธิไหมลูกเพราะว่าเริ่มสอนให้ลูกสาวเขานั่งสมาธิแล้วจ้ะค่ะคือการมีสมาธิมันทําให้ใจเราไม่ลอยเวลาอ่านหนังสือใจเราก็จะรู้เรื่อง อ่านอยู่กับเรื่องที่เราอ่านมันก็จะเข้าใจง่ายจําได้ง่ายจําจได้นานแต่ถ้าไม่มีสมาธิอ่านไปใจก็คิดถึงเพื่อนคิดถึงที่ที่นู่นที่นี่อ่านไปก็ไม่รู้เรื่องจำอะไรก็จําไม่ได้เอาไปสอบระสอบไม่ได้ mm hmm. ในการฝึกสมาธินี่จะทําให้เรามีสมาธิมีสติที่จะสามารถเรียนรู้อะไรได้ง่ายได้เร็วและจดจําได้นาน จะมีประโยชน์มากลองหันหันนั่งนั่งดูนั่งดูลงหายใจเข้าออกไปเ ร, รปือุทโธพุทโธไปทำตามแมาเ่เวลาแ ม, ม่านั่งก็นั่งนั่งกับแม่จ้าค่ะมีคำถามเพิ่ไมไหมลูกไม่มีเจ้าค่ะอยู่ระดับไหนแล้วตอนนี้อยู่ม .4 ค่ ะ, ะม .4 ก็ต้องเลื้อนว่าให้สายวิสและสายศิลกันหรือย่างนึงไม่ถี่นิน มมลูกสาวเลือกใสวิทย์นะคะแต่ว่าเหมือนเขาชอบใสสินแต่ว่าเหมือนเขาคง<ม>ตามใจคนณย่าคุณพ่ออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ไปตามใจคนอื่นตามใจตัวเราสายไหนก็ได้เพราะมันสามารถจะไปทําอาชีพได้ห า, ห า, ห, าหากินเลี้ยงปากเลี้ยงข้องได้เหมือนกันนั<า>่นพยายามเรียนในสิ่งที่เราชอบดีกว่าโยมว่าจะเอาหนังสือเปิดใจเปิดทําให้ให้ลูกสาวดูเพราะว่าชีวิตของพระจานทร์ช่วงเป็นคลราวาตอนที่ไปอยู่เมืองนอกก็น่าสนใจมากจ้ะค่ะ ก็ได้ถ้าก็พอจะได้ก็ถ้าไม่ได้ก็อย่าไปยัดเยียดให้กับเขาเลยหลายคนให้เขาซึมซาบเข้าไปเยอะและแคลน้อยเของพวกนี้มันไม่ใช่ของที่จะยัดเยียดให้กันได้เดี๋ค่ะโอเคนะมีอะไรไหมไม่มีค่ะแต่พยายามที่จะปฏิบัติธรรมแล้วก็สอนพูกไปด้วยเจ้าค่ะโอเคค่ะต่อไปท่านต่อไปนะคุณประเสริฐนะคุณประเสริฐอาจาอยู่ที่ไหน ผมอยู่กรุงเทพครับผมมีคำถามไหมก็พอดีว่าที่ผ่านมาเมื่อประมาณสักสามอาทิตย์เนี่ยครับได้มีโอกาสฟังธรรมะของพระอาจารย์พอฟังแล้วก็รู้สึกเหมือนเหมือนเข้าใจตรงมากขึ้นจนรู้สึกเบื่อหน่ายพอมีทุกอย่างก็เบื่อหน่ายก็เลยเกิดความรู้สึก ก็เลยมาถือสินแปดตามที่ว่าจาย์แนะนำแล้วก็เลยโกนหัว ด, ด้วยแล้วก็เลยมาปฏิบัติเพิ่มขึ้นคราวนี้พอปฏิบัติแล้วเหมือนทุกอย่างมันยังหยาบอะครับก็เลยลดอาหารแล้วก็ปฏิบัตินั่งสมาธิให้หนักขึ้นแต่ ด้วยเวลาหลับตาแล้วมันก็ยังมีสิ่งมารบกวนอยู่เสมอๆ อ, อยากให้ป้าจันแนะนําำครับก็ไม่มีสติไงนะก็ฝึกสติอยู่เรื่อยๆก่อนมานันพุดโทรพูดโธไปยืนควายจดจ่อก้อดูการกระทําต่างๆของทางาาาร่างกายอย่าปล่อให้ใจไปลอยไปคิดเยอะไปไหนพอมานั่งมันจะมันมา น, นั่งก็มันก็จะอยู่กับลมนได้อยู่กับพุดโธรไนดะ้ครับ พอมาอดอาหารถือสินแปดปุ๊บมันก็มีกิเลสเพราะมันหิวอะครับแล้วก็เลยเกิดความอยากจิตมันก็เลยจินตนาการไปถึงอาหารก็พยายามจับลมคราวนี้พอจับลมแล้วมันก็หลุดก็ร่างกายมันอยากก็เลยอยากเจอหากุศโลบายมาช่วยเพ่งนะครับใช้พุโทโธเดาน้องท่านพุโทโธพุโทโธไป นืถ้ามันสั้นไปก็ลองสวดเอทิพิโสไปไหนายร้านจบก็ได้ครับ mm hmm. คราวนี้พอมองเห็นว่าในชีวิตตัวเองมันก็มีแต่ทุกข์อะครับถึงมีทุกอย่างก็ยังทุกมีบ้านก็ยังทุกมีบริวารก็ยังทุกก็เลยรู้สึกเบื่อหน่ายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็เป็นการเบื่อหน่ายที่ดีเพีแต่ว่าอย่ า, ยามันอย่าปล่อยให้มันมา ทำให้เราใจเราทุกข์ก็แล้วกันเบื่อหน่ายเพราะเห็นว่ามันไม่ใช่เป็นความสุขที่แทจ้จริงครับเบื่อหน่ายเพื่อให้เราไปหาความสุขแบบใหม่นี้ใช้ได้แต่อย่าไปเบื่อหน่ายจนกระทั่งไม่อยากจะมีชีวิตอยู่ต่อไปนันก็ไม่ถูกระวัง่ะเห็นเห็นอย่างนั้นแหละครับเบื่อหน่ายเพราะว่าถึงมีอะไรมันก็ยังเป็นทุกข์อยู่เสมอเสมอแล้วโชดีโชคดีมีพระเจ้ามาบอกว่ามีมีความสุขแบบหนึ่ง ที่ดีกว่าค่ะมีความสุขที่กระจากการปฏิบัติธรรมนี้ครับเวลาปฏิบัติไปนี่ก็คือเพื่อที่จะให้เราละวางความให้มีความสุขให้มีความครับจริงๆถึงแม้ไม่เป็นโสดาบันหรืออะไรถ้าจิตเราวางอย่างเป็นธรรมมีความสุขแล้วมันก็โอเคแล้วใช่ไหมครับมันแค่จะปล่อยวางไปเรื่อยๆมันก็จะเป็นโวดาไปเองโดยอัตโนมัติเราไครับ คือมันไม่ยึดมันไม่ยึดไม่ติดกับอะไรมันมันสามารถมีความสุขอยู่กับความว่างได้คถ้ะทางใจให้สงบได้คือจริงๆธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้ซับซ้อนก็คือว่าเราแค่วางอารมณ์ไม่ให้มันทุกข์เสมอๆปล่อยตัวที่มันจะมาเร่งหรือมากระตุ้นเราไปทีละตัวทีละตัวเรื่อยๆมันก็ไปของมันเองถูกไหมครับใช่ แต่ก็้อมีเครื่องมือต้องมีสติสติเนี่ยเป็นเครื่องมือสำคัญครเครื่องมือชิ้นที่สามก็คือสมาธิไอ้ปัญญาทั้งสองตัวนี้เร า, เราจะปล่อยอารมณ์ทุกอย่างได้ปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างที่เราไปทุกข์กับมันได้ครับปัญญาผมก็ได้จากการมาฟังพระอาจารย์เมื่อสองสามอาทิตย์ที่ผ่านมาเวลาที่ไาจะไปดูคลิปยูทูปพระอาจารย์เรื่องความว่างบ้างเรื่องพัดภาคบ้างทําให้รู้สึกเบื่อหน่าย พอเบอ่อนายเสร็จปุ๊บก็เลยมองเห็นว่าพวกนี้มันไม่จีรังยั่งยืนสุดท้ายแล้วเนี่ยพอได้เข้ามาฟังพระอาจารย์ออตอบคำถามหนึ่งครั้งก็เลยมีความเข้าใจว่าจริงๆแล้วการปฏิบัติมันไม่ได้ยุ่งยากมากใช่ไหมครับแค<ล>่เราเนี่ยปล่อยตัวครับครับปล่อยไปทีละตัวทีละตัวใช่ไหมครับใช่กค้างที่อยากอะไรก็ตัดมันอยากจะมีแฟนก็ตัดมันไป อยากท่ามวยก็ตัดมันไปอยากจะซื้อนอตใหม่ก็ตัดมไปครับแล้วพอทําไม่ได้ก็หากุสโลบายมาดับมันเท่านั้นใช่ไหมครับ อ, อก็หาปัญสดงปัญญาเรายังมองไม่หว่ามันเป็นทุกข์มันเป็นตายแล้วปัญญามองให้เห็นได้ครั บ, รบพอมองชัดอย่างนั้นแล้วมันก็ไม่มีอะไรแล้วถูกไหมครับมันก็จะเบื่อหน่ายทุกสิ่งทุกอย่างแต่เบื่อหน่ายแบบไม่ทุกข์ครับเบื่อหน่ายแบบหล<บ><บ>อด ปล่อยวางปล่อยวางครับเมื่อเราปล่อยวางแล้วเราก็จะไม่เกิดพวกอารมณ์โกรธอารมณ์อยากอะไรพวกนี้ใจเราจะนิ่งใจเราจะนิ่งสงบสบายครับจริงๆแล้วการปฏิบัติสมาธิหรือการเจริญปัญญาอย่างที่พูดพูดกันมันก็คือต้องการเพียงแค่นี้ถูกไหมครับอาจารย์ใชใจสงบใจปล่อยวางครับเรื่องนิบมงนิมิตรอะไรจริงๆแล้วไม่จําเป็นเลย ไม่ต้องไปสนใจอยากไปยิ้มกับมันดีครับขอแค่รู้สึกว่าเราปล่อยถ้าเราวางเราไม่ทุกข์กับมันแค่นี้มันก็คือธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนมาใช่ไหมครับได้ยินอะไรก็เฉยใครด่าก็เฉยใครชมก็เฉยครับส่วนจะเรียกสัพท์ว่าอุเบกขาหรืออะไรก็ช่างมันไม่ต้องไปยืนติดแค่สนใจความหมายก็แล้วกันครับ คือเราไม่ต้องรู้ว่ามันชื่ออะไรขอแค่ว่าเราหมดความอยากความรู้สึกความทุกข์ไม่วุ่นวายอะไรกับใครปล่อยวางไม่วุ่นวายจิตใจเราปล่อยเป็นอารมณ์กลางๆไปเรื่อยๆอย่างนี้ก็ถือว่าฝึกมาถูกทางใช่ไหมครับใช่ครับอีกคำถามหนึ่งครับอาจารย์พอฝึกมาได้สักสามสีอาทิตย์อย่างหนักๆก็เลยรู้สึกเหมือนว่าอยากจะไปปฏิบัติธรรมที่วัดนะครับ ก็เลยมีความอยากฟังความเห็นนั้นพาอาจารย์ว <Japan> ่าจะไปสู่การบวชนี่มันจะเป็นจริงๆแล้วเป็นคารวาดก็สามารถปล่อยได้หรือเปล่าครับหรือว่าถ้าบวชปัางชาติท่านอยู่ให้ใช้กับครูบาอาจารย์ที่ท่านปล่อยแล้วได้จะง่ายกว่ามีคนมันมีโค้ดฮัตตีท่นนิดเองกับตีกับตีกับมือหนึ่งของเมืองไทยเนี่ยมันมันต่างกันใช่ไครับ พรอเราหัดตีเองบางทีก็ทําทผิดทําถูกมากนะแต่ถ้าไปหัดกับค้นี่โค้ชเขาจะรู้เลยพอเรผิดครับเขาจะเตือนทันทีเขาจะห้ามทันทีครั บ, รบยิ่งถ้าไปบวชได้ิ่ดีไปบวชแล้วไปอยู่กับพระครูบาอาจารย์ที่ท่านเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบครับสมัยหนึ่งผมเคยบวชกับสมเด็จพระสังฆราชนะครับที่วัดบว ร, รบแล้วก็ได้ไปฝึกกับหลวงปู่ล่า ครับถ้าจะยึดตัวนองปูรา่าเนี่ยถึงว่าใช้ได้ยอดเยี่ยมพี่สครับคราวนี้เนี่ยก็เลยพอจะจำอารมณ์ได้บ้างก็คือว่าเราค่อยๆปล่อยตัวทั้งอผมใช้ใช้กุสโลบายโดยการลดอาหารให้หนักครับเพื่อลดความกำหนักแลวหลังจากนั้ น, นก็ให้เพ่งอาหารทั้งหลายเนี่ยให้เป็นของของผูดเน่าค ร, ครับเป็นอสูภะ คราวนี้ร่างกายมันก็เบาลงละเอียดลงพวกเนี้ยต่างๆกุศโลบายเราต่างๆเหล่าเนี้ยมันช่วยให้จิตเราเนี่ยปล่อยวางความอยากต่างๆใช่ไหมครับชเพื่อให้นิ่งเป้ามายคืล่าล่ากินเนยทับนกความอยากต่างตครับกินก็กินแบบสัตว์แต่ว่ากินไปกินมันกินยาไม่ได้กินเพื่อลดชาติเพื่อตามมาเลยเท่าไรไม่ได้กินเพื่อความสดครับกินเพื่อระามหิวครับ แล้วก็ให้ไม่เกิดความอยากใช่ไหมครับออคราวนี้ก็แค่เราดูไปทีละตัวว่าถ้าเกี่ยวกับเรื่องอาหารก็มองแบบนั้นถ้าเกี่ยวกับเรื่องความกหนักก็ให้มองเรื่องสรากศพอาสวะใช่ไหมครับถ้าเรื่องความโกรธก็ให้หากุศโลบายต่างๆมาแก้ไปทีละตัวทีละตัวใช่ไหมครับถ้าเก็มันต้องดูที่เหตุว่าอะไรทําให้เราโกรธ ก็ความอยากอยากให้เขาทําอย่างนั้นทอย่างนี้พอเขาไม่ทําให้เราเราก็โกระขัดใจครับเนี่ยเราก็อยากประหยัดอย่ากประหยากได้เลยจากใครมันก็จะไม่กอดครับครับนะครับคราวนี้สมาธิตัวนี้ก็แค่เป็นสติให้เรามองเห็นมันทันท่วงทีมันเป็นตัวที่ทำให้เราหยุดได้เฉยได้สมาธิถ้าไม่มีสมาธิมันจะเฉยไม่ได้ถึงแม้จะรู้แต่ก็เฉยไม่ได้ ครับเพรนั้นต้องฝึกสมาธิเยอะๆครับก็เลยกลายเป็นตัวที่จําเป็นที่จะมาคุมสติเพื่อที่จะมองเห็นสิ่งต่างๆที่มันมันเล้าจิตใจเราให้เกิดความทุกข์ทันท่วงทีเท่านั้นเองใช่ไ้มครับใช่เพื่อกาจัดความความความอยากต่างๆที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ทั้งมลายครับเราพยายามปฏิบัติสติสมาธิปัญญาสตัวนี้สําคัญที่ บางมีเสียงเป็นเครื่องสนับสนุนแะอุบายต่างๆพรอาหารเดินเดินกรมนานๆอะไรนี้มันเป็นเป็นเครื่องมือครับเครื่องมือก็คือกุศโลบายที่จะพาเราเอให้เรามีพลังสร้างจิตให้มีพลังต้านกิเลสได้ครับครับสาธุกับพรอาจารย์มาถูกทางแล้วเราขากระดูกได้เข้าไปเลยนะครับ อาจจะไปบวชที่วัดพราจางครับอวันนี้อย่ามาดีกว่าเพรมันเป็นวัดที่ค่อนข้างที่จะเขาเขาจะเน้นไปทางทางปริยัติใช่ไหกป่าเนี้ยเาไม่สนใจทำปฏิบัติอ๋อค่ะงั้นก็มามามาดูได้แต่มันมันรู้สึกว่ามันจะค่อนข้างที่จะมันมันไม่หมวอ่าสายวัดป่าไม่เหมือนเก่าสายวัดป่าโดยตรง วันวนหลงปูล้างไม่ว่าอะไรทงนั้นดีกว่าเพราะมันเป็นเป็นของแทงนวนที่นี่มันระดับทองเคอะ้วไ้าสิบห้าสิบอยากฟังธรรมะอาจารย์เพราะว่ากลับมาเนก็สามารถเข้ามาติดตามทาง YouTube ทางเพซบุ๊กหน้ามาอยู่ที่เับเราเขาไม่ได้คุยกับเรานะรับไม่มีเวลาเวลาเอามาทำกิจกรต่างๆใก็ต้องทำมันบินระบาดก็บินระบาดฉันก็ฉันน้ำบาดอะไรต้องทำมันเอง จะไม่มีเวลามาคุยเหมือนตอนนี้หรอกงั้นถ้าอยากจะต้องเรียนรู้ต้องเข้ามาในช่วงที่เราแสดงธรรมอย่างในียในซูงอะไรอย่างนี้ไปอยู่ที่ไหนก็สามารถเข้ามาได้ครับคือไม่แนะนาให้มาบทที่นี่ออกมาก็ไม่ห้ามมาก็ไม่ห้ามนั้นเดี๋ยวคือพระอาจารย์ตัดช้อยไปเลยใช่ไหมครับแล้วบางทีเขาจะไม่รับเพราะว่ามีมีท่านอย่งคุณสุพัฒน์เนี่ยที่เข้ามาห้องซูนเขาเข้ามา เขาจะมาขอบวชที่นี่แล้วทางทางทางผู้รับรบวชเ้าก็ปฏิเสธใน่รับไปกอเขาก็เขาไม่ต้องการให้ปฏิบัติเขาต้องการให้มาหัดไหว้ภาพสวมมดมนตนองบวชทําวัดเช้าเย็นอะไ ร, รอย่างเงี้ก่อนห้าปีอย่างงี้ยอ๋อครับในคนที่เขาปฏิบัติได้เขาก็ไม่เอาเคขาก็มีเข้าไปเข้าไปบวชที่บ้านเขาแล้วเข้าไปไปไปพาวนาอยู่บนเขาคนเดียว อ๋อครับครับอย่างนั้นจะถ้ามามมมถูกทางอย่างถูกทา ง, ทางตรงเลยเลยครับแต่แตทางทางพวกปริญญาเขาอกว่าไม่มีภูมิไปไม่ได้หรอกต้องเรียนนัดทำตีโท่เองต้องเรียนอะไรไปก่อนครับล้วก็พอดีพ อ, พอดีกลับมาศึกษาธรรมะครั้งนี้ได้พระได้ความรู้จากป้าจาันในย t u b e กับ a c e b o o k กันครับก็เลยเกิดความเลื่อมใสก็เลย แต่ยังไม่เคยไปวัดนะครับแล้วก็นี่เป็นครั้งแรกที่ซูมเข้ามาก็จะอยากจะปฏิบัติทําให้มันหนักมากขึ้นนะครับก็เลยอยากจะปรึกษาพระอาจารย์ได้ทาไปทางภาคอีสานได้แต่วุ ด, ดอนวัดเยียรวัดสายลูกเสือหลวงปู่โมงตามหาบัวนี้ไปอยู่วัดไหนก็ได้ครับครับครับคือไปลองที่เริ่มต้นที่วัดปาบวัดตากก็ได้แล้วถ่อยไปแล้วค่อยไป ถามต่อไปว่าเป็นที่ไหนที่วันเล็กวันสงบมีครูบาอาจารย์เข้มเข้มงวดขันดีอะไรครับแต่ที่ผมเรียนกราบถามพระอาจารย์มานี้ก็คือมาถูกทางแล้วถูกไหมครับ ถ, ถ, ถูกทางแล้วรู้จักแนวทางแนละ้วเพียงแต่ต้องหาสนามสอบฮะหาสนามปฏิบัติท่านเองครับครับขอบคุณอาจารย์ครับโอเคนะ อันนี้ไม่ลังเกียจไม่ได้ลังเกียจนะคือแต่ว่ามามาที่นี่แล้วมันจะเป็นแบบมันไม่ได้ท่องแท้นะสนามสอบไม่เป็นสนามสอบ ท, ที่ที่เอื้อต่อการปฏิบัติเนี่ยครับครับสิบอ้าสิครับผมคุณอนุมาแก้ววัอันนี้เขาจากอุดรจากวัดป่าบ้านตัดตา่างไงาไปบ้านตาัดทุกวันนะับจาช่วงนี้ก็ปิดวันแล้วใช่ไหมเด็กยั ง, งเข้าไปได้อยู่ เสียงไม่มาไปนอนลงมาคือตอนที่คุณเข้ามาผมไม่ได้เปิดสั่งให้เปิดใหม่มันน็นยังเสียงไม่เข้าแลตอนนี้ต้องกลับเข้ามาใหม่พูดไม่ได้เสียงเลยเดี๋ยวไปที่ท่านอื่นตานะพูดนอนลงมาขอทนด้วยอ่าคุณสอนดวงนะสอนดวงเ<อ>ชิญจากสอนเกศนมนสการพระอาจารย์เป็นยังไงสบายดีไหม สวัสดีค่ะพระอาจารย์มีอะไรไ้ยวันนี้มีสองคำถามค่ะพระอาจารย์เชิญคือว่ากับเรียนถามพระอาจารย์ค่ะว่าลูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเราอยู่ในเวทนาแล้วต่อไปจะละสัญญากับสังขารเพื่อไม่ให้ไปเกิดเป็นวิญญาณได้อย่างไรพระอาจารย์อันนี้หนูเข้าใจถูกไหมคะ ไม่ใช่ไม่ถูกเราเข้าใจถึงเออชีวิตเราเนี่ยตัวเราเนี่ยมีโซนมีรูปกับนามรูปประคันก็คือร่างกายนามมังค์ก็คือเวทนาสัญญาสังขารัญญาซึ่งเป็นส่วนของใจไอไอพวกนี้เราไม่ต้องไปละมันแล้เพียงแตรู้จักวิธีใช้มันให้ให้ถูกทางนั่นเองตอนนี้เราใช้สัญญาสังขารไปในทางของกิเลส คิดไปนในทางที่เล็กจำได้นในทางที่เลวกมันก็เลยทําให้เราสร้างความทุกข์ให้กับใจของเราสร้างความอยากสต่างให้เราต้องมาเกิดใหม่เรื่อยๆให้เราต้องมาแก้ที่ตัวสัญญาสังขารด้วยการใช้ปัญญาสติปัญญานี้ยมาเปลี่ยนอย่างที่จะเห็นว่าทุกอย่างในโลกนี้เป็นสุขเป็นของเราะ อันนี้ต้องมองว่ามันไม่ใช่มันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ของเรามันไม่เที่ยมอันนี้คือการแก้ปัญหาตัวตัวตัวขันนามขันทั้งสีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้เราเราเราเพียงแต่ต้องมารู้จักใช้มันให้มันถูกทางแล้วนี่คือตัวตัวสัญญาสังขารสองตัวนี้แล้วมันยอดถ้าใช้มันถูกทางมันก็จะไม่สร้างทุกขเวทนาขึ้นมามันก็จะสร้าง มันก็จะสร้างแต่ความสุขความสงบให้กับใจค่ะส่วนร่างกายนี้ก็เป็นรูปรูปมันก็เราก็ต้องรู้ว่ามันเป็นของชั่วคราวร่างกายของเรานี้มันไม่ใช่ตัวเรามันเกิดได้แล้ ว, วมันก็น้องแก่เจ็บตายไปข้อสองนะคะพรอาจารย์จะจะสลัดสะสมบัติได้ไหม่าจะสลัด สับสมบัติทีเดียวได้ไหมครัะอาจารย์ อ, อ๋อถ้าเรายังต้องใช้มันอยู่ก็ไม่ได้เราต้องเราต้องลดการพึ่งพาสายมันให้น้อยลงไปเรื่อยๆด้วยการเลิใช้มันใช้มันน้อยลงไป เ, เ, มมไเรื่ยอยๆกระทั่งกราทั่งมีว้ทเฉพาะใช้เปลยนตาการเลี้ยงดูปากท้องเท่านี้เอาลงทาระาไปได้อี ลื้อละได้ตอนนี้ไปบททีได้หรือเ ป, ปเปล่ายังค <c oughs> รับอาจารย์ยังไม่ได้ใช่ไหมค่ะ <c oughs> แต่แต่ว่าไม่ไม่มีความรู้สึกอะไรเลยค่ะอาจารย์แบบว่ามันเฉยเฉยอะคะ่ะเฮ้ยไม่อยากรวยเลยแต่ก็ยังยังต้องมีอยู่ใช่ไหมก็ยังต้องใช้มันอย <c oughs> <c oughs> <c oughs> <ๆ>ู่ก็เฉยเฉยอะค่ะพระอาจารย์แต่ว่าก็อยู่ๆตรงนี้ปฏิบัติตรงนี้ไปก่อนนะคะพรอาจารย์ ก็อย so, ่าไปวุ่นวายกับการหาเงินหาทองมากจนเกิดไปก็แล้วกันพอมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้ก็พอเพื่อจะได้เาเวลามาปะหาธรรมะมาปฏิบัติธรรมอาจารย์อาจารย์นะสาธุครับคุณท่านผ่อนเชิญนักสการ์คราบประดาบครับวันนี้ไม่มีคําถามครับ อันนี้มาฟังกันเจ้าค่ะเฉยยนะโอเคแล้วค่ะเดี๋ยวไปที่มนุษทีวาต่อคนมณุษทีวาอากกอทอมอใช่ค่ะพะอาจารย์วันนี้ไม่มีคำถามเหมือนเดิมเจ้าค่ะอห็คุณจอยต่อเลยจอยจากปทุมธานีนอนเบุรีค่ะอ่นนเชีบุรีนอนอนอนด้วอ่าลูกชายมาแล้วเลยยังไม่นอนเลย ออ<ห>อย่่างสวัสดีครับสวัสดีครับผมไม่ได้ใส่บาตหลงตาเลยนะอย่างนี้หนูหนูอยากหนูสงสัยว่าถ้าเราใส่บาทรพระหน้าบ้านใช่ไหมคะแล้วแล้วเราใส่ปัดใจเป็นในบาทนี้ได้ไหมคะแล้วแต่ว่าท่านรับหรือไม่รับถ้าท่านรับก็ใส่ได้ถ้าไม่รับก็ต้องให้ฝากลูกศิษย์ถ้ามีลูกศิษย์มาก็ฝากลูกศิษย์ไป เราไม่ไม่ผิดใช่ไหมคะอ่าเราไม่ผิดหรอกผิดแต่พระท่านผิดเพราะมีกฎห้าแม่พระรับของรับเงินทองกำเนิดต้องฝากไว้กับลูกศิษย์อ๋อแล้วคือวันนั้นหนูนั่งสมาธิค่ะแล้วตัวหนูมันมันโยกเองเหมือนจะเหมือนจะล้มแต่รู้สึกตัวอย่างนี้คือมันเป็นเองใช่ไหมคะสติมันน้อยนะสติมันมันใกล้จะหลับนะมันใกล้จะหมดนะ แต่ก็รู้ตัวอยู่แต่วกต็ต้องพุดโธทมัยต้องพูดโทพูดโธให้มันเติงขึ้นมาแติงที่มันจะได้ไม่โยกก็มีเท่านี้ค่ะก็ปฏิบัติอยู่แต่ก็กําลังคู่กับกีเลสค่ะแล้ว<อ>ไม่เป็นไรเป<ม>็นเป็นเรื่องธรรมนาการปฏิบัติก็คือการต่อสู้กับกีเรศนี่พอพอแบบจะถือถิ่ก็อยู่กับลูกแล้วลูกกินเราก็กินกับลูกด้วยไม่เป็นไรก็ยัง ยังต้องยอมยอมมันไปก่อนเพราะเรามันมี ม, มีมีภาระมีอะไรต่างๆที่ยัต้องทําค่ะทำทําำที่ทําได้ก็แล้วถ้าสินนะสินแปดไม่ได้ก็เอาสินเจ็ดก็ได้น ะ, ะนั่นแหละค่ะหนูหนูสงสัยว่าถ้าเราถ้าเราเราอยู่กาบแฟนแล้วเราเขาอยามีเขาอยากมีสินข้อสามแต่เราไม่อยากมีอย่างนี้เราแล้วเราไม่ให้มีเราเราผิดไหยคะ ผิดมันไม่ผิดสีนะมันมันผิดใจเขามนเลยเดี๋ยวดีไม่ดีเขาก็อยากจะเลิกกับเราไปหาของข้างนอกแทนจะถ้าเป็นอย่างนั้นได้หนูก็ไม่ว่าเพราะว่าก็บอกก็เลยก็หบอกก็เลยมองไม่ว่าบอกเขาเขาก็เขาก็จะดา่าอ่านั่นเองก็ยังก็ต้องยองเขาไปก่อนเพื่อไม่ให้เขาด่าเราก็ต้องยอมตามๆที่ก็เพราะนี่มันเป็นหน้าที่ของเราเห็นไหมมันมันมันเหมือนกับว่ามันเหมือนกับว่าตอนอยู่พัทยาก็ดีอยู่แล้วพอมาอีต้องมาเจออย่างนี้ก็ มันก็แต่มันก็ต้องตามน้ําไปใช่ไหมค ะ, ะเพราะว่าอยู่ที่นู่นเราอยู่กับลูกเราไม่มีเขาแต่ว่าอแต่ว่าเราอยู่ใกล้ข<อ>เขาเขาก็อยากเขาก็อยากจะมีอะไรกับเรา<ข>อหร<ข>อไอู้กครตามน้ําใช่ไหมคะอ่าก็นต้องตามไปเขาไม่ไม่ผิดอนะไไม่ผิดสินห้าเพงแต่ผิดสินแปดสินแปดคือค่าร่วมหลับนั่งไม่ร่วมหลับนอนกันก็เปลี่ยนมาเป็นสินห้ากามีไป การเมย์ก็ร่วมหลับนอนกับสามีก็ไม่ผิดสินใจยังไงถอดแล้วก็บางทีมันก็ผิดใจแล้วก็ต้องก็ต้องตามน้ำไปก่อนอ่าบางทีก็เป็นสินหก<อ>ไปบางทีก็สินเจ็ดบางทีก็สินแปดแล้วแต่กรณีก็รักษาไปเท่าที่รยรักษาได้ไป<อ>ออแปนก็รับษา่แล้วแล้วหลงแล้วหลงพ่อฉีดวัคซีนหรือยังคะ ฉีดเข็มได้ไปแล้วเข็มที่สองนี้นอาทิตย์หน้าฉีดหน้าก็วันเนี้ยวันนี้แม่หนูไปฉีดที่วัดยานค่ะเขาก็ยังพูดอยู่ว่าวก็บอกแม่อยู่ว่าพระจาจาร์ก็ฉีดที่วัดยานอ่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเขาจะมาฉีดให้ที่ที่วัดเลยหมอก็าจะมาฉีดกห้เพราะมีพระหลายมด้วยกั น, นกที่ต้องฉีดพร้อมกันคือแม่ได้ฉีดแล้วแต่หนูยังไม่ได้ฉีดเลยเพราะว่าหนู อ, อายุมันไม่เยอะเราอ่าเราต้องเราชิวไปก่อนก็เวลาพยายามใส่หน้ากากไว้เวลาไปข้างนอกนะ อยากไปรอฉีดวัคซีนแล้วจะได้ไปใส่บัตรไปหาแม่ได้ถ้ามาได้ก็ดีตอนนี้อยู่บ้านก่อนรักษาตัวไว้ก่อนนะที่ใส่บัตรตอนนี้คนเยอะไหมคะก็ลดลงหน่อยบางคนเขาก็ไม่กล้าออกมาเพราะสงวนแต่ก็ไม่น้อยไม่ไม่ไม่ไม่ไมไมลดมากับางวันก็เยอะโอรแม่เขาฉีดวัคซีนแล้วเผื่อเขาจะได้ไปได้ได้บอกอเขาตามใจเขาอย่าไปอย่าไปบังคับก่อนนะ ค่ะไม่วางค่บเพราะเขาศรัทธาพระอาจารย์มากค่ะแม่ค่ะมีแค่นี้ค่ะโอเคสาธุสุภัสราจาก Dallas, Texas สเชิญกลับนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะเป็นยังไงลูกมีหนึ่งคำถามคือสงสัยอะเจ้าค่ะพอดีฟังเทนมาแล้วค่ะก็เลยสงสัยว่าคือถ้าสมมุติว่าขณะที่ลูกแบบ ตายอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแล้วถ้าลูกแบบคือกําหนดลมหายใจก็คือถ้าการกําหนดลมหายใจเนี่ยก็คือจะใช้กายในการเกาะใช่ไหมคะทีละถ้าสมมุติว่าคือลูกอยากรู้ทราบความต่างระหว่างใช้ลมหายใจกับการสวดมนต์นะเจ้าค่ะถ้าสวดมนต์เนี่ยก็คืออาศัยสังขารในการเกาะทีนี้รูปกับสังขารเวลาจะใช้ตอนตายเนี่ยมันมีความเหมือนหรือความต่างกันยังไงอะเจ้าคะ ถ้าเราดูลมได้ดูลมดีกว่าพรจะได้ไม่ต้องใช้ฝวาคิดเนี่สังขารในความคิดตึงตันแต่ถ้าเราดูลมไม่ได้เราว็ต้องใช้สังขารคิดไปกับบทสวดมนต์เพื่อไม่ให้ไปคิดถึงความความอยากไม่ตายเนี่ยอะไรต่างๆทีนี้หมายหมายความว่าพราะาจะหมายความว่าถ้าสมมติว่าถ้าใกล้ตายถ้าฝึกใช้ลมหายใจจะมีความสงบสงบมากกว่ามันสบายกว่าไม่ต้องไปเหนือ แต่ถ้าสวนไม่แต่แต่ท่านดูลงไม่ได้จิตยังกลัวตายยังวุ่นวายอยู่ก็เอามาส่วนนแทนแต่ถ้า<ก>จิไม่มไวุ่นวายจิตชี้เฉยไม่เดือดร้อนก็ดูลงไปออแล้วก็บอกว่าอ <ha. S 2> ายใจเข้าถ้าม่หายใจออกก็ตายหายใจออกแล้วไม่หายใจเข้าก็ตายปัญญา บ, บอกแค่นี้แล้วค่ะแล้วค่ะเพราะว่าตอนที่ก่อนจะนอนเนี่ยลูกจะพยายาม ฝึกเหมือนตัวเองจะตายจอนนอนนะเจ้าค่ะก็เลยบอกว่าก็ตอนแรกก็สวดมนต์ก่อนพอสวดมนต์เสร็จเหนื่อยก็จะดูลมตามไปเจ้าค่ะให้หลับไปแบบนั้นปิดเหมือนกับเวลาตายก็แบบเดียวกันก็คือเจ้าค่ะก็คือถ้าสมมุติว่าลูกยังดูลมไม่ได้ลูกก็สวดมนต์ไปก่อนแล้วก็ริบกลับมาดูที่ลมหายใจเพื่อที่จะให้คลายไป ตรงนี้ใช่ไมเจ้าค่ะให้สงบตามลงถ้ากลับถ้ากับมาไม่ได้ก็อยู่กับวัดสวนบันไปก่อนะจัาหวะมันจะอยู่ส่วนแล้วก็ก็มาดูผลต่อนะเจ้าค่ะยังต้องการสวดต่อไปสวดไปก็ได้เจ้าค่ะใช่เราจะขาดขอบขอบพระคุณเจ้าค่ะมีแค่หนึ่งคำถามเจ้าค่ะโอเคค่ะตัวกลับขอบพระคุณเจ้าค่ะคนเดียวเดียวกับคนเกียรติวสุพัฒนาพริวสุ จากประเทศสเปนสบายดีนะท่านผู้แม่ลูกสวัสดีครับมีอะไรไหมมีเจา้าค่ะหลวงพ่อเจา้าค่ะช่วงสองสามวันนี้ลูกรู้สึกไม่ดีเลยเจา้าค่ะรู้สึกวุ่นวายอยู่กับคนสัตว์สิ่งของเจา้าค่ะหลวงพ่อพอดีปกติลูกไม่เคยฆ่าสัตว์เลยแล้วก็อ่าเพราะว่า กลัวแม่บ้านมาทำขักสะอาดแล้วพอดีหน้าช่วงนี้หน้าร้อนมันมันมีมดแล้วเราก็กลัวถ้าแม่บ้านมาทำขักสะอาดแล้วเดี๋ยวเขาจะฆ่ามันตายไปอย่างเงี้ยลูกก็พยายามที่จะจับมันออกไปข้างนอกแล้วก็แล้วก็ที่จะฉีดยาทางเดินเพื่อไม่ให้เขาเข้ามาแล้วเขาจะได้ไม่ตายแล้วพอดีลูกก็ฉีดแล้วลูกไม่รู้ว่ามันมีพอฉีดไปปุ๊บแมลงมุมมันวิ่งเข้ามาแล้วอ๋อแล้วเขาตายหรือเปล่าแล้วมันทําให้จิตลูกเหมือนเหมือนแบบว่า เหมือนเหมือนจิตไม่เหมือนจิตเอาเป็นทุกว่าอุ๊ยฉัาไม่ได้เจตนานะอะไรเงี้ยรถถอดตายเปล่าอย่างเงี้ยเจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะจิตมันไปคล่องนะคะค่ะกถ้าเราไม่มีความตั้งใจที่จะทํำก็เลยจงไม่ไม่เป็นเหมือนเราขับรถไปแล้วรถมาวิ่งข้ามตัดหน้ารถรถชนตายก็เหมือนกันเจ้าค่ะหลวงพ่อแล้วกบบ ช่งเขามันสาปกติพรลูกจะแข้งอยู่แล้วปกติไม่ใเคยคาสาเลยก็อย่าแข้งนี่ก็ทำเกิดความทุกข์นี่แสดงว่าแข้งเกิดไปเพราะยอมรับ ว, ว่าเราอยู่ในโลกอนิจจ์ไม่มีอะไรแน่นอนมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอทั้งกับเขาทั้งกับเราเจ้าค่ะมันเลยแบบทําให้ลูกไปรู้สึกแบบไปวุ่นวายมันสุดตรงไปมันอยากจะให้บริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็น ใ น, านทางภาพเป็นจริงบางที่มันไม่ได้100ร้อยอร์เซนมันมีมันมีเรื่องที่มันก็เรียกว่าสุดวิสัยันี่เป็นเรื่องสุดวิสัยแล้มไม่ใช่เป็นมีเจตนาเขาเขาถือว่าเป็นกรรมของเขาและของเราไปก็แล้วแต่ขอบขอบขอบคุณเจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะพระองค์จะได้มีอยู่ในขาได้จะได้กลับมาที่อยู่ในขาได้แต่ทั้งหลายมีกรรมเป็นของอของตนทับกรรมอันใดไว้ก็ต้องเป็นผู้รับผิดองกรรมนั้นพอดี เขาอัดดันมีเข้ามาหาไฟหาหาลูกประสุนเองก็เช่วยไม่ได้เราไม่ได้ไปตั้งใจไปทํา้ายเขาเข้ามาเข้ามาเองเจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะขอบพระคุณเะ้าคะลูกอุตายแล้วข้าพรรศาด้วยตายแล้วสินเราอืผ่องบปเนี่ยมันทําให้ลูกแบบเหมือนอย่าอย่าอย่าไปเท่งจนเกินไปอย่าไยากว่ามันต้องบอยสุดขูดต่ำไปเหมือนผ้าขาว ถ้าขาวเดี๋ยวมีน้ําอะไรหยดลงไปหยดหนึ่งก็โหยวุ่นวายดูส่วนเหนือเลยทั้งเผยมันยังขาวอยู่มเในจุดเดียว น, นั่นเองน้ำมูลแต่ไปมองจุดเดียวก็เลยเใช่ค่ะหลวงพ่อส <นะ S 2> าวขอบคุณค่ะมองกันแบบกว้างๆเราเรก็ยังรักษาศีลอยู่เห็นได้ว่าอาจจะมีด่างคล้อยว่างเป็นเรื่องเหตุสุดวิสัยไม่ได้ดการจิตนาก็ยอมรับ ว, ว่าไม่ได้คะแนนเต็มร้อยนัหนึ่งไม่มีเป็นไรได้เก้าจาก้าไป เจค่ะเจ้าพ อ, า อ, พอนอพอ ไ, ได้สบายใจได้ขอบอบประคุณเจ้าค่ะถ้ายังต้องไปปรงมาบัตเลย ท, ท, ทุกทุกสิบห้าวันลงบอดทีไปปรุงมาบัดอผมเผอไม่เหยียบมวดเข้าอะไรอย่างนั้ น, นอย่างนี้มันเป็นเรื่องสุดวิสัยลูกลูกก็บอดแล้วค่ะลูกก็นัง่ง <c oughs> หวัวลูกไม่เจตนาลูกว่าที่เจ็ตนาหรอก ทำไม่ดีที่สุดได้กันแต่ด้เท่าไหร่ก็เท่านั้นอย่าไปตั้งเป้าว่าตั้งอยเปอร์เซ็น้าพอไม่ได้มันก็ไปเครียดข้นมเจ้าค่ะมันทําให้จิตรู้สึกจิตเราตอบฝันไปตอบกิเลสก็ค่ะใช่เจค่ะใช่จ้องค่ะบอกว่าทาไม่ดีที่สุดได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นถ้าได้ร้อยก็ดีท้าได้เก้าสิบเก้าก็ดีเจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะกลับขอบพระคุณค่ะแล้วก็เลยไปพ่า เลยไปผ่านสาวนีน้น่ากลายเป็น เ, เป็นเรื่องเวลาไม่ใหญ่เลยใคก็ปเป็นเนุ่ยนี่ก็ต้องไปเดือนล้นกับเราเลยไปผ่านสาวนี้ว่าเนี่ยเนี่ยแมวตอนเนี้แบบเขารักสษาแล้วแมวมาเยอะแล้วพอเราแบบเวลาที่จะนั่งสมาธิแบบน้อยลองเนีย่ยไปผ่านคนละใช่ค่ะโอเคนะเวลานี้แหละ กับขอบพระคุณเจ้าค่ะหลวงพ่อกับคอยหลวงพ่อรักษาสุขภาพนะเจ้าค่ะสาธุกับอนุโมทนากับที่โยมจัดอาหารมาถวายนะสาธุสาธุเจ้าค่ะต่อไปคุณคุณหมอภาสนาใชคุณหมอวันนี้เข้าเข้าสายนะเข้ามาเลยเขาแต่เช้าคุณพระอาจารย์ขงใส่กล้องมันติดพระอาจารย์มันหายไปนะ ได้หายไปดังๆล่าวว่าสงสัยแต่ไม่ได้ถามพระอาจารย์คะก็มีคําถามข้อเดียวคะ่ะพระอาจารย์วันนี้ก็คือเจอคาถามเรื่องจิตเหมือนเดิมนะคะพระอาจารย์ก็คือว่าาในระหว่างที่เราพิจารณาคือออกจากสมาธิในทั้งวันในการพิจารณาเนี่ยเราพิจาเราดูจิตเนี่ยเพื่อที่จะละสมุทยัยตัดความอยากในเรื่องโลภโกรธใช่ไหมคะแล ะ, ะคําถามคือว่าถ้าอย่างนั้นแหะเราเพยายามเปลี่ยนสัญญายแบบที่พระอาจารย์แนะนําเขาที่แล้วโดวยที่เจ ร, ริญมรรคตุสติแล้วก็ ดูเรื่องทุกขังแล้วก็เรื่องของใจรักของบุษฐานเนี่ยทําให้เราเปลี่ยนสัญญาตรงความหลงมันทําให้เราละความระบบความโกรธได้ลึกขึ้นใช่ไหมครับอาจารย์มันรู้สึกว่ามันดีขึ้นถ้าเกิดเราเหมือนกับว่าอย่างเงี้ยครับอาจารย์อะไถามอาจารย์เพราะกำลังทำเรื่องความโกรธความหลงเอกอยากให้มันหายไปจริงๆอาจารย์ก็มันก็ต้องละความอยากละความโกรธก็จะหายไปคือทําใจให้ยินดีตามมีตามเกิดค่ะ อะไรมาก็ดได้ใครใครชมก็ได้ใครด่าก็ได้มันก็จะไม่เกดิดถ้าไปอยากให้เขาชมอย่างเดียวเพราะเขาไม่ชมเราก็กดเขานะหรือ ไ, ไปอยากใ ห, <c oughs> ให้เขาไม่ด่าเราเพราะเขาด่าเราเราก็โกรธใช่ไหมเรตัดความอยากเหลเานี้ออกไปเพราะเราไปสั่งเขาไม่ได้ <c oughs> สั่งให้เขาชมเราอย่างเดียวไม่ได้สั่งให้เขาลากเราอย่างเดียวไม่ได้บางคนก็ลักเรามาคนก็ชังเรา นีค่คนคนเดียวกันเคยรักก็มาชางังเราทีนั้นก็ได้เปลี่ยนใจเอยจาอย่างรักชาบอยากไปยงอยากับอะไรค่ะคำถามคือว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราแค่ไม่อยากปุ๊บมันก็คือถ้าเกิดพอเรา เพราะถ้าคือถ้ า, ถ า, ถาตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราคิดว่าเอไม่คิดแล้วไม่อยากมันก็คือไม่อยากได้แต่ว่ามีความรู้สึกว่ามันต้องลึกกว่านั้นไหมพระอาจารย์คือให้รู้เหตุผลไหมว่ามันต้องไม่อยากเพราะอะไรคือแบบเดี๋ยวก็ตายแล้วเดี๋ยวเป็นคันเป็ดต้องต้องลึกขนาดนั้นไหมพระอาจารย์คือหรือว่าเราแค่แล้วแต่ว่าเราหยุดมันได้เปล่าใช่หยุดไม่ได้ก็ต้องมองลึเข้าไปถ้าหยุดได้ก็ไม่ต้องลึกแล้วอ๋อถ้าลึกเนี่ยถ้ายังยังยังหยุดนั้นไม่ได้ก็ต้องมองให้ความันทุกข์นะทุกข์จริงๆนะเห็นทุกข์รึเปล่าค่ะ ค่ะแล้วถ้าเกิดว่ า, าตอนช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงที่กค่อนข้างจะกักตัวใช่ไหมคะก็จะมีสมาธิมีสติอยู่เนี่ยบางทีเนี่ยไอ้ความโลภความโกรธมันจะไม่ค่อยมันไม่ค่อยขึ้นมาเราต้องไปขุดหรือว่าต้องหาตัวอย่างมาไหมอย่างเช่นแบบ ก, กาแฟเงี้ยเราเลิกไล้แล้วเนี่ยเราก็มาตั้งดูเอ้อเราไม่มีบุญกิตเราไม่กินได้ต้องมีการทดสอบอย่างนี้ไหมคะอาจารย์ถ้าเราถ้าเราอยากจะทดสอบก็ได้ถ้าเราไม่มั่นใจก็เราทดสอบก็ได้ค่ะ ถ้าเราถ้ารู้สึกว่าเฉยๆกับมันนั้นต้องเห็นจะป็นจะต้องไปทดสอบได้ค่ะได้ชอบย้อนกับถามอาจารย์นี่ต่อไม่ไม่มีถ้ามันต่อไปมันก็ต้องไปอยู่คนเดียวแล้วก็อยู่กับไม่มีอะไรเลยนอกจากปัจจัยสี่นั้นพออยู่กับปัจจัยสี่ทนั้นพออย่าเช่ขาปัจจัยห้าหกเจ็ดแปดเก้าเลยไม่มีแล้วไม่มีสามีไม่มีภรรยานี่ไม่มีลูกไม่มีอะไร อยู่คนเดียวหลดเดียวเดียวได้ชไม่มีฐานะไม่เลยเป็นคุณหมอไม่เลยเป็นอะไรอะไรตอนนี้โหลดรูปในโทรศัพท์ค่ะเป็นเป็นกระดูกที่สี่อันเลยอ่ะคือแบบมองตรงน้องแล้วก็ลูกๆยอะไรยเงี้ยคือมองเอาไว้ทุกวันทุกวันว่ามันธะัดคลาสานแล้วก็เป็นธาตุดินลงไฟแล้วก็จะลงไปในเป็นดินเลยก็คือเอามันดูทุกวัน อ, อย่างเงี้ยนคะัะจากเตรียมตัวไว้กอ่อนพะาจารย์เขาชอบเตรียมตัวไว้ก่อนเนี่ยนะก็ดีเตรียมไว้ดีความไม่ประมาท ถามหมดแล้วครัอาจารย์โ <Okay. S 2> ชคดีไม่โ ด, ด <laughs> นคุณดีอ่นดีหายไปไหนที่ตอนดีอาานอกไปอยู่ที่ไหนสตูลเนี่ยตอนนี้อยู่<ำ>ที่สตูลจ้งางกลับมาสักการงค่ะค่ะพอดีลงมาเยี่ยมแม่ตอนช่วงเดือนที่แล้ววันที่ไปใส่บาตรพระอาจารย์วันสุดท้ายอะค่ะได้ไปใส่บาตรครั้งสุดท้ายแล้วก็เดินทางลงมาเยี่ยมแม่ที่ใต้แต่ทีนี้ติดล็อกดาวกลับไปไม่ได้อะค่ะ ถ้าได้อยู่ต่อคุณแม่จะได้อยู่กับแม่นานๆค่ะมั น, นมก็มีเรื่องให้เราวุ่นวายหลายอย่างทั้งทั้งทั้งที่นู่นแล้วก็ที่บ้านกเุบเทพไม่มีปัญหามันก็ไม่ปัญญาก็ไม่เกิดต้องมี<ช>ปัญหาไม่ค่าก็ไม่เกิดพยายามเนี่ยใช้สติให้มากแล้วเราจะได้แก้ไขปัญหาไปทีละอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเลยไม่ได้เข้ามาหลายอาทิตย์มันมันมีปัญหาหลายอย่างแเราต้องช่วยเขาแก้ไขก็เล ย, <า>ยไม่ค่อย เข้ามาเขาไม่ได้นั่เข้ามาค่ะแต่ว่าไม่ได้ทิ้งนะคะก็ยังฝากในเซสไม่ไม่เคยคิดไม่เคยคิดว่าจะทิ้งไม่หนูไม่ทิ้งแต่ว่าเหมือนพอเราเหมือนเราไม่พร้อมก็ต้องวางตรงนี้ก่อนต้องไปแก้อย่างอื่นอ่ะค่ะก็เลยแต่ว่าไม่ได้ทิ้งตรงนี้เดี๋ยวถ้าพร้อมเดี๋ยวหนูค่อยกลับมานั่งปฏิบัติใหม่ค่ะพอาจารย์ช่วงนี้ หลายอย่างเหลือเกินที่บ้านน้องสาวเพิ่งติดโควิดน้องเคยหลานสาวกําลังติดหาเตียงหาโงรงพยาบาลวุ่นวายหลายอย่างะะอ่ะค่ะแต่ไม่ได้หยุดด้วยกันนะค ะ, ะเขาอยู่ที่กรุงเทพเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงถ้าหมดล็อกดาวได้กลับไปพัทยาเดี๋ยวหนูจะรีบไปใส่บาตพระอาจารย์นะคะ ค, ค่ะไม่ไม่มีอะไรถามแต่ว่าดีใจมากที่วันนี้ได้เข้ามาฟังค่ะเป็นน้ำอารมณ์จิตใจมากเลยค่ะพระอาจารย์ทําให้หนูมสติอีกครั้งแล้วค่ะ ดีมากค่ะชอบตรงบทสนทนาของพระอาจารย์กับคุณหมอที่ว่าใช้คําน้ำหน้าว่าไอโฟน่ะคะรู้สึกดีมากเลยคุณหมอเผู้หญิงที่ว่าอันนั้นก็เป็นหมอฟันเหมือนกันคุณหมอมีจิตเมตตาเป็นอาจารย์ที่มหอดลค่ะนะฟังแนั้นเรโมทนากับคุณหมอไปด้วยค่ะคือฟังชุดนั้นเรารู้สึกเรารู้สึกรู้สึกอิาเนหมือนเขานะอยากจะเป็นเหมือนเขานะ ค่ะค่ะหนูไม่มีอะไรแล้วค่ะพระอาจารย์ให้พระอาจารย์รักษาสุขภาพทัดขนันมากๆนะคะได้<น>ถึงตลอดค่ะโอเคยังไงที่คุณประโยชน์ต่อเลยคุณประโยชน์เช่นอยู่ที่ไหนการธรรมศาสกร์พระอาจารย์อยู่ที่อำเภอปัวจังหวัดน่านครับอ่าเคยเข้ามาแล้วใช่ไหมครับเคยเข้ามาแล้วครับไม่มีคําถาม ค, ครับเข้ามาฟังเฉยๆครับ เข้าไปที่คุณทําธรรมวันนะคุณธรรมวันลองข้ามใครไปทัคนไม่เวลาคุณธรรมวันกันเลยว่ากลับมาที่จัดการแล้วว่าจัดการเจ้าค่ะพระาจารได้ยินไม่เจ้าค่าะได้ยินชจจัดเจนเลยเชิญพูดได้เลยมีคำถามเลยค่ะคือโยมอายุห้าสิบแปดออกจาก ง, งานมาหลายปีแล้วเราก็อยู่คนเดียวไม่มีลูกไม่มีสามีไม่มีครอบครัวพ่อแม่ตายหมดแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะอยากจะ อยากจะใช้ชีวิตที่เหลือเนี่ยไปในทางทำทั้งหมดเลยตอนนี้ก็ก็ก็หัดที่จะจากศิล5ห้าก็มาศิล8แปดแบบโควิดมันไม่มีร้านแต่ผมก็โกนเองอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แต่ว่าพยายามจะทำอย่างพระอาจารย์ที่ที่ตอนก่อนพระอาจารย์บวชที่อยู่คนเดียวใช่ไหมเจ้าคะทีนี้คำถามก็คือว่าคือยมไม่ทราบว่าว พออยู่ในห้องคนเดียวห้องวิเวกเนี่ยมันจะต้องแบบ t ท t a l l y แบบปฏิบัติตลอดทั้งวันทั้งคืนแบบแบบอย่างนั้นเลยหรือเปล่าละคะ<ำ>เช่นทำทำเทำ่าที่เราทําได้ไปก่อนแลค่เพิ่มไปก็ได้เช่นโยมจะทําเ่นตีห้านั่งสมาธิครึ่งชั่วโมงทุกทุสามชั่วโมงนั่ครึ่งชั่วโมงทุกสามชั่วโมงนั่งครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยค่ะเพื่อให้ใหมีให้มีสติหรือว่าเราต้องทําอย่างนี้นีง น, น, นี้แล้วก็ ใช้อานาปันสติมาโดยตลอดนะเจ้าค่ะแต่พอเวลาครึ่งชั่วโมงที่ไม่ได้หลังจากหลังจากภาวนาแล้วเนี่ยเวลาทํางานบ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะใช้ก็จะดูกายเอาใช้กายคตาสติก็พยายามดูแบบความเคลื่อนไหวอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะตแต่ท้ายเจ้าค่ะแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยโยมก็ไม่ทราบว่ามันจะต้องเล่นสปีด ค, ความเคร่งขนาดไหนที่โยมจะแบบ คือโยมมันนึกภาพตัวเองว่าจะตายแบบเป็นแม่ชีอยู่ในวัดอย่างเงี้ยแล้วค่ะ <S <s ก็ก็เตรียมพร้อมที่จะที่จะฝึกตอนอยู่ในห้องตัวเองอยู่เพราะอยู่คนเดียวทีนี้โยมก็เลยไม่ทราบว่ า, ววาต้องทําอะไรมากกว่า น, นี้อีกที่คือคือช่วงนี้โยมคิดมากวางแผนเช่นปีหน้าจะต้องหาวัดอยู่วัดไหนที่ไม่ ไม่วุ่นวายแต่ไม่วุ่นวายไม่ต้องใช้แม่ชีทํางานทั้งวันแับจางทั้งวันทำกับข้าวทั้งวันอะไรเงี้ยมีเวลาพอคนอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะนี่ตอนนีปฏิบัติเจ้าก็มาให้ทํางานอะไรนอกจากท้าวชีช่วงเช้าช่วยกันที่ร้องโคว่าแม่ชีนะเจ้าค่ะอที่ไหนนะเจ้าค่ะก็ไม่จำที่วัดป่าม้นต่าก็ได้นะถามพวกคนที่ก็ปฏิบัติกันมีวันสาขาของหลวงตาเยอะเจ้าค่ะ เจ้าค่ะแล้วโยมนั่งสมาธิวันหนึ่งห้าหกลอดอย่างเงี้ยค่ะแต่โยมไม่ไม่เอาอะไรเลยเนะพาต้องลงอย่างเดียวต้องต้องการสมาธิต้องการความสงบเพียงอย่างเดียวนะั้นคือเป้าหมายา ข, อของการปฏิบัติของเราต้องการให้ใจในมมี้สงบมีความสุขไปทั้งวันไม่เบื่ออันนี้ต้องพยายามทําให้ได้มันจะเบื่อนะถ้าเราอยู่ปฏิบัติไปเรื่อยๆเนี้ยมันจะเบื่อ ร่างใจให้สงแล้วมันมันจะเปิดขึ้นมาออ๋เราก็ต้องพยายามทําใจให้สงบกลับไปอย่าไปทําอย่างอื่นพอมันเบื่อแนะเดี๋ยวมันจะกลับไปทําอย่างอื่นที่เคยทำเช่นไปดูหนังไปทําอะไรอย่างอางื่นอย่าอย่าปล่อยมันกลับไปทําทางนั้นเออมีโยบติดอยู่อย่างเดียวคือทีวีเนะี้ยโยมจะเปิดบางทีโยบจะเปิดดูข่าวเช่นตอนนี้ ม, นมีกีฬาออลิม อโอลิมปิก<ล>ไม่เปิดป ด, ดูอย่างนี้เลยยจากรมวยจากมันไปเลยถ้าถ้าถ้าจิตเข้มแข็งพอมวยจากได้ก็มวยจากรไอยากไปมีเลยไม่ต้องไปรู้เรื่องข่าวแล้วขาวว่าวก็คือทุกคนตายเนี่ยไม่ต้องกลัวรับประกรันได้ีนขา่าวแท้ไม่ใช่ข่าวปลอมแต่คนที่เกิดมาแล้วต้องตายหมดไม่ต้องไปติดตามข่าวให้เสียเวลาเด้อค่ะนั่นเป็นปัญหาเดียวของโยมพี่โยมเนี่ยรู้สึก ดูหน่อยดูหนอ ย, อย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วมันจะไปดู<น>ไม่หน่อยหรอกเพราะมันดูว่าเดี๋ยวมันก็ยาวไปเลย<ม>อืมแล้วมันติดเนี่ยแสดงยังติดทีวีอยู่ยกใบจากไปเลยให้คนอื่ไปเลยอย่าไปมีมันดีกว่าเจ้าค่ะแต่ถ้ายังทําไม่ได้ก็ไม่ว่านะเดี๋ยวจะหาว่าเราเ อ, อบังคับไม่ใช่บังคับเนี่ยแต่เพียงจะบอกว่าไม่ค่ะจะเริ่มฝึกจะเริ่ม จะเริ่มฝึกว่าน้อยลงน้อยลงหรือเจอหักดิบแบบพระอาจารย์บอกเนี่ยเราจะคากํำลังคิดอยู่เจ้าค่ะก็ลองหักดิบชั่วงข่าวก็ได้อย่างพวกใบใบจากนี่นะครับบางครั้ง อ, อสาสจะเจ็ดวันนี้ไม่ไม่ดูสักเจ็ดวันดูอะไรนี่ในวันหนึงน <c oughs> ่งอนุญาตมันดูเพียงชั่วโมงเดียวอย่างนี้ก็ได้ให้หมีกําหนดเวลาก็ได้มันมีกรอบไว้ถ้าจะดูข่าวก็เอาเวลาข่าวอย่างเดียวพอพอจบข่าวแล้วก็ปิด ไม่ไปดูอะไรต่อห้ามดูโอลิมปิกกันเลยเชื่อไหมมันต่อไปใช่ไหมมันจะยาวไปเรื่อย <laughs> แตโยไม่ดูหนังไม่ดูละครไม่ดูใดๆเลยนะคะโยไม่หนังรกเราไม่ชอบมันเก็ไม่ดูมันเราไปดูสิ่งที่เราชอบโอลิมปิกไงทำไมชอบค่ะเราก็คื อ, ค, อคือทําตอนนี้ทํำอย่างนี้ไปแล้วก็ ภรษาพอดีก็เลยพยายามจะเริ่มสินแปดตั้งแต่ต้นภรรษาปวนหัวไม่ทำอะไรเดือนหนึ่งออกจากบ้านสักออกจากห้องนี้สักสองหนเท่านั้นเองเจ้าค่ะเพื่อไปซื้อของมาเตุเย็นไว้ทำอะไรทานเองนี่ค่ะค่ะดีดีเร<า>เราพระอาจารย์จะทำยังไงให้ คือถ้าไปบวชเป็นชีเนี่ยโยมต้องเข้มข้นกว่านี้ใช่ไหมเจ้าคะ ก, ก็การเข้มข้นนี่มันไม่ได้อยู่ที่เราบวชหรือไม่มบวชมันอยู่ที่ตัวเราบมาคับตัวเราเองได้หรือไม่ไมากกว่าเพราะแม่ชีนี่ไม่เหมือนกับพระแม่ชีนี่จะไม่ค่อยมีมีคนมาคุมเหมือนกับพระถ้ า, าเป็นพระ <spectral S 1> โยมกุาอาจารย์ที่ดูน่าจะเป็นพระที่มี่กุบาอาจารย์ให้มันมีข้อวัดที่ควบคุมพระตลอดเวลา แต่เป็นแมทีนี้เขายังไม่มีใครมาคอยควบคุมครับคือแมจะไปอยู่วันของครูบาอาจารย์ท่านก็ปล่อยให้ปฏิบัติไปของเราเองนี่เราต้องบักลับตัวเราเองรูค่ะรู้ค่ะก็มีเท่านี้เจ้าน้านองนั้นก็ไม่มีอะไรเพราะว่าหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยพยายามฝึกตัวเองมากว่า คือไม่พยายามสุขกับอะไรแล้วก็ทุกกับอะไรอะไรสุขมาเนี้ยยมบอกไปว่าเดี๋ยวทุกมันตามมาติดติดติติดอย่างนี้เจ้าค่ะก็เลยวางถูกวางสุขได้ได้ประมาณหนึ่งได้พอสมควรเจ้าค่ะอไม่มีอะไรแล้วเจ้ค่ะพรอยากอยากถักกาลังวางแผนชีวิตเรื่องเรื่องจะสละทุกอย่างแล้วไปอยู่ที่ใดสักที่หนึ่งที่ไม่ใช่บ้าน บื้องต้นจะเดินาไปอยู่ช่วคราวก่อนก็ได้เบื้องต้นก็ลองไปอยู่ชั่วคราวก่อนไปอยู่สามเดือนดูว่าช่วงเข้าพรรษาหรือช่วงไหนก็ได้ดูว่าเป็นยังไงปรับตัวเองได้ไหมแล้วัดที่เราไปอยู่มันดีไหมมันสงบไหข้อส่งเสริมการปฏิบัติหรือเปล่าเจ้าค่ะอย่าเพิ่งไปแบบทันทีทันใดเดี๋ยวไม่มีที่แบคกลับกลับมาเบื้องตอนก็ไปแบบไปทดลองดูก่อน แล้วถ้าไปพบวัดที่ถูกใจโอเคก็ทีนี้ก็อยากจะไปอยู่ที่นั่นประจําถ้าอยู่ได้ก็เลยแล้วก็กย้ายไปเลยไม่นานแต่แต<ล>อนนี้แต่แต่อย่ไปให้ความสมพัญกับเรื่องราวนี้มากนะให้สหําคัญอยู่กับการมีสติคอยควบคุมใจของเราตลอดเวลาอย่าลืมเวลานีนะนบางที่มันวัวเผลอไปอยุ่งกับเรื่องการวางแผนอนาะคตหาที่หาทางไปแล้วก็ลืมเรื่องภาวนาไปไม่ได้ ไม่ค่ะเอาเอาชั่วันนี้อยู่กับตัวเองเอาเป็นเป็นเป็น first priority เจ้เอาอา่นั่นแหละคราบคอยมีสติคอยยับยัมงความคิดความอยากต่างๆไว้อย่าให้มันสร้างความทุกข์ขุ่ความวุ่นวายใจต่างๆให้เกิดขึ้นเจ้าค่ะจต่ขอพ่อคุณเจ้าค่ยู่มีเท่านี้เจ้าค่ะโอเคขอขอยินดีแสดงความยินดีด้วยนะระวังมาของอยาสามารถก้าวไปตามที่วางแผนไว้ได้นะเป็นถูกทางแล้ว่ะแต่ขอพ่อคุณเจ้า แต่ต้องเข้มแข็งต้องกล้าหาญนะไม่ต้องไปกลัวอะไรอย่างมากก็แค่ตายคิดอย่างนี้เจ้าค่ะกล่าวขอบคุณค่ะโอเคมีคการจะนีเหรอเนี่ยปิดกล้าไม่หรือเปล่ามีการจะนีได้ยินเสี ย, ยงไหมวงวงเจ้าล้วนผมไม่ได้ยินเสียงมัในมีใครที่ควรอัพตาไปก็แล้วกันคุณอัพตาเช่นคุณอัตาได้ยินเสียงไหมไม่ได้ยินหมือนกัน คุณนับตาเ f ฟ a คุณนับตาได้ได้ยินโอเคเปิดแล้วเราอยู่ที่ไหนคุณนับตาครับพูดได้เลยเชิญตามธรรมศาสการ์ผู้อาจารย์สุดชาติครับผมเองอยู่ที่ศรีราชาครับศรีราชาที่เองมีคำถามไหมอะไรนะครับมีคำถามอะไรไหมก็ มีก็มีนิดหน่อยครับก็ได้ฟัง <Okay. S 2> คือผมเองได้เดินทางไปกราบพระ อ, อาจารย์บ่อยที่เขานะครับแล้วก็ไปที่วัดยานด้วย <Okay. S 2> แล้วก็ฟังธรรมะทุกเช้าเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติที่พระอาจารย์สอนในธรรมะโดนใจนะครับ mm hmm. ก็เรื่องหนึ่งคือผมเองก็อยู่ในช่วงของ Work ์กฟอร์มผมก็ใช้การปฏิบัติอยู่ที่บ้านโดยการฝึกสมาธิ ก็ดูจิตยอย่างเดียวตอนี้ผมช่วงชวงนี้ก็ใช้ดูจิตตัวเองการดูจิตเนี่ยก็ทำให้รู้สึกสงบแล้วรู้เท่าทันไม่เพ่งไม่เผลอประก่อนผมจะเพ่งอย่างเดียวเพาผมฝึกสมธาธิอ่านบาลานสติจะจะนิ่งอยู่นานแต่ก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรแต่พระอาจารย์บอกให้ดูเรื่องปัญญาด้วยควบคู่กันไปก็เลยนํามาปฏิบัติช่วงโควิดช่วงนี้ครับอยากจะสอบถามพระอาจารย์ว่าถ้าเราปฏิบัติจะพัฒนาขึ้นเนี่ย เราจะไปเรื่องของปัญญาในการกรรมฐานในการพิจารณาสติปัฏฐานสี่ต่อเนื่องอดีไหมครับพระอาจารย์ครับดีบ า, าหมมยก็คือเราต้องศึกษาเรื่องธรรมชาติของร่างกายว่ามันไม่ใช่ตัวเรามันเป็นของไม่เที่ยงสักวันนึงมันก็จะต้องตายไปเราอยากไปทุกขกมันได้หรือเปล่า ความทุกข์ว่าความอยากอยากให้มันเที่ยงอยากให้มันอยู่ไปนานๆเราก็ต้องดับความอยากตัวนี้ให้ได้ด้วยความจริงว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่มันจะอยู่ไปตลอดครับ อ, อันก็เป็นการเจริญปัญญาเกี่ยวกับร่างกายปล่อยวางร่างกายให้ได้อย่าไปกลัวให้มันไม่กลัวความตายให้ได้แล้วก็อผ่านไปแล้วก็ไปที่ทเวท น, นาก็ตัวความเจ็บก็อย่าไป ความเจ็บก็บังคับมันไม่ได้มันจะมามันจะไปมันก็มีเรื่องทุกวันมันจะมาก็รับงปล่มันมามันจะไปก็ปล่อยนไปครับแล้วก็จิตก็อารณ์ต่างๆแล้วณ์เราเมา่วานก็ดีเมื่อนก็ไม่ดีจะไปสั่งมันให้มันดีทุกวันก็ไม่ได้มันนะเราไม่ดื้อก็อยู่กับมันไปไม่ต้องไปทําอะไรเดี๋ยวมันก็หายไปเองเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปจิตมันไม่เที่ยง อารมณ์ไม่เที่ยงตัวจิตอะเทียงตัวจิตไม่มีวันตายอ๋อจิตอ๋อครับ<ล>อารมณ์ไมทีอารมณ์มได่อยู่ในจิตมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวก็สดชื่นแบบบานเดี๋ยวก็ซึงเศร้าอะไรบางทีก็บเบื่อได้ายบางทีก็แล้วแต่นั่นเป็นอารมณ์มันเปลี่ยนไปเป็นมาใด้วยครับก็อปฏิบัติอยู่ที่นี่ก่อนช่วงหนึ่งถ้าถ้าโควิดอ่ไม่ทราบประทางวัดถ้าโควิดมาเป็นแล้วก็จะมี อ๋อโยปิดอ๋อครับแต่ถ้าถ้าจะกราบอาจารย์ก็ต้องไปใส่บาตรที่ที่วัดที่น่านเพอใช่ไหมครับที่บ้านอำเภอใส่บาตรทุกวันทุกเช้าทุกเช้าครับผมก็คงมีเท่านี้ครับกราบต้อมน้องพระพระครูบาอาจารย์ที่ให้ธรรมะกับผมวันนี้นะครับใช่สาธุครับผมไปที่คุณอลิสไบโยทูภา ขอบคุณมากนะค่อบครดเนู่ยหนูเอายกค่ะเอยกะมตาล้วมาสกลับยกปู้าแล้บูไหมมค่ะกลับสมาชกาครับไม่ตดาดูอุ้ยกล้องหายโอเคค่ะเฮ้กดุมโฮมนะคะ เป็นยังไงกันสบายดีทุกคนนะสบายดีสบายดีนคนนะ่ะทำเสร็จแล้วใช่ไหมทำเสร็จแล้วบางส่วนค่ะทางใจเรียนต้องเสียกันนะนรคร่ะรู้สึกว่าผมเริ่มโดนร้องสแสงนะคะเมื่อวานนี้มั่คิงต้องใส่บาตรให้ใช่ไมหมที่บอกใส่ห้าชุดด้วยกันใช่คร่ะเมื่อคืนนะครับผมนั่งสมาธินั่ง นั่งนานว่าผมผมจะหลับแล้วมแม่อยู่แม่ก็เลยบอกว่าอ้าวพอแค่นี้ก่อนแต่พอผมไปดูเห็นน้องน้องยังนิ่งอยู่เลยอ่ะน้องนิ่งน้องนั่งนานกว่าใช่ไหม <c oughs> แสดงว่าเราเรสัญญาณจากแม่เลยนะพอแม่บอกปั๊บเลยเลยลูกเลยใช่ไหม <c oughs> ถ้าผมจะไปแม่ก็บอกว่าอ้าวพอแค่นี้ก่อน รู้กันเลยดีใจเลยใช่ไหมดีใจรอดรสัญญาณรอดตายโอเคถ้าไม่มีอะไรทักทายกันแค่นี้ก็พอนะเพรเดี๋ยวมันเดึกนะเดี๋ยวยังมีคำถ้ามีหลายคนด้วยกันนะขอบคุณครับขอร้องขอรออปลอดภัยนะขอะของตาสุขภาพแข็งแรงนะคะดูค่ะดกั่ดูค่ะดูค่ะดูค่ะค่ะ คนเรียวมีเรียมีแชรเรมีเจ็ดเจ็ดโปรได้ยินไหมเรียวมีเร e วมีรู้จักตัวเองรึเปล่าเจ็ดโปได้ยิ น, ยนอ่ารูได้เลยถอบนังส ก, การ์ครับอาจารย์มีคำถามไหมอยู่ที่ไหนอ่าอยู่ช่วงอาะควาประถงครับมีคำถามอะไรรอเปล่าก็ ไม่มีครับผมแต่ว่าก็จะสัตว์ตามพระอาจารย์ครับสัตวตามพระอาจารย์เสียงไม่ค่อยดีเลยครับขาดแคลนนะครับพระอาจารจาย์ครับผมเวลาเราฟังฟังธรรมะหรือข้อปฏิบัติของขาาครูบาอาจารย์ครับสายไปแล้วเสียงปัญญาไม่ค่อดีเลยคุณ คุณเรีมีคุณเรียวมีต้องปิดต้องปิดอีกเครื่องหนึ่งนะฮะที่ที่เปิดฟังเสียงอยู่นะต้องปิดเครื่องนะั้นเพื่อจะฟังเสียงเครื่องที่คุณเรียวมีใช้อยู่ตอนเนี้ยอ่าครับผมอ่าไล่ เ, เสียงได้ยังครับอาได้แล้วพูดไปเลยอ่าครับผมอ่าพระอาจารย์ครับเวลาเราฟังธรรมะของคุบาอาจารย์แล้วเนี้ยเราเราเข้าใจแล้วเราก็ปฏิบัติ น, นะครับ สักพักหนึ่งแล้วเนี่ยอ่าอ่าจิตใจมันก็ก็เบิกบานดีครับผมเสร็จแล้วอ่ามันก็ไปยิดอารมณ์อื่นเหมาเดิมเราอันนี้เป็นธรรมาของจิตใจที่มันไม่ไม่แน่น อ, อนถูกไหมครับใช่ยังเกาะติดกับสมาธิอยู่ไม่ได้ตลอดมันยังหิวกับอารมณ์อย่างอื่นเข้าพยายามฟังธรรมะบ่อยๆเอามันจะไปก็เดินมันมาบังคับมันฟังธรรมต่อครับอ่าพระอาจารย์ครับ ม, มีมีอยู่ประมาณปีที่แล้วหรือว่าสองปีที่ผ่านมา นะครับเคยปฏิบัติก็คือพุทโธตลอดเหมือนเหมือนอ่าอาจารย์หนุ่ามหาบัวนแนะนำนะครับว่าพุทโธตลอดนะครับตื่นขึ้นมาก็จับพุทโธเลยนะครับรู้สึกรู้สึกแจ่มใสมากเลยครับ<ม>แล้วก็ก็เลยนอนนะครับแล้วก็ฝันไปว่าอ่าหนุ่มจามหาบัวท่านกาลังกวาดลานวัดอยู่นะครับแล้วท่านก็ก็บอกผมว่าเออที่ปฏิบัตอิอยู่นี่ดีแล้วน่าถูกแล้วนะครับ<ม>ก็เลยอันนี้เป็ น, นปฏิญาที่เรา ฟังธามพระอาจ า, ารย์มาหัวอ่าตอนเี่งเลยเป็นความฝันอันนี้จะถูกไมครับพระอาจารย์ครับมันชอบอยู่ในใจเราพเราหมันก็โผล่ขึน้นมาครับผมครับ ข, ขอบขอบคุณพระอาจารย์มากครั บ, บมากครับโอเคสาธุเห็นไปที่มูลการพบเจอเลยมูลกพบได้ไหมกรพบมไม่ได้เปิเดวิดีโอ มัคนคเกตเกนี่ยมันเกตเกเคอีทีนี่ เ, เ, เ, เป็นภาพนิ่งนะอาจารย์ตามในงานมีใครพูดเลยนะนักแสดงว่าก็บคุณเก็เๆเป็นภ า, า, านพนิ่งคนระับ็ไปที่คุณลาคำถามจากเฟซบุ๊กบ้างมีกี่คำถามวันนี้เหลือประมาณยี่สิบนาทีคระคุณลาได้ยินไหมคำถามจาก Facebook มีทั้งหมดสิบสาคำถามหักจาก Facebook, YouTube ของพระอาจารย์แล้วก็ YouTube ของดรวีเจ้าค่ะ า, าสองคำถามแรกจากคุณพิชัยนั่งสมาธิแล้วตัวโยกโครงนานๆเป็นอุปจารสมาธิใช่ไหมครับแล้วควรทำอย่างไรต่อครับไม่ใช่อุปจาระมาธแสดงว่าจะหลับนะไม่มีสติเพราะว่าถ้าถ้ามีสติมันจะนิ่งสมาธิต้องนิ่งทั้งกายทั้งใจ ถ้าจะถ้ากายโยกนี่แสดงว่าสติมันเกือบจะไม่มีแล้วเหมืนอนจะเข้าภาวะหลับนะี่ภาวะหลับมากกว่าเป็นอุปจาระสมาธิเพรนั้นถ้ามันโยกนี้ก็ต้องใช้พุโทโธพุโทโธพุโทโธอมันเลยต้องดึงสติกลับมาให้ได้ด้วยการบริกรรมพุโทโธพุโทโธพุทโธไปอย่าปล่อยพุโทโธถ้าปล่อยแล้วนั่งเฉยๆเนี่ยมันก็สติมันก็หมดมันก็โยก ข้อสองข้อสอคำถามที่สองจากคุณพิชัยการนอนหลับถือว่าได้เป็นการรักษาศีลห้าไหมครับและได้ฟังมาว่าการนอนหลับก็ได้สมาธิแบบธรรมชาติซึ่งต่างกับสมาธิจากการนั่งสมาธิอย่างไรครับเอันนี้มันเป็นเท็จดีว่าเป็ น, เ, ปนเรื่องโกหกผู้ไต่ตามปภาษาคนไม่รู้เรื่องการนอนหลับนี้มันไม่ได้รักษาศีล กามันจะรักษาศีลมันต้องต้องต้องมีความพยายามที่จะละเมิดก่อนแล้วก็ไม่ทํามันงั้นอยากจะกินเหล้าอย่างเงี้ยพอมีเกิดความอยากจะกินเหล้าขึ้นมานึกว่าเรารักษาศีลอยู่ก็ไม่กินมันแ่้วเนี้ยตอนนอนหลับมันไม่ได้มีอะไรเลยตอนอนหลับนี่มันไม่เมื่อยอะไรเลยคนตัวเราก็ไม่รู้เรื่องอยูปในนอกของความฝันแล้วตอนนั้นไม่ถือว่าเป็นการรักษาศีลสมาธิก็ไม่ใช่สมาธจิตก็ไม่นิ่งไม่สงบ จิตไม่มีสตินี่ไม่ใช่สมาธิสมาธิต้องมีสติต้องจิตก็ต้องนิ่งสงบถึงจะเป็นสมาธิเนี่ยเรื่องสองเรื่องที่ถามมนี้เป็นเรื่องที่คนที่ไม่รู้เรื่องเรามาพูดกันทนั้นเองเนี่ยไปสนใจคำถามต่อไปจากคุณเพลนวัลีถ้าจะลองอดอาหารควรจะกินน้ําเพึ่งแทนได้ไหมเจ้าคะแล้วควรเริ่มต้นที่กี่วันเจ้าคะ อถ้าจะอดจริงๆก็อย่าไปกินอะไรเลยดีกว่านอกจากน้ําเปล่าอย่างเดียวที่เขาให้กินว่านอกจากว่ามันเป็นยาเช่นท้องมันต้องต้องมันจะเป็นแผลอะไรเาให้กินน้ํามันน้ําอะไรไปเครือบกระเพาะอะไรอย่างนี้ได้แต่ถ้าไม่เป็นอะไรไม่ต้องไปกินอะไรดีกว่าจะได้ตัดปัญหางั้นเดี๋ยวกิ่เหลวก็อย่ากินข้าวไม่ได้ก็ขอเดือดแ ม, ม, ม่นี่เดือดแม่นั่นเดือไม่นก็มันก็เป็นความอยากเป็นกิ่เลวนี้ ในทางี่ดีก็ตัดกันไปให้หมดเลยถ้าจะอดอาหารก็เอาแต่น้ําปล่าไปก็แล้วกันจะอดกี่ว้ก็เราองดูตามกําลังของเราอันนี้เราต้องเป็นคนรู้เองว่าเรามีกําลังที่จะอดได้กี่วันแต่อย่าไปอดเพื่อเอาวันนะนการอดนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เรามาปฏิบัติธรรมเพราะเวลาอดมันจะทุกข์เมื่อมันทุกข์ก็ต้องมันจะปฏิบัติธรรมคือสติเลืองปัญญาเพื่อจะได้ระับเพื่อะได้ระับควาทุกข์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่ อดอาหารเพื่อมามานับวัาวันนี้อดได้เกวียนเป็นซูเปอร์แมนหรือเปล่าไม่ใช่นั่นเราไม่ร้องกายแบบนั้นเราต้องการอดอาหารเพื่อมากระตุ้นให้เกิดความทุกข์ใจเราเกิดความทุกข์ใจเราก็ต้องเจริะสติหรือปัญญาเพื่อดับความทุกข์นั่นคำถามต่อไปจากคุณอนุสรขอโอกาสขอรับสมมุติกับไม่สมมติ ควรเข้าใจเช่นไรในทางพุทธศาสนาที่ถูกต้องขอรับคำว่า ม, มิมุตติาการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งที่เกิดจากสมมติทั้งป่วงนี่สมมุติคืออะไรก็คือสิ่งที่เราสมมุติกันขึ้นมาไม่ใช่เป็นความจริงสมมติว่าร่างกายนี้เป็นเรามีชื่อนั้นชื่อนี้มีฐ า, นะานะนั้นถือฐานะนี้อันนี้เป็นสมมุติเท่านั้นความจริงแล้วรางการนี้เป็นเพียงองค์ประกอบทับจากดินน้ำลมไฟนั่นเ้งไม่มีตัวไม่มีตนเป็นธรรมชาติ เนหมือนอากาศเหมือนเหมือนดินฟ้าอากาศนั้นคนที่คนที่มีปัญญาก็จะไม่ยึดติดกับสมมติไม่ยึดมาเป็นเราเป็นของเราเมื่อไม่ยึดไม่ติดก็จะไม่มีปากทุกข์กับสิ่งของของสมมติทั้งหลายก็เรียกวิวมตุติพ้นจากคากทุกข์ทั้งปวงที่เกิดจากการยึดติดในสมมติแน่คําถามต่อไปจากคุณชยาภานั่งสมาธิแล้วสวนบท อิติปิโสในใจสวดไปเรื่อยๆสักพักก็หยุดแล้วภาวนาพุทโธพร้อมดูลมเข้าออกไปเรื่อยๆแบบนี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องถ้าดูลมกับพุทโธได้ไม่ต้องสวดวนไปก็ได้ถ้าเริ่มต้นนั่งดูลมพุทโธก็ได้ก็ภาวนาไปเลยไม่ต้องมาสวดวนให้เสียเวลาคำถามต่อไปจากคุณชัยวิสุทธ ปรากฏการคนตายจากโรคระบาดโควิด -19 อธิบายตามหลักศาสนาพุทธได้อย่างไรครับมีก็โควิดไม่มีโควิดก็ตายเหมือนกันทุกคนที่เกิดมาเนี่ยมีคิวตายกันอยู่แล้วไม่ต้องไปรอคิวฉีดวัคซีนหรอกฉีดแล้วก็ตายไม่ฉีดแล้วก็ตายเพราะเราเหมือนนั้นนี่าวอบคิวคิวตายให้เราตั้งแต่วันเกิดนะาำถามต่อไปจากคุณอนุสิต ธรรมะเข้าใจง่ายแต่ปฏิบัติยากเพราะอะไรครับก็เากิเลสมันทําให้ยากกิเลนไม่ใช่อาให้เราปฏิบัติเพราะการปฏิบัติเป็นการฆ่ากิเลสกิเลนมันก็เลยมาสร้างอุปสรรค ต, าตา่างๆขวางกั้นไว้ทําให้การปฏิบัติทำร่างกายเป็นของยากไปคําถามต่อไปจากคุณกระนกวันปกติเวลาคนไปถวายของใช้ให้พระอย่างพวกสบู่ อยากเรียนถามว่าหากสบู่หอมพระสามารถนำไปใช้ได้ไหมคะแล้วมีคำแนะนำอย่างไรเกี่ยวกับการถวายของใช้ประเภทนี้ไหมคะเพราะในท้องตลาดส่วนใหญ่จะเป็นสบู่ที่มีกลิ่นหอมแรงเจ้าคะ่ะมีบางชนิดที่มันไม่แรงเช่นพวกสบูท่ที่สบู่เด็กเนี่เบีแ้เบบี้ช็ปแเบบแบบนี่ยมันจะไม่มีกลิ่นแรงก็เราเราหากลิ่นที่มันน้อยที่สุดก็แล้วกันเพราะว่า อย่าหาแบบที่ไม่มีกิดเลยนี่คงจะ่ายากถ้ามันหนักอกหนักใจก็อย่าไปถวายอะไรก็ได้ไม่มีสบู่ก็อยู่ได้ดนี่อาบน้ากวดน้ำเฉยๆก็ใช้ได้ไม่ต้องมีสบู่ก็ได้คำถามต่อไปจากคุณนันทพรกราบนัรมสการพระอาจารย์เจ้าคะ่ะขอเรียนถามว่าหากเวลาเรานั่งสมาธิฟังเทศแล้เหนื่อยสามารถนอนฟังต่อได้ไหมคะจะเป็นบาปหรือไม่เจ้าคะ มันนั่งฟังเทศมันจะเหนื่อยตรงถ่ายวะมันกินเละมันอยากจะนอนหน้าปากมันก็เลยอ้างว่าเหนื่อยนั่งเฉยๆมันจะเหนื่อยได้ยังไงไม่เหนื่อยหรอกกิเละแตมันอยากจะนอนมันก็เลยอ้างว่าเหนื่อยพอนอนฟังไปจรมันไม่ได้ฟังหรอกเดี๋ยวมันก็ครอกเธอนั้นเองน่ะยังได้อยากจะฟังธรรมไม่เกิดไปอยู่ก็นั่งฟังไปเถอดถ้าถ้านั่งไม่ได้อยากจะนอนก็นอนมันเป็นอะไรดีกว่าอย่ามาฟังฟังธรรมตอนนอน มันไม่ได้ไปดยวนอะไรหรอกแล้วมันถ้าไปฟังแบบสดๆสนี่มันถือว่าเป็นการเสียความเคารพไปด้วยซ้าไปพระนั่งเทศถ้าเป็นท่าบตายเราไปนอนฟังคําถามต่อไปจากคุณโอดํามีคําถามเจ้าค่ะเราสามารถวางรูปภาพคนที่เสียชีวิตแล้วไว้รวมกันที่หิ้งพระได้ไหมเจ้าค่ะมาไว้ทําไมล่ะ ม, มันเกิดประโยชน์อะไร วางกา็วางได้นะวางไว้ทำไมไม่รู้เหมือนกันนะยิ่งบระมันที่ตั้งของที่ที่สูงคือพระพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่านี่เป็นพระพร ะ, พระพุทธลูกตัวใหญ่จะเป็นที่ตั้งเป็นที่กราบไหวคนนี้เราไม่ไม่จําเป็นที่จะต้องไปวางเทียบกับพระหรอกไม่สมควรเขาเก็บไว้ในซองเก็บไว้ในอัลบั้มที่ไหนก็ได้มันยังเป็น มันก็เป็นไม่นก็เป็นกระดาษเหมือนกันคนตายก็เรื่องของคนตายภาพมันก็ยังเป็นคนเป็นอยู่นี่มันเป็นภาพของคนเป็นคำถามต่อไปจากคุณอนุสรขอโอกาสครับการฝึกตายก่อนตายควรน้อมนําเช่นไรในการฝึกตายที่ถูกต้องขอรับก็เวลาคนตายนี่ไม่มีความนอกความโกรธความหลงใช่ไหมก็ฝึกแบบนั้นนหะ ถ้าเราตายแล้วใครยาเรียออกไปก็ปล่อยเข้าไปไม่โกรธเขาใครยาเงินเราไปก็ปล่อยเข้าไปไม่โกรธรับเพราะเราเป็นคนตายสุดตายก่อนตายให้เป็นอย่างนี้ให้เฉยเฉยไม่ต้องไปตอบโตอะไรกับใครทั้งสิ้นใครด่าเราก็ไม่ต้องไปตอบโต้ตตตเข า, ไ ม, มาไม่เหมือสบาวะนีงไม่ออกมาด่ากันไปด่ากันมาจนแล้วว่ายังไม่ตายยังสุดตายไม้เป็นตรงนี้ ย, ยังสุดยังเป็นยังอยู่ ถ้าเป็นถ้าเป็นคนตายแล้วใครก็ด่าแล้วแล้วก็ไม่ตาไปตอบโต้เพราะงั้นเราไปด่าคนตายดูหนึ่งดูเขาเขาจะตอบโต้เราเวลาไปงานศพแล้วก็ไปที่ที่ลองศพแล้วบ่ด่ามันให้เต็มที่เลยหายอย่างนู้นอย่างนี้ดีแล้วมึงตายไปนะดีแล้วสมนับหน้าดูเสยมันจะลุกขึ้นมาตอบโต้รึเป่าถ้ามันตอบโต้ก็แสดงว่าไม่ตายจริงนี่คือถหัดตายแบบตายมาเกิดตายคนตายแล้วมันจะไม่มีการตอบโต้อะไรกับใครทั้งสิ้น และไม่มีความิ่มความโกรธความหวังกับอะไรทั้งสิ้นคําถามต่อไปจากคุณสุดารัตน์นั่งสวดมนต์ภาวนานานๆรู้สึกปวดและเหน็ดชาค่ะต้องทําอย่างไรต่อคะก็สวดต่อไปเหน็ดชาก็ปล่อยให้เหน็ดชาไปเรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเราเรามีหน้าที่สวดก็สวดต่อไปถ้าทําได้ต่อไปเราก็จะไม่เดือดร้อนกับอาการเหน็ดชาอีกต่อไป ถ้าเราหยุดก็แสดงว่าเราเราเดือดร้อนแล้วเราก็จะไม่ผ่านทุกครั้งที่เจอความเหน็บชาเราก็จะเดือดร้อนขึ้นมาทันทีแต่ถ้าเราสวดต่อไปได้ไม่ต้องไปสนใจอาการเจ็บเหน็บชาเราผ่านไปได้ต่อไปเราสบายมันจะเหน็บชามาแล้วก็เฉยเฉยไม่เดือดร้อนกันนานคำถามต่อไปจากคุณเทิดชัยกราบนรมาส ก, การพระอาจารย์ขอโอกาสครับเวลานั่งสมาธิเองเงียบ จะเห็นความฟุ้งซ่านมากแต่เวลานั่งสมาธิไปพร้อมกับเปิดฟังธรรมะไปด้วยจิตจะฟุ้งน้อยกว่าจิตจะจับกับเสียงยึดเสียงเป็นอารมณ์มีฟุ้งบ้างในการพิจารณาตามในคำสอนบางขนาดถ้าเราเพลินกับการนั่งสมาธิแบบนี้บ่อยๆเราจะยิ่งไปยึกติดในอายตนะทางหูหรือสัญญาในอารมณ์หรือไม่ครับขอบพระคุณครับ ไม่เราถ้าเราใช้เป็นเป็นเครื่องเครื่องบรรเทาความฟุงฟ้งซ่านพอฟังเส็จแล้วเราก็ต้องนั่งสมาเราก็ต้องนั่งสมาธิต่ออย่างนี้ก็ไม่เป็นไรเหมือนเหมือนที่เมื่อกี้อธิบายให้ฟังเวลาคนที่หัดน้ําหัดว่ายน้ําไปไหม่อยนี้ยังต้องใช้ห่วงยางพ อ, อถ้าไม่มีห่วงยางเดี๋ทวเดี๋ยวจะจงน้ําได้เพราะยังว่ายน้ําไม่แข็งแต่พอเราว่ายน้ําแข็งแล้วต่อไปเราก็ถอดห่วงยาง มันก็นการนั่งสมาธิถ้าตอนต้นนั่งแล้วจิตฟุ้งมากก็สายการฟังธรรมไปก่อนฟัไปจกนกรทั่งรู้สึกว่าอาการฟุ้งซ่านหายไปก็ปหยุดฟังแล้วก็มานั่งสมาธิต่ออย่างนี้ก็ไม่ถือว่าติดอันนี้ถือว่าเป็นการใช้การฟังธรรมเป็นเครื่องมือสนับสมมนวยในการนั่งสมาธิท่านถามสุดอ้ายจากคุณสิทธิปู่สุนีนี่ไปบวชจะบรรลุได้ไหมครับ ไม่รู้เหมือนกันนทะ่านที่ยใช้ไม่ได้จะเปบรรลุได้ไหใช้นี่ให้ได้ก่อนเถอะแล้วก็เลยบมดคุณถามหมดแล้วเจ้าค่ะโอเ ค, ใ, ค, อเคใกล้หมดเวลาแล้วเลยประมาณเก้านาทีถ้ามีใครมีขับถามข้างๆอยู่ในใจก็แวรรเนียให้ถามได้ยกเว้ขึ้นแล้วก็เปิดไมคเอาแล้วมีไหมมีใครอยากจะถามไหมคุณ น, นันทับรนันทัทเช ค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะพอดีลูกได้ฟังสูมของภาคภาษาอังกฤษเมื่อคืนน่ะเจ้าค่ะพอดีลูกหาทางเข้าที่เป็นที่เป็นสูมไม่เจอใช้ห้องเดียวกันไหมคะหรือเป็นห้องเดียวกันอใช่ไหมใช่ไหมคืออันเดียวกันใช่มใช่ใช่ครับอันเดียวกันครับแล้ว facebook เป็น facebook อีกอันหนึ่งใช่ไหมต้องเขียนคำว่าอาจารย์สุชาติภาษาอังกฤษจ a j w a AJWAN ค่ะอาจารย์สุชาติแล้วมันก็จะขึ้นมาอาจารย์สุชาติดัมมะพอดีอสกิมแล้วก็เข้าไปแล้วก็เซฟไว้แล้วพอสองทุ่มมันก็จะเตือนขึ้นมากดติดตามแล้วในเวลาเวลามีถ่ายทอดสดมันจะเตือนเราพอดีลูกฟังแล้วลูกลูกรู้สึก ด, ดีเจ้าค่ะพระอาจารย์คือเหมือนกับว่าภาษาอจีนมันค่อนข้างกระชับไปเจ้าจได้มันตรงกว่าคามหมายมันชะัดเจนกว่า ภาษาไทยภาษาคำพูดเรามี้คำพูดที่มันมีความหมายซ้ำกันบางทีเราไม่รู้ว่าเราพูดถึงเรื่องอะไรกันแด้เจ้าค่ะลูกจะได้ลองติดตามดูเะคะลองเช็คก็ไปดูก็ได้เจ้าค่ะเจ้าค่ะอาจารย์ค่ะเพียงมีเท่านี้เจ้าค่ะอาจารย์มีใครไมัมาเป็นบริสิอนุญาตนะคะอาจารย์สอบถามว่า เวลาช่วงทีห น, น่ะค่ะพอาจารย์ช่วงตื่นหลับหรือว่าช่วงหลับหรือช่วงนั่งสมาธิมันจะมีเสียงเสียงหนึ่งมันเป็นเสียงที่ไม่ใช่เราเหมือนคลา้คลายๆว่าเป็นกิเลสค่ะอาจารย์อย่างบางทีก็อย่างเฉปล่อยว่างรูแล้วก็ปล่อยว่าไปไม่ต้องไปยุ่งอะไรค่ะมันเป็นเป็นเสียงกิเลสค่ะาอาจารย์หรือว่าเมันเป็นกิเลสคับมันเป็นเรื่องปรุงแต่งเอาจิตเราปรุงแต่งเองจิตเราปรุงแต่งขึ้นมา มันเป็นกติเล็ตดับเบิร์ติเล็ต ก, ก็ตปลว่า ม, มันเป็นเสียงที่อยากจะได้นู่นได้นี่กันมาเป็นความรู้สึกอยากได้นู่นได้นี่เสียงเสียงเสียงบอกว่าอยากจะกินก๋วยเตี๋ยวแล้วอยากจะดื่มเป๊ ป, ปซี่แล้วอย่างเ ง, ง, งี้ยอย่าี้มันก็เป็นกิกเลสมาน่นาจะปรุงแต่งเพราะเหมือนแบบเขาเหมือน ย, ย, ยอะเยอยเราบ้างบางทีก็ อ, อยู่เวลาก็รู้ว่ามันเป็นตายแลกไปแล้วนะเป็นอายตนะอย่างนี้ ขอบคุณคทางอาจารย์มีใครไหมที่อยากจะถามคาถามอ่ามันวิเศษนะเห็นเห็นไปนะนะกดผิดครับเอากดผิดนะพอแล้วนะถ้าไม่มีก็คิดว่าพอสมควรใก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติ